การครับมันก็ครับจริญพลทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาวันนี้ก็ได้พบกันอีกครั้หนึ่งก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีอะไรดีๆมาฝากมาล่าให้ฟังหรือ ม, มาถามก็ ข, ขอเริ่มตอนที่คุณเอกอยากเชียงรายเลย เ, เ, เ, เชิญคุณกได้เลยกับรัศกาลพระอาจารย์ครับอ่าเชิญทุกได้เลยมีอะไรไมหมหาอายไปแล้วไม่ทราบเหมือนอยู่ <Okay. S 2> อยู่ข้างล่างครับเด <Okay. S 2> ี๋ยวนะอ้างล่างนะก็ดีได้ครับพระอาจารย์คุณนี้ไม่มีอะไรครับเข้ามากับ นัสเกาลรพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังครับพอาจารย์ยินดีต้อนรับไปที่ท่านต่อไปครับผมคุณอาจารย์อขอบคุณหลาัสการพระอาจารย์ค่ ะ, บ, คคะบายดีทั้งคู่นะบายดีค่ ะ, ะ ค, คุณแม่เป็นย<อ>ังไงบ้าง100ร้อยปีแล้วรอยปีแล้วยังสดชื่นเหมือนเดิมค่ะยังสาดได้เดินได้อยู<ด>่ค่ะ ค่ะน้อยคนนะที่มีอายุเกินร้อยค่ะใครได้อยู่กับคนนั่นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะค่ะก็ดูแลกันค่ะออกกําลังกายกันตอนเช้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดี๋ช่วยกันค่ะให้กําลังใจกันค่ะก็ทานอาหารได้ดีค่ะกําลังใจนี่สําคัญนะเพราะว่าเจ้าบอกอายุจะยืนยาวนานที่กําลังใจเนี่ยที่ปฏิบาทิสีก็คือกําลังใจนี่เอง ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะ ค, คือความมนดีที่จะอยู่ต่อไปถ้าไม่มีตัวนี้แล้วมันหมดกําลังะถ้าไม่มีกาลังใจที่อยากจะอยู่ไม่มีฉันทะที่อยากจะอยู่ต่อไปนี้วิริยะมันก็ไม่มีนะมัไม่มีความเพียรพยายามที่จะดูแลร่างกายจิตตวิมังสาก็เหมือนกันก็จะไม่ไม่ดูแลไม่ดูแลไม่สนใจ ร่างกายันก็จะสรุดลงอย่างรวดเร็วแต่ถ้ายังมีเหตุที่ทําให้มีฉันท้าอย่างเช่นอาจจะอยู่ก็ลูกหลานขอร้องให้อยู่เนี่ยเป็นธรรมเนียมของลูกหลานต้องขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่ว่าแม่อยู่กับหนเป็นานานๆนะหนูจะเล่นอยู่แม่ไม่แม่ไม่ต้องกลัวเป็นภาระนะอะไรๆนี่ถ้าแม่เขาที่วเวลาท่านเป็นภาระกับลูกเหล่านี้ท่านจะไม่อยากอยู่นะ เพีกเราอย่าไปทําอาการจิตาจมเหมือนแต่ว่าท่านเป็นภาระเป็นอันตรายเนี่ยมันจะทําให้ท่านท้อแท้เผื่อหน่าไม่อยากจะอยู่กับพวกเราแต่ถ้าพวกเราพยายามาแสดงอาการรักคารวะเขาโลแล้วก็ดูแลท่านอย่างดีด้วยความเต็มใจท่านก็จะมีความสุขท่านก็อยากจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราเนะี่ยอย่าเลย ป้านวลไม่ไม่พูดกับพระพุทธเจ้าเนยพระพุทธเจ้าเลยบอกว่ามันไม่อยากจะเลียงดูแล้วนะพระพุทธเจ้าเคยพูดกับบ้านวหลายผลนะบอกว่า <c oughs> ถ้าอยากจะอยู่ต่อ น, นี่สถาคนอยู่ได้นะด้วยด้วยอธิบาตสนะิต่อไปได้ร้อยยี่สิบถึงอายุร้อยี่สิบปีแต่อานไม่เข้าใจความหมายอานวลไม่เคยขอนิมตนให้อยู่เลยเฉยอย่างเด้ยวฟังอย่างเดียว าอาโนนเป็นผู้ปฏิถังเนี่ยถ้าอยู่ร้อยอยู่ร้อยี่สิอยู่ถึงร้อยี่สบปีอาโนนก็ต้องรับใช้ต่อไป uh huh. uh huh. อาโนนก็อาจจะไม่ไม่อยากจะรับใช้แล้วก็ได้เลยไม่พูดเลยพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้หลายครั้งอานอน์ก็เฉยทุกครั้งไปคะแนนที่สุดพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าอานอนนคงไม่อยากจะเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าไม่อยากจะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็เลยบอกอาโน์น เราอีกสามเดือนเราจะรักสังขานี้แล้วนะพอพูดท่านนี้อนนท์อล า, าธนากันทีอย่าโกรธโวยอย่าพึ่งไปพร <c oughs> ะเจ้าหลกสายไปเสียแล้วพ <c oughs> ่าเราพูดมาหลายครั้งแล้ว <c oughs> เธอไม่เคยอาราธนาเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอ <c oughs> เราได้ตัดสินใจแล้วก็ถือว่าจบนะเราไม่กลับคําไม่กลับคําตัดสินใจเราจะถ้าคนได้เป็นงวาจาหรือเปล่งใจแล้วว่าจะทําอะไรก็ถือว่าเป็น เป็นเป็นเป็นอันขาดเป็เด็ดขาดก็เลยป้านนท์ก็ร้องไห้โอ้ยแล้วตอนหลังเวลาหลังจากพกระพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้วป้าหลานห้าร้อยรูปมาประชุมกันก็มาตําหนิป้านนท์เนี่ยมาไม่นี่ไ ม, ไม่ไม่อาราธนาพระพุทธเจ้าให้อยู่ต่อไปเลยถูกปรับอาบัติปรับโทษ ไม่ได้ทําหน้าที่ของพอระอุปถาคที่ดีรพราะผู้ประถานที่ดีต้องเป็นผู้ที่แสดงความยินดีที่จะประถาไปตลอดในทําหน้าที่ทําทําำเฉยเมยพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้อยู่ต่อไปเพราะสังขารไม่ว่าจะเป็นของไครก็ตามพ่อแก่ลงแก่ลงมันก็ต้องมีผู้ช่วยดูแลใช่ไหมแต่คุณแม่เนี่ยถ้าไม่มีการช่วยดูแลท่านอยู่เองได้ตอนนี้ ไม่ได้คะไม่ได้เลไม่ได้ไม่ได้มาหลายปีแล้วค่ะต้องมีต้องดูแลค่ะไม่ได้เพราะว่าเดยลุกทําเองจะไปไหนมาไหนเองเราไม่ได้ไม่ไม่ให้เดี๋ยวล้มค่ะอืล้มก็เลยต้องห้ามไว้ว่าจะไปไหนต้องเรียกกันร่างกายของทัชชาติรวมกันถึงแม้ใจจะเป็นวิเศษขนาดไหนแต่ร่างกายมันไม่ตอบสนองคําสั่งของร่างกายใเของใจนะต้องให้มีคนคอยช่วย ทำภารกิจเกี่ยวกับดุลการดูแลร่างกายอันนี้ก็พดีเป็นเรื่องมาพัฒาเข้ามาประเด็นก็เลยพูดเล่าให้ฟังเมื่อเราพวกลูกหลานถ้ายังเม่ได้ดูพ่อแม่อยู่อย่าไป ท, ทําถ้าเอินทราราใจยนะเป็นความอักตันอยู่ถ้าเราหยากจะมีความอักตันอยู่ต้องแสดงความดีดีทุกครั้งที่เจอที่ดูแลพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราก็เป็นต่าหานของ ล, ลูก อยาเกี่ยงกันมีคําพูดว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้เป็นยังไงความรักของพ่อแม่กับลูกของลูกความรักของลูกกับพ่อแม่ต่างกันฝ้ากับดินพวกเรามีความสุขค่ะที่ได้เลี้ยงดูเพิ่งแต่ลูกลูกเผยลูกลูกของเราเองทุกคนมีความสุขแล้วก็มหาคุณยายทุกคนมีความสุขมาก อที่จะอยู่ด้วยกันนะคะก็ผมผมเองท่านก็ได้ดูแลสามสิบสามปีทีอยู่ที่บ้านที่ลาวนะฮะใช่แม่ก็ดูแลอย่างดีสามสิบสามปีอยู่ที่โน่นก็เลยมีโอกาสได้ทดแทนหน่อยเพราะแม่ของตัวเองก็ไม่ค่อยได้ดูแลน้องๆเป็นคนดูแลเหมือนเราเราก็ใส่น้องๆดูแลแม่แต่เราก็ดูแลดูแลแบบห่าง ไปส่งข้าวส่งของเลยไปให้มีเป็นประจําเลยรู้สึกทุกคนรู้สึกที่บ้านมีมีบุญนะคะ่ะที่แมยนะ่ยังสดชื่นนะจึงสดชื่นยังคุยกันยังร้องเพลงทาเพลงอะไรเงี้ยนะคะยังได้ทานอาหารได้อะไรเงี้ยรู้สึกเป็นบุญมากที่อยู่เันได้ถึงเป็นร้อย น, น, นะคะ่ะเราก็อายุเดียกันเราด้วยอย่าเรียนความกตัอยู่นะเราไม่ได้เป็นพู้หลักเราเป็นคนไทย พอหลังเขาตัวใครตัวมันนะ <ฮะ S 1> ยายก็ส่งเข้าบ้านคนชราไปนี่เราทำทาไว้เราก็บอกลูกว่าไม่ต้องดูแลแม่เหมือนดูแลคุณยายก็ได้นะเพราะว่าสมัย ต, ต่อไปอาจจะไม่เหมือนกันแต่การเขาเห็นเราทำได้เขาว่าเขาไม่อยากจะทำเพราะเขามีความสุขจากการทำ <ฮะ S 1> ก็ดีนะแต่ <ฮะ S 1> ว่าพวกเราชาวไทยยังถือว่ายังมี ศาสนาพุ้นคอยสั่งคอยสอนไม่ให้เลิมมีคนให้มีฟวามกระตันยูกร<ฆ>ะตนเวทีแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะยาวไปจ่ะอาจารย์คุณหมอภาสนาเชิญจากกอนท่านหมัจกาอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอคุณหลาก็มีคำถามพี่พ่อเนี่ยนะอาจารย์ ก็ค่ะเอ่อคำถามจากเขาที่แล้วที่มาทําเมสัญชิกนพระอาจารย์คือรู้สึกว่าคือมันคือนั่งสมาธิได้ตลอดมันคือนั่งไปได้เรื่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่ห้าทุ่มค่ะก็นั่งไปแล้วพอถึงตีสามนาฬิกามันปลุกเพราะปกติมันตื่นตีสามใช่ไหมคะก็ไม่คือคือมันไม่ได้มองถึงความเจ็บคือมันนั่งไปได้คือมันรู้สึกว่าเออมันมีความสุขแล้วมันก็นั่งไปได้แล้วก็ไม่ได้ง่วงคือมันแปลกตรงที่ว่ามันไม่ง่วงอ่ะพระอาจารย์คือตื่นแล้วก็พอเดินชั่วโง เดินเดินเ อ, อ่อจงกรมตอนตีห้าเสร็จแล้วก็ทําชีวิตประจําวันนะก็ไม่ง่วงนะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกก็มีกําลังใจมากเลยค่ะเดี๋ยวกะ ว, ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะลองทําใหม่ถ้ า, ถามันมีสติมันก็ไม่งว่วงมีอะไรก็มีพาะอาจารย์ถ้าสติมีกําลังมากมันก็จะไม่งว่วงค่ะแล้วมันไม่เพลี ย, ยด้วยนะพระอาจารย์คือแปลกใจมากแฟนแซวว่าเดี๋ยวจะเตรียมลรงพยาบาลไว้เพราะไม่ยอมนอนเพราะปกติเป็นคนทํางานเยอะอยงไงพระอาจารย์ทำงานแล้วจะแบบมันจะน็อปแต่คราวนี้มันทําไมมัน มันไม่เป็นอะไรเลยอะค่ะาอาจารย์ค่ะไม่ไมอยากไปตื่นตีตัวก่อนไข้ตีตัวก่อนไข้ดูนไปตามสภาพตามถ้ามันถึงเวลาควรที่จะต้องดูแลรักษาว่ารักษาไปไม่ต้องไปตื่นตโนบไปพองปูแตกไปค่ะดสสสูสิ่งที่เราควรจะได้ในการนั่งก็คือคือความรู้สึกคือมันสบายสบายคือแบบเหมือนกับว่านั่งไปเรื่อยแต่ว่าสิ่งที่ควรจะได้ก็คือ คือได้ไ ด, ได้ได้เรื่องของการนั่งสมาธิยาวนานขึ้นได้ความสงบเพิ่มขึ้นอุเบกขามากขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์อันนี้คือสุขใช่ไั้คมันได้ความสุขในขณะที่นั่งมีความสุขความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติมันจะทําให้เราสามารถที่จะลักกิเลสได้ง่ายถ้าเรามีความสุขแบบนี้บางทีอยากยากจะดูทีวีให้นั่งสมาธิดีกว่าอยากจะกินขนมให้นั่งสมาธิดีกว่าอยากจะดื่มกาแฟนั่งสมาธิดีกว่า มีความสุขแบบนั้นความสุขแบบชั่วปลายลิ้นแล้วก็ทําให้ต้องอยากอยู่เรื่อยๆติดใจต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆซึ่งถ้าติดมันยิกงบาไม่ต้องไปเดือดไปกินมันถ้าไม่จําเป็นจะต้องเดือดต้องกินอยู่แบบไม่มีความอยากสบายกว่าอยู่กับความอยากพอมีความอยา ก, ายากร้อนใจมันจะต้องตอบสนองเป็นท่าตุอยากได้นได้เองมันก็สั่งให้ไปหามา หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอเนนต้องต้องประกาศอิสรภาพจากความอยากฟรีดอมฟังฟรีดออมจากเรื่องรถนะคะต้องขอบคุณคุณพรอาจารย์เรื่องรถเนี่ยได้แล้วเพราะปกติยาง ตอนที่กินมื้อเดียวเนี่ยคือกะว่ากินประมาณสิบ็ดโมงตอนแรกนะแต่ตอนเนี้ตั้งแต่ทํามาเนี่ยก็ค<ม>ือกินประมาณหกเจ็ดโมงแล้วก็กินมื้อเดียวแล้วก็ไม่แล้วก็กินน้าละละําเปล่าตลอดก็คือไม่มีปัญหาอะไรพระอาจารย์คือก็ตอนเย็นเราก็นั่งสมาธิคือรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เชื่อทําได้แล้วก็ทําได้แบบมันก็รู้สึกว่ามันทําได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรพระอาจารย์ก็คืออันนี้ต้องขอบพระคุณเพราะว่าทําตอนที่พระอาจารย์บอกคือไม่ได้คิดมากเลยพระอาจารย์อาจารย์บอกว่าเอาไปทําอย่างเงี้ยการเน้นทางการคฝึกอบรมไปเข้าสมาธิไป มีการไปหาความสุขทางตาของจงมูกนือกายที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปก็ห น, นังสือเล่มหน้านี้เราตั้งชื่อว่าการมรสุมเป็นทุกข์อ๋อจะไปอ่านค่ะคยอ่านไมัมยังไม่ได้เคยยังไม่ได้อ่านนะ่ะเล่ม น, นี้เพราะว่าอ่านใ น, อ, น, ในอ่านในกรมรมฐานรอดคอมค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ยังอ่านอยู่นะตอนนี้ยังอ่านอยู่นะแล้วก็ยังฟังที่คุณชัยให้อ่ะก็คือของตามมหาบวัวพอเตือนจงกงรมเสร็จตอนประมาณหกโมงตีห้าหกงก็มาฟังหลวงตามหาบัว แล้วก็ของพระอาจารย์ก็อ่านในกมันฐานคอมอ่านตอนนี้จุลธรรมลำใจคือชอบอ่านหนังสือเลยพระอาจารย์แล้วก็อ่านของพระอาจารย์มั่นของของพระพุทธเจ้าเลยอ่านหมดแล้วที่พ่อคุณพู่กให้พี่จุกให้เลยนะคะใช่ค่ะอ่านอ่านไปอานแตย่างอย่างเดียวเท่านั้นอ่านแล้วต้องปฏิบัติด้วย พระอาจารย์คะมีคำถามมีข้อหนึงคือคําว่าโอเบนนายโกะ่ะพระ อ, อ, อาจารย์แปลว่าถ้าโอเบนนายโกะแปลว่าเราต้องเห็นอริยศาสตร์กับไตรลักษณ์คือเวลาเราไปเนี่ยจะเห็นเราก็สามารถที่จะดึงมาใช้ได้เวลามีอะไรหรือว่าเรามองเห็นอะไรเราก็จะเห็นไตรลักษณ์ในทุกๆอย่างที่เห็นอันนี้เรียกว่าโอเบนนายโกใช่ไมับพระอาจารย์ก็น้อมให้มันเข้ามาให้ให้มันให้มันอยู่ในใจให้มันเห็นในใจ ให้มันเห็นในใจแปลว่าถ้าเราเจออะไรปุ๊บเราก็จะเห็นได้เลยคือเหมอนถึงว่าเราสามารถจะดึง ม, มาแล้วก็ใช้ได้อย่างนี้เียว่าโอปัญโายิ่ใช่ไหมครอาจารย์ก็มันคือธรรมเนี่ยมันต้องอย่าอยู่ใจในตัวหนังสือไช่ไหอยู่ในตัวเราเป็นแค่เป็ น, ปนตัวหนังสือต้องให้มันมาเป็นอยู่ในใจรแล้วความรู้สึกตสติก็น้อให้มันเกิดข้ามาในใจปัญญาให้มันมีอยู่ในใจ ศีลการมันมีอยู่ในใจไม่ใชอยู่แต่ในหนังสือท่องได้ศีลหน้าแต่ปฏิบัติไม่ได้นี่เหตุการณ์ไม่ได้อยู่ใน ใ, นใจได้พระอาจารย์เพราะรู้สึกอันนี่ยสมาธิเทีนะ่ <c oughs> เรื่อนทยัเข้าใจแล้วก็ทําค <c oughs> ือเขาจะาคําว่าสมาธิีทําให้มันทําให้เองพอพอหลงน้อยลงเนี่ยไอ้ความโลคความโกรธมันมันก็คือไม่ไม่นั่นอยู่แล้วมันคือเคื่อนเนี่ยโฟกัสเรื่องความความเรื่องทํามไม่หลงเพราสมาธิเที่ยพระอาจารย์ ที่พระอาจารย์แนะนำก็คือทำตลอดแล้วก็โหลดภาพรูปรูปกระดูกเพราะว่าชอบดิน้งลมไฟอย่างเงี้ยดูในลูกในในสามีในคุณพ่อในน้องอะไรในทุกคนเนี่ยก็พยายามทำไปจะจัดกำลังใจเยอะขึ้นเลยพระอาจารย์ทำไปเรื่อยๆสลับกับการนั่งสมาธินีจากสมาธิถ้าไม่เจริญสติก็เจริญปัญญาอย่างไรอย่างนี้นถ้าคว่าสติเรายังไม่แก่กล้าพอก็เจริญสติไปก่อน เพื่อให้เข้าสมาธิได้อย่างง่ายได้แล้ะรวนเดิมถ้าเราเข้าได้อย่างง่าได้รวดเร็วแล้วเราก็เปลี่ยนมาเจริญเป็นตายรักแทนพิจนาอาการสาที่สองพิจรณาสุภาพิจนาเกิดแก่เจตตายดินน้ำลมไฟไปเป็น ใ, ใครก็มองให้เห็นเป็นแบบนี้ไปหมดอาจารย์เข้าใจนะใค่ะอาจารย์ขอพบพระคุณมากเลยค่ะท่านต่อไปคุณวางได้ ชื่นเบลอยากสืบพุทธไทยชื่อจิงชื่อมาีเรอการรับราชการเจ้าค่ะอาจารย์ชื่อชื่อชื่อิงเจ้าค่ะอาจารย์อะไรชื่อจริงใช่ไหมเจ้าค่ะชื่อการจนาเจ้าค่ะทองคาค่ะการจนาบุรีอยากสุทธไทยเจ้าค่ะอาจารย์ก็ โยมก็ปฏิบัติเรื่อยๆก็ค่ะพระอาจารย์ครนี้โยมจะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องสัมมาสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์ยยคือก็ อ, อะไรว่บางคนก็ <laughs> คือที่ที่โยมเข้าใจถ้าถ้าเป็นคือเราสามารถนั่งสมาธิให้มันเข้าชาหนึ่งสองสามสี่แล้วเราออกมามันก็จะเป็นอเบกขาแล้วเราก็พิจารณา จ้านปัญญาต่อแต่ว่าบางอพอแม่ครูบาอาจารย์บางบางท่านก็จะสอนเหมือนกับคนที่ชอบเจริญปัญญาก่อนแล้วมันจะรวมมาเป็นสมาธิอีกทีนี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์แล้วมันก็จะเหมือนกับสมาธิตรงนั้นก็จะเป็นสมาธิที่แบบเป็นอุเบกขาเหมือนกันก็แล้วแต่ว่ามัน <c oughs> มันเข้าไปได้เรื่องมั้ยเรื่อปัญญา <c oughs> ที่เราจะใช้ในการที่จะข่มให้ใจเข้าสู่ตามสมบัตนี่ <Okay. S 1> มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่ามันมันจะข่มให้เข้าไปนึกขนาดไหน mm hmm. มันก็ขึ้นอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่ามันมากขนาดไหนมากน้อยครับทุกข์น้อยมันก็มัน่าจะเข้าไปได้ไม่ได้น้อยถ้าความทุกข์หนักตรงนันก็จะเข้าไปได้เลย mm hmm. ถ้าเราคนเราเรามีความทุกข์ใจมากสูญเสียคนที่เรารักร้องห่มน้องไห้ก็นไม่ได้ไรเราไม่หลับเราเราพิจารณาว่ามันตายแล้วมันเป็นตายแล้วที่เราสูญเสียมันไม่เทียงมันไม่ใช่ตัวสิ่งที่เราจะไปห้ามหรือไปบังคับมันให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดที่เราทุกข์กเพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่ต่อเป็น ของเราต่อตเมื่อไปแล้วพอเห็นอย่างนี้พอจิตมันรับได้มันก็สงบได้ที่จะสงบลดขนาดไหนหรือไม่นี่ก็ต้องแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะลดไปเรื่องขนาดไหนแต่แต่มันก็จ ะ, ม, จะมันก็จะอุเบกขามันก็จะนิ่งเฉยเแต่มันจะเป็นอุเบกขาแบบ ว, ว่ามันก็ยังรับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอะไร ใจใจหายเศร้าโศกเสียใจหายหายทุกข์หายอยากอาการดินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรนะคะเหมือนถ้าคนจะ้เชิดจะข้าตัวตายถ้าพิจารณาได้แล้วหยุดยุติการข้าตัวตาได้มันก็มันก็เจ็บแค่ฉันหมดนี่มันก็แล้วแต่ความทุกข์ของแต่ละวาระว่ามันทุกขมากน้อยถ้าทุกขมากมันก็จะรู้สึกโสมมากเพราะมัน ม, มันมันสลับจากความทุกข์มากลายเป็นความไม่ทุกข์นี่ันมันกว้างกว่าความทุกข์น้อยกับทุกข์้อมันก็มีส่วนต่างน้อยใช่ไหมถ้ามันทุกข์มากก็มีส่วนต่างมากค่ะ <c oughs> มันก็จะรู้ว่ารู้สึกว่ามันสงบมากนะคะคือโยมจะฝึกเป็นของโยมจะชอบทาสมาธิก่อนแล้วก็ถึงจะมา พอได้อุเบกขาแล้วโยมค่อยมาพิจารณาแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจพิจารณาเจ้าค่ะอาจารย์มันจะเป็นเหมือนกับมันเป็นไปเองจิตมันจะพิจารณาแบบตอนเนี้ที่โยมรู้ที่ปฏิบัติมาเนี่ยค่ะมันเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นมันไม้มันเป็นไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จับไปหมดเลยอย่างเจ้าค่ะพระอาจารย์ทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจิตเราหรือว่าธรรมารม ต่างๆหรือว่าร่างกายหรือว่าสิ่งของทุกอย่างอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะแต่นี่มันเป็นการพิจารณาในขนาดที่ยังไม่มีบาดทุกข์เจ้าค่ะก็เลยยังไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นประโยชน์ของมันเหมือนกับายากินยาตอนที่ยังไม่ยังไม่ปวดศรีรษะนี่กินไปก็ไม่รู้สึกมีความแตกต่างะอะไรมันต้องมาเห็นผลตอนที่มันเกิดอาการปวดศรีรษะแล้วกินยา กินยาแล้วอาการปวดศีรษะไปะอันนี้ก้าเหมือนกันปัญญาก็เป็นปัญญาใ จ, จเห็นประโยชน์ของปัญญาก็ต้องรองต่อที่เกิดความทุกข์ใจเห็นมาเราค่ะเราก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาดับความทุกข์ใจนั้นได้จังค่ะทีนี้โดยปกติถ้ามันไม่มีเหตุกยชายของความทุกข์ถ้าเราต้องการให้ให้มันทุกเราก็ต้องให้มันร่างให้มันเจ็บให้มันปวดไป <Okay. S 2> และใช้ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บปวดนี้มาเป็นเป็นตัวที่จะมากระตุ้นให้เราใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาทุกขเวทนาให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักเป็นอนัตตา <Okay. S 2> เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ให้มันหายไปตอนนี้นเราจะขยับร่างกายมามันก็หายไปชั่วทาเมื่อกลับมาใหม่ <Okay. S 2> แล้วค่ะมันก็กลับมาโดยทางใดทํางห อาจจะเจ็บไายได้ปวดขึ้นมาเปนมาเงอะไรขึ้นมามันก็ต้องเจอ ม, มันทั้งวันฉะนนถ้าเรานั่งตอนที่เราเจอมนันแล้วเรากระหยัดเรามาอสอนใจพิจารณาให้ปล่อยมันให้ได้าค่ะกอย่าไม่อยากอย่าพิจารณาแบบอยากให้มันหายทอย่าให้มันหายเนี่ยเป็นตัวสมุทรไทยเป็นเพื่อยอมรับ ว, ว่ามันจะหายก็เรื่องของมันมันจะไม่หายก็เรื่องของมัน เราค่ะ <Okay. S 2> เราจะอยู่กับมันเราจะไม่นั่งเตี้ยมมันเราจะไม่หนีจัดมันไป <Okay. S 2> เราก็ไม่ทําให้มันหายไปอันนี้ถ้าพิจารณาจนจิตยอมรับ ว, ว่าต้องอยู่กับมัน <Okay. S 2> เราหยุดต่อต้านหยความอยากให้มันหายไปได้ใจก็จะน <Okay. S 2> ิ่งเป็นเบิกขาขึ้มนมา <Okay. S 2> แล้วเวทนาก็ยังมีอยู่แต่ก็อยู่กับอยู่ด้วยกันได้เจ้าค่ะมันไม่มีความรู้สึก เอิรอ่านตอิร์ดอ่านตามใจเขาอยู่เขาก็อยู่ส่วนเขาไปแล้วก็อยู่ส่วนเ่าไปอย่างเมื่อก่อนโยมนั่งสมาธิพอเกิดเวทนาปุ๊บโยมจะเหมือนกับบังคับจิตให้ให้ไปโฟกัสที่อื่นเงนี้ใช่ไหมะเวทนาก็คือจิตมันไม่รับรู้มันก็ไม่ปวดใช่นั่นเป็นใช้ใช่ใช่ใช้ใช้อุบายของสติเนี่ยเราเราถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เต็มเนี่ยเราก็ต้องใช้พุทโธไปก่อ นะปวด <Okay. S 1> แล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธหรือสวนบนอะไรไปเพื <Okay. S 1> ่อดีใจให้อย่าไปคิดถึงความความปวดเพราะพอมันรู้แล้วพอคิดถึงความปวดมันจะอยากให้หายทันที <laughs> แล้วพอ <Okay. S 1> อยากให้หายมันก็เลยทุกขึ้นมาชั้นหนึ่งในใจปว <Okay. S 1> กที่ร่างกายแล้วอยากไปสร้างความทุกข์ทางใจ <Okay. S 1> ที่ทนไม่ได้ <Okay. S 1> ไม่ไใช่ที่ความปวดของร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจนี่ทนไม่ไหว เราก็ตถ้าเรายัางใั้ปัญญาไม่เป็นเราก็ต้องใช้สติเช่นการบริการผู้โธรุูโธรหรือสวดมนต์อะไรไปก็ได้ให้ใจมันอยู่กับงานนั้นจกนกระทั่งลืมอาการเจ็บปวดไปแล้วมันก็จะมีความอยากที่จะให้มันหามมันก็จะหยุดไปความทุกข์ปวดก็จะอยู่ในใจที่มัอยู่ในใจก็จะหายไปใจก็เบาสบายอยู่กับความปวดของร่างกายนะ้ะค่ะ วันนี้<ต>ยกมีเท่านี้ จ, าจ้าค่ะอาจารย์แต่ถ้าปรามปกติถ้าเริ่มนั่งนี้ไม่มีไม่มีความทุกข์อะไรเลยนี่ก็ต้องดูลงแล้วพูดโทไปให้มันเข้าสูส่ภารสงบเจ้าค่ะ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องเนี่ยต้องให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นก่อนเจ้าค่ะแต่ความทุกข์นี่มันคือบางที ก็เราก็กำหนดไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่เราก็เหมือนกับว่าเราก็เตรียมพร้อมใช่ถึงแม้เราคิดถึงความตายมันก็ยังไม่ได้เป็นความจริง <c oughs> ไม่เหมือนกับห <c oughs> มอเขาบอกว่ารัากษาไม่ได้แล้วนะเดียว <c oughs> ไปจอง <c oughs> สาราวัดได้แล้วอันนี้มันมันอาจะรยรู้สึกว่ามันมันจริงเลค่ะในตอนนั้นล่ะดูว่า จะซำใจให้ไปดูเบรกขาเฉยๆได้ไหมตายก็ตายจองหาลาก็จองที่มณฑลพระลงหน้าไว้ก่อนเนะเตรียมทุกอย่างเตรียมงานแต่งงานนี่ทะเแต่งงานมันเป็นงานงานลาจากโลกนี้ใชค่ะคนเราหน้าจะเตรียมทําเตรียมงานลาจากโลกนี้ไว้ก่อนนะ เก็จะเลิกเตรียมศาลาเตรียมวัดเตรียมรองไม่เลือกรองอยากชอบรงแบบไหนทํารูปไว้รองทำให้พร้อมเลยวันนี้ถ้าอยาตายควันนี้ก็ไม่ต้องมาทาอะไรให้เราวเตรียมไว้เรียบร้อยทุกอย่างคนที่มีโอเบย์ขาเราต้องทำนี้ได้เจ้าค่ะดีเจ้าค่ะก็เราก็เจริญเหมือนมรณานุสติตลอดเวลาอย่างนี้ ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ประมาทด้วยใช่ไหมคะชาชามันก็มีการเตือนใจว่านั่นนะชีวิตเรามันต้องมีวันสิ้นสุดน้องนี่ก็เตรียมตัวเตรียมใจรับปรับความจริงอันะะนี้จะเจริญแบบไห น, นจเจริญแบบว่าเราอย่างเาจะตายแต่อย่างอีกสิบปียี่สิบปีอันนี้มันก็ประมาทมันก็อยางตายไป อาจจะเจริญมาจริงๆมันน่าจะเจริว่าหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตาย <S <S <S หายใจออก <S <S ถาไหายใจเข้าก็ตายต้องเจริญแบบนี้มันถึงจะปัจจุบันทันด่วนเพราะไม่มีใครรู้มันอาจจะหัวใจวายตอนนี้เลยก็ได้เนาะค่ะแล้วเกิดจนเข้ามาป้อนบ้านยิงเราตูางตามขึ้นมาน จะเลยกำหนดว่าอีกสิบปียี่สิบปีเราจะตายยุเจ็ดสิบแปดสิบนี่มันกำหนดแบบนี้มันก็แสดงว่ามันมันไกลไปถ้าเจริญมานานแล้วสติต้ามเจริญว่าอาจจะตายตอนนี้ก็ได้นะะโอเคจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณพระคุณเจ้าค่ะโอเคท่านบุดีตาเชิญอยากขอธอมะเหมือนกันใช่ไหม วันนี้หนูเข้ามาฟังเฉยๆค่ะอ่าไม่เข้าภาษาอังกฤษแล้วนะเปลียนเป็นภาษาไทยบ้างนะออดีหนูว่าช่วงนี้หนูหนึกคำถามไม่ใคร อ, ออกแต่หนูมาฟังเฉยๆนะคะโอเคคุณแนนตอคุณแนนจยากดอ น, ก, นาการรักการนะคะอันนี้ไม่มีคําถามค่ะโอเคไม่มีเดิน ไ, ไปที่คุณแม่ชีโยกมแม่ชีโยกอยา ก, ยากเรียน กาบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้หนูมารายงานความคืบหน้าค่ะก็หลังที่นี่เป็นที่ถามคำถามมากว่าเป็นที่รายงานก็คือหลังจากที่หนูได้แนวทางจากหลวงพ่อค่ะวันสัปดาห์ที่แล้ว่ค่ะว่าให้ใจวางใจเฉยๆคือไม่ทุกข์จากการดูแลสุนัขที่ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากคืนนั้นมันก็มีความสุขนะคะพอได้แนวทางมันก็ไม่ง่วงเลยทั้งๆที่ก่อนหน้าหนูไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็แปลก แล้วก็ไปดูแลเขาไปป้อนน้ําป้อนนมไปพลิกตัวแบบแบบเราไม่ทุกข์ค่ะแต่พอวันรุ่งขึ้นพอร่างกายมันเริ่มเหนื่อยมันก็เริ่มทุกข์แล้วเขาก็เหมือนงองแงหนักเอาแต่ใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะความหุดหิดมันเพิ่มมากขึ้นมันก็ตะบะแตกหรืออะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายหนูก็เผลอเอาพัดตีตีเขาไปอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็มารู้ตัวว่าเนี่ยหนูทําตามอารมณ์ทําตามโทสะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ทําเสร็จแล้วหนูก็มาทุกข์จาก จากเป้าหมายที่หนูตั้งไว้ว่าหนูต้องวางใจให้สงบให้ได้ให้เฉยให้ได้จากการดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนบีบคั้นตัวเองมันทําให้หนูทุกข์อยู่สองวันนะคะจนหนูอยู่กับความสงบได้แล้วอยู่ๆหนูก็คิดขึ้นมาได้ว่าเหตุการณ์ตอนที่ลูกแมวขึ้นไปอยู่บนฝ้าของหนูแล้วหลวงพ่อให้บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้มันอยู่จนกว่ามันจะออกไปเองในตอนนั้นหนูใช้วิธีวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ ไม่ชอบแมวแม่ชีก็จะคอยอธิบายเหม๊มฉี่แมวแม่ชีก็จะแก้ให้ว่ากินฉี่แมวกินดอกไม้มันก็เหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเรามารู้ว่ามันอยู่ที่ใจเราคือความชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้แนวทางว่าอ๋องั้นเหตุการณ์นี้หนูจะไม่เร่งเร่งรัดตัวเองว่ามันจะจบเมื่อไหร่หรือใจหนูจะวางได้เมื่อไหร่แต่หนูจะใช้วิธีว่าแก้ปัญหาในวันต่อวันวางใจให้ได้เหมือนตอนเหตุการณ์แมวค่ะเพราะแมวเนี่ยหนูวางใจได้วันต่อวันจนสุดท้ายวันหนึ่งหนู เฉยๆกับกลิ่นแมวเรําคาญเสียงแมวมันก็ไม่มีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอเริ่มดูแลเขาบ่อยขึ้นมันเริ่มปวดหลังแล้วก็เล้าลงขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปถามหมอแม่เมียวหมอหมอก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะมันเรื่องการปวดหลังเนี่ยมันติดกับร่างกายเราไปตลอดให้ให้ระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอฟังตอนแรกก็กังวลนะคะหลวงพ่อแต่ว่า สักพักหนึ่งมันก็คิดได้ว่าช่างมันจะเป็นเรื่องของร่างกายถ้าเกิดเราต้องดูแลเขาแล้วเราต้องเจ็บป่วยจากการดูแลเขาถือว่าเราใช้นี่ให้คุ้มแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการคิดแบบเนี้ยมันเป็ น, นมันเป็ น, น, นปัญญาหนูกำลังจะถามหลวงพ่อว่าการคิดแบบนี้ยมันเป็นปัญญาไหมครัเพราะว่าเราเริ่มมีความกังวลเรื่องางายของเราเน่เป็นปัญญาการยอมรับสภาพของร่างกายว่ามันต้องเจ็บต้องตาย ถึงแม้วันนี้หนูยังวางใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันเบาขึ้นแล้วมันก็เหมือนเตือนตัวเองว่าวันต่อวันพยายามสมาธิมันแล้วมันจะวางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มจะฝึกสมาธิให้มากมากค่ะก็พยายามค่ะแต่เพราะแล้วมันพอวิจารณาปัญญามันสามารถวางใจได้อย่างง่ายได้ค่ะแต่การที่หนูเคลียรถ้าไม่มีสมาธินี่ถึงแม้เราจะใช้เหตุผลใช้ปัญญา แต่ใจมันก็ยังเกลียดมันความอยูงไม่ยอมนะค่ะแต่ว่าบางที ม, มันก็ใช้เวลาอย่างเดียวแล้วไม่มีสมาธิมันจะไม่ ค, ค่อยได้ผลเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามันเร่งรัดตัวเองไงคะเพราะว่าอยากสงบเร็วๆแต่พอเริ่มจะนั่งเขาร้องมันก็วางอุเบกขาไม่ได้ก็ต้องรีบไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วแตหนูก็ได้บทเรียนนะคะว่า เหตุการครั้งนี้ยบทเรียนครั้งนี้หนูคิดว่าถ้าหนูรวยหนูไปจ้างเขาเลี้ยงหนูไม่ต้องลําบากเองเนี่ยหนูจะไม่ได้เรียนรู mm> ้ความทุกข์จากเรื่องนี้อะไรอย่างเนี้ยค่ะอ่าก็ค่ะก็มีเรื่องรายงานหลวงพ่อเป็นเท่านี้ค่ะแล้วก็กลาวขอขอบคุณหลวงพ่อค่ะเรื่องที่หนูควจะทําให้มากก็คือสมาธิค่ะปัญญาอย่างเดียวไม่พอมันเป็นแค่จิตตาไมยะปัญญาค่ะไม่เป็นภาวนาไมยะปัญญาค่ะเพราะมันขาดภาวนาคือสั้น สมาธิสมาถิภาวนาค่ะใายค่ะแต่พอพรอคุณหลวงพ่อค่ะมันจะเป็นเหตุเป็นผลในจิตที่มีกิเลสมันก็ยังไม่ยอมรับค่ะมันก็จะต้านกันก็จะสู้กันแต่สังเกตว่าแรงแรงแรงแรงของฝ่ายที่จะสงบมันก็มีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ดีไดมาถูกแนวทางแล้วนี่กลัจะเสรแสรวไม่ฟังได้ค่ะแล้วก็ค่ะค่ะสมาธิไม่เคยพูดเรื่องสมาธิให้ฟังเลย ค่ะพราหนูเข้าใจคิดว่าค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็มีเท่านี้ค่ะเรื่องที่จะรายงานความคืบหน้ามันเหมือนกับว่าหนูรู้แนวทางแล้วหนูก็จะมารายงานว่าระหว่างทางนเจออะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรเนี้ยค่ะก็มีเท่านี้ค่ะหลวงพ่อกราบขอพระคุณหลวงพ่อค่ะแล้วก็กราบขอพระคุณที่หลวงพ่อเมตตาส่งอาหารให้ทุกวันค่ ะ, ะคุณมาดีเชิญต่อคุนมาดี อ่าไม่ได้ยินเสียงเลยกับนวัตส ก, การอ <บ au S 1> ์อกเบามากเสียงเบามากได้ยินไหมคะอ่าดีขึ้นหน่อยค่ะของพ่อพอดีวันนี้หนูไปทํางานที่บริษัทวันแรกค่ะวันนี้แล้วก็กลับมาหนูก็คือจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีคําถามอะไรมากค่ะแต่ว่าจะถามเรื่องที่ปฏิบัติค่ะหลวงพ่อ เอออย่างอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะหนูปฏิบัติตั้งแต่สองโมงครึ่งถึงสี่โมงรวดเดียวแล้วก็พักแล้วก็มาต่อมาต่อช่วงช่วงเย็นอีกค่ะหลวงพ่อทีนี้ช่วงที่ปฏิบัติชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยค่ะมันมันรู้สึกว่ามันไม่ได้สุขแล้วก็มันไม่ได้ทุกข์ว่ะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้เวทนาอะไรมากมายคืออยู่อยู่กับการปฏิบัติได้จะถามหลวงพ่อว่าเออการปฏิบัติแบบเนี้ย โดยที่มันจิตมันไม่ได้สุขมากแล้วก็คือหมายถึงว่ามันไม่ได้รวมเต็มที่อย่างนี้มันมันจะมีประโยชน์ไหมคะมันจะพอเป็นประโยชน์เพื่อให้เราไปถึงจุดหมายได้ไหมคะถ้าเราสะสมแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันต้องได้สุขเต็มที่น้วต้องสงบเต็มที่ถึงจะสามารถที่จะตัดได้เต็มที่ถ้ามันยังไม่สงบเต็มที่มันตัดไม่ได้เต็มที่ มันมันเหมือนว่าถ้ามันเหมือนเราเก็บแต้มได้เล็กน้อยอย่างนี้หรือเปล่าคะหลวงพ่อคือเก็บแต้มอะไรเหรอเก็บแต้มของสมาธิมันก็ต้องเก็บไปจนกว่ามันจะสงบเต็มที่ต้องทําไม่ใช่เชาแต่แค่นี้เท่านั้นแล้วจะพอไม่พอต้องทำให้มันสงบให้เต็มที่ให้ได้ก็คือพอพอประมาณผ่านไปถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันมันถอนออกมาค่ะหลวงพ่อ แต่ถ้าเกิดมันไม่รวมแล้วถ้าเกิดเราเราแบบเรานั่งต่อไปอย่างเงี้ยมันแ้่มันนั่งแล้วมันเน่งจิตมันไม่ปรุงแต่งแล้วมันมีภามสบายก็ถือว่าใช้ได้มันมันลวดเดียวไปเลยค่ะหลวงพ่อซึ่งซึ่งปกติแบบมันเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยแต่ว่าเราดูเวลาแล้วมันก็นานๆเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ถึงจุดที่ว่า เราเรารู้เฉยๆเหมือนที่เคยที่เคยเคยประสบมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันไม่ได้แบบนั้นทุกครั้งค่ะเหมือนมันยังไปมันยังดิ้นอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมันยังนิ่งมันยังนิ่งแบบแต่มันยังยังไม่สุดเหมือนที่เคยก็ก็ดูลมต่อไปทุกคนโต่อไปนะ่นเ ก็คือนั่งนั่งไปจนกว่ามันจะไปถึงจุดหมายหระคะแล้วถ้ามันยังไม่ถึงจุดหมายก็ดูลงไปพุทโธไปอย่าหยุดถ้าหยุดมันก็เหมือนกับขับรถแล้วปวยคันเล่งรถรถรถมันก็จะไม่วิ่งต่อไปเมอเหยียบคันเร่งไปด้ื่อยๆรมันถึจะวิ่งต่อไปได้การดูรวมการพุทโธนี้เป็นการเจริญสติให้มันดันจิตให้เข้าเข้าเข้าไปข้างในเรื่อย แล้วพอหนูนึกถึงที่หลวงพ่อบอกว่าพอไปถึงจุดที่มันไปตกลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สงบนิ่งไปแต่ว่ามันยังสุขไม่เยอะอะค่ะในความรู้สึกหนูค่ะมันก็ไม่เป็นไรมันความสงบนี้มันอาจจะมันเฉยอะค่ะหลวงพ่อก็มันถ้ามันนิ่งเฉยมันสงบมันสบายก็ใช้ได้ไม่คิดปรุงแต่งอยู่เฉยเฉยได้ค่ะไม่เดร้อน ค่ะไม่ไม่ได้ดินน้นรนหรือว่าไม่ได้สุขมากไม่ได้ทุกอะไรคือมันกลางๆอ่ะค่ะหลวงพอ่อเนยก็เลยสงสัยว่าเออแล้วมันจะพอเป็นประโยชน์ไหมถ้าเราปฏิบัติแบบเนี้ยก็ลองดูมาใช้กับปัญญาีน้หรือว่าจะตัดได้เร็วไหมจะตรงได้เร็ว ไ, ได้ง่ายไหมค่ะหลวงพอ่อมาที่มีไว้เพื่อมาช่วยปัญญาตรง ปัญญาจะบอกว่าอ่านี่คุณกําลังยึดติดกับสิ่งนี้นะคุณปล่อยได้ไหมแล้วมันมีสมาธิเขาปล่อยได้ไหมถ้าปัญญาบอกยึดเลิกทุกข์นะถ้าปล่อยแล้วจะสบาย่ปล่อยได้หรือเปล่าหนูพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยมันถือว่าเป็นปัญญาไหมอย่างวันเนี้ยหนูไปไปที่ทํางานนะทีเนี้ยมันจะมีคนที่ร่วมงานกับหนูว่าเขา เขาเหมือนเขาแอนตี้เขาไม่ชอบเขาพยายามกันเรื่องงานเราอะไรทุกอย่างเนี้ยสารแล้วเสร็จแล้วเขาบางอื่นเขาสอบไม่ผ่านแล้วทีเนี้ยชื่อเขาก็ขึ้นขึ้นประกาศว่าเขาสอบไม่ผ่านเขาก็ยอมมาถามหนูว่าเออจําข้อสอบได้ไหมจําคําตอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาขอรอกเขาขอจดอะไรเนี้ยค่ะซึ่ง อีกใจหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราโกรธเขาเราก็ต้องไม่ช่วยไม่อะไรเงี้ยซึ่งในใจหนูมันไม่มีตรงนั้นหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอขอดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็บอกเขาไปแต่แต่อย่างเงี้ยถือว่าเราโง่ไหมคะเราเราก็อยู่ที่ว่าเราให้เขาได้ดดดดดรเึรเป่ามันผิดกฎหมายรึเปล่าผิดกฎผิดระเบียบอะไรรึเปล่าคือเขาเขาทำไปแล้วมันผิดกฎผิดระเบียบล้วก็ต้องไม่ทํา มันไม่เกี่ยวกับข่าเราโการธเขาแร้วไม่โกรธเขามันต้องดูว่ามันผิดศีลธรรมหรือเปล่าคือเขามาถามเรื่องเรื่องเรื่องสอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็บอกบอกเขาไปแต่หนูก็บอกว่าข้อสอบมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็บอกเขาประมาณเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อก็แล้วแต่ที่พูดเนี้ยคือล้วมันมันถูกก็ผิดอ่ะที่จะไปบอกเขาเนี้ยจริงๆมันจริงๆหนูก็ว่ามันไม่ควรแต่ว่า ไม่เกลัว<ข>แล้วไมท<บ>ไมําไยทำไมแสดงว่ายังมีกิเลสอมีคติยังกลัวเขาจะชังเราหนูก็กลัวเขาไม่ผ่านนะคะหลวงพ่อมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะผ่านไม่ผ่าน <S <S เขาทดสอบเพือ่อจะทดสอบความรู้แล้วเราไปไปเอาคําตอบให้เขาไว้ก่อน<ม>เขาก็ไม่มีความรู้เขา เขาคือจริงๆแล้วอ่ะเขาสอบเขาเป็นระดับปอจต่หนูเป็นลูกน้องหนูก็ไม่รู้ไปเข้าไปเข้าวิชานี้ไปแล้วปรากฏว่ามันผ่านมันได้ร้อยคะแนนอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เขาอ่ะเขามาเดินเขาเขาเขามาเดินว่ามาเดินตําหนิหนูว่าไปทําทําไมอะไรเงี้ยซึ่งหนูไม่ได้ไม่ได้ไปดูเงื่อนไขตรงนั้นว่าคนที่จะเข้าไปทําแล้วบังเอิญหนูก็ ไม่ได้ดูหนูก็เลยทําไปแล้วก็สอบแล้วปรากฏว่าเขาสอบไม่ผ่านเหมือนเหมือนโดนประจานแล้วเขาก็ต้องมีการให้แก้ตัวค่ะเขาให้มาสอบใหม่แล้วเสร็จแล้วทีนี้ยเขาก็รีลๆรอๆจดๆจ้องๆคือแบบมาแบบแปลกๆเราเราก็ว่เอ๊ะทาไมเขาจะกล้าเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วเขาก็เลยมาถามหนูก็เลยก็เคยอั้มอึ้งไปว่าเออจะตอบยายหนูคิดว่าเออหนูจําไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็บอกว่าให้ดูดูให้เขาอะไรเงี้ยหนูก็เหมือนแบบคือเขามามายืนประกบหนูหนูก็เลยจําเป็นพี่ก็คือบอกเขาไปโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้เครือว่าเออฉันไม่ช่วยเธอนะหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊อเราในใจหนูไม่ได้คิดเครืองโกรธเขาที่เขาไม่ชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเขามาขอความช่วยเหลือคือบริ ษ, ษัทให้โอกาสเขาหนูก็เลยคิดแบบเนี้ยหนูก็เลยช่วยเขาไปอ่ะค่ะหลวงพ่อ แต่ว่าคนอื่นน่ะเขามองว่าหนูไปช่วยเขาทําไมเขาทําอะไรตั้งหลายอย่างอะไรเงี้ยคือใจหนูไม่ได้ไปเคืองไปขุนเข า, า, าอะค่ะหลวงพ่อก็ถือว่าไม่ไม่ไม่กดเครื่องกัน ค, ค่ะหลวงพ่อก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกันถดอว่าเป็นการกระทําผิดทางกฎหมาย้วยทางศีลธรรมก็ยินดีอันนี้ก็หนูก็ไม่ได้คิด ตรงข้อเนี้ยค่ะหนูไม่ได้คิดไม่คิดเลยไม่คิดไม่ไม่ได้คิดมันต้องรู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดหรถูกนะนเราจะทำอะไรก่อนจะคิดไม่คิดไม่ก็ต้องรู้อยู่แล้วหนูคิดแค่ว่าเออเขาสอบไม่ผ่านเขาเขาต้องดิ้นรนนะว่าคือบริษัทให้โอกาสอะไรเงี้ยหนูคิดแค่ตรงนี้ไงแต่หนูไม่ได้คิดว่าเออมันคนก็เป็นปัญญาไม่รอบคอบอะไรแบนปัญญาขึ้นเดียว เนี่ยหนูก็เลยพอหนูกลับมาบ้านแล้วหนูบอกปัญญาครึ่งใบเท่าหวยก็ถูกรางวัลครึ่งครึ่งครึ่งเดียวพอ <c oughs> พอทําไปแล้วอุ้งตายแล้วเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเราไปส่งเสริมให้เขาไปหลอกอีกอย่างเงี้ยหนูก็ไใจมังก็บอกเออสงสารเขาเข้าสามาขอให้เราช่วยแล้วยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่าหนูก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พอทําไปแล้วอา้าวทำไมคิดคิดแล้ว คือใจหนึ่งอะเราไม่ได้โกรธเขาเราก็ช่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกเขาานั้นก็ดีแต่อีกใจหนึ่งเขาไปทําความผิดนั้นนี่มันก็ไม่ดีหนูไม่ได้เจตนาหรอเจตนาไม่เจตนามันก็ผิดนใช่ค่ะแต่แต่หนูไม่ได้ทำแบบเขาเขาเข า, าตรวจสอบได้นะี่เขาจะเขาจะเราจะไปบอกเขาไม่มีเจตนาเขาจะเขาจะยกโทษให้เราป<ห>ล่าแต่ถ้าเกิเขาสอบวินัยเราเย่างี้ เขาเขามาถามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่างุ๊บมิมาถามนะคะหลวงพอ่อเขาก็ถามต่อหน้าคนเยอะๆอะคะ่ะหนูก็ตอบต่อหน้าคนที่เขานั่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อคือคือถ้าหนูไม่ไม่บอกเขาไม่ช่วยเขาอะ่ะเขาก็จะเหมือนแบบเขาก็จะมาเล่นงานหนูอีกอะไรเงี้ยคือเขาเป็นหัวหน้าอย่าเงี้ยก็หนูสามารถที่จะยืนยนเอ่ยืดเวลาตอบได้นะว่าขอให้หนูไปคิดก่อนไปพิจารณาก่อน เขามายืนประกบอยู่ข้างๆมาเล่นก็ั่เขาบอกเขาไปว่าตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่มีข้อมูลให้หนูเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วหนูหอแล้วเขามาเขาม่เฝ้าหนูแสดงว่าเราจบความกลัวเข้าเงาใจเรยไม่ใช่ความที่ให้ไม่ได้ให้เพราะความเมตตาแล้วไม่กดเขาให้เขามพากลัวอำนาจของเขามากกว่า ใจหนึ่งก็อยากช่วยเขาว่าเออเขาไม่ผ่านเพราะว่าเขาบังคับว่าจะต้องแก้ตัวให้ผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อและอีกใจหนึ่งอะเดี๋ยวไม่ช่วยเขาก็จะหาว่าอขอมีเรื่องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้ทีแล้วไปข่มอะไรอย่างเงี้ยใจมันก็คิดแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อห น, นูก็เลยเป็นคนประเด็นคนละประเด็นกันทจะช่วยไม่ช่วยเนียอยากจะช่วยแต่มันช่วยไม่ได้อย่างนั้นถ้าต้องไปช่วยเขาค่าคนอื่อนเขาให้ค่าเขาเราจะช่วยนะ ไม่ไม่เนี่ยวันเนี้ยวันนี้วันนี้ผิดพลาดแล้วค่ะหลวงพ่อพอทำไปแล้วตายแล้วคีขึ้นมาแล้วแบบโอ๊ยไม่สบายใจเลยอะค่ะหลวงพ่อวันเนี้ยก็ได้ข้อสรุปแล้วมามันผิดใช่ไมันถึงไม่สบายใจค่ะหลวงพ่อวันนี้ไม่ยอมรับผิดก็รับการว่าขราต่อไปจะจะทําอะไรต้องคิดให้รอบครอบก่นค่ะหลวงพ่อพยายามไปแล้วค่ะ เอามาเป็นบลีนะแต่เราจะย้อนกลับไปแก้มันไม่ได้นะลบมันไม่ได้นะก็แสดงว่าปัญญาเรายังไม่รอบคอบค่ะหลวงพ่อมันมันคิดข้างหน้านิดคิดด้านเดียวค่ะหลวงพ่อมันมีหลายมิติหลายมุมที่เราจะต้องคิดถ้าเป็นปัญญาต้องคิดหลายหลายประเด็นด้วยกันที่มัเกี่ยวข้องกันค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกผิดมากเลยค่ะหลวงพ่อ โอเคนะมีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะเดี๋ยววันนี้หนูไปปฏิบัติใช้ชนใช้กับหนูพอก่อนจะพูดคิดถึงข้าความก่อนจะพูดก่อนจะทํำองไงคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาคิดถึงคิดถึงหลักธรรมคิดถึงศีลละธรรมคิดถึงกฎหมายคิดถึงอะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนว่ามันผิดได้เรื่อมันถูกค่ะหนูพ่อปับข้อก็คุณหนูพ่อมากโอเค ไปที่ท่านตอบไปคุณฝันนะคุณฝันอาจารย์ทราบอยู่ที่ไหนคุณฝันนำ้ำปการพระอาจารย์เจ้าค่ะปากาลิโกเจ้าค่ะอยู่อยู่ที่ไหนสมุปการเจ้าค่ะเห็นเห็นฝากสซบาอยู่เรื่อยๆ่อเนี่ยใช่เจ้าค่ะป่ก<ช>กาลิโกตั้งใจจะทมค่ะวันนี้เข้ามาถามคําถามเจ้าค่ะแต่ว่าถามแทนญาติผู้ใหญ่ แต่ว่าพ้าโยมก็ยังฟังอยู่ทุกทุกวันนะคะตื่นเช้าก็ดูไอจีก่อนเลยแล้วก็ก็ฟังตอนบสองค่ะขอซูมก็ฟังตลอดแต่วันนี้เข้ามาครั้งแรกขออนุญาตถามแทนญาติผู้ใหญ่ค่ะช่วงที่ท่านโคม่าค่ะพระอาจารย์ท่านเอ่อมีมีความฝันว่าได้ไปที่เมืองร้างมาแล้วที่เมืองนั้นก็มีคนที่แบบยากลำบากมากๆท่านก็บอกเขาว่าเดี๋ยวถ้าได้กลับไปท่านจะทาบุญส่งกลับมาให้ ก็พอกลับมาอาการดีขึ้นท่านก็ทํามาตลอดนะเจ้าค่ะรวมถึงเนี่ยค่ะโยมก็ถึงได้ชวนท่านท่านใส่บาตรพระอาจารย์ตอนเช้าด้วยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าท่านก็ยังรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันไม่หลุดอ่ะค่ะก็ยังกังวลอยู่ตลอดไม่รู้ว่าตัวเองทำบุญให้ไปส่งไปให้อะพอไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ตอนนี้ก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์หนักขึ้นมาอีกค่ะ โยมไม่รู้จะช่วยท่านยังไงก็เลยมาขอคุยกับพี่ๆในกลุ่มมคาริโกแล้วว่ามาขอเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชีย้แนะแท่านท่านที่ว่าทำให้พรอว่าทําให้มากขึ้นทําโดยการอย่างซ้าทำบุญใส่บาตรเยอะๆหรือไปทํหลายๆอย่างนะคะหลอย่างก็ได้ก็ใมันเป็นการบารบิจาคทรัพย์ขอาไปในรูปแบบต่างๆได้เพราะว่าทําเหมือนหนึ่งรู้สึกวันมันนแย่พอว่าเราทําทักแสนถ้าเรามีกําลังที่จะทําได้พบางทีความกิวตี้มันมันมัน มันมันจะค้อนทำให้เราไม่สบายใจไว้ความดีเราทําได้มากอันนี้ทําไมเราไม่ทำนะอ๋อเจ้าค่ะใช่เข้านะใจไหมเขาลองทําให้มันสุดๆดูเลยดูแล้ามันจะรู้สึกยังไงวนะ่าเราเวลาได้ทําแด้มากๆขั้นหนึ่งนี่มันจะรู้สึกมันเบาใจสบายใจนะเพราะเราขอบใจเลยเราทําเต็มที่ของเราแล้วเราทําสุดเหสียแล้ว ในลักษณะนี้มันเป็นบุญอุทิศไหมเจ้าคะเราควรจะทํากับกับก็สงฆ์ไหมเจ้าคะก็ทํากับก็สงฆ์ทำกับโรงพยาบาลทำกับที่ไหนก็ได้ที่เขาเดือดร้อนช่วยคนที่เดือดร้อนด้วยแล้วช่วยดวงวิญญาณที่เดือดร้อนด้วยไปพร้อมๆกันได้เจ้าค่ะได้สองเด้งได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะสาทุเจ้าค่ะไหนก็เดือดร้อนไปทำที่นั่นคยอดๆปกติเราชาวพุทธก็ต้องไปที่วัดก่อนถ้าวัดเดือดร้อนก็ต้องไปทําที่วัดก่อ ใช่เจ้าค่ะแตถ้าว่าไม่เดือดร้อนแล้วก็ไปทําที่เขาเดือดร้อนก่อนตอนนี้พวกคนป่วยโควิดอะไรคนที่เนี่ยเขาก็เดือดร้อนกันท่านท่านตอนแรกๆที่ออกจากโรงพยาบาลมาท่านก็เนี่ยค่บริจาคเครื่องมือเยอะมากเลยแล้วก็เนียตอนนี้ก็เลยมาเป็นเป็นบุญก็ลองทําทำกับคนดูเลยแจกอาหารแจกข้าวสารของแห้งอะไรนะต่างๆคนยากไร้คนจนที่ไม่มีอาหารการกินได้เจ้าค่ะมันจะแจกเงินให้เขาคนละห้าร้อยคนอะไรก็ได้ ได้เจ้าค่ะถ้ามีกำลังที่จะทําได้มีเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะ ม, มันช่วยคนมันยันไปทําความประทับใจมากกว่าไปซื้อของเครื่องม้เครื่องมือแ ล, แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้หรือไม่ช่วยใครได้มากหรือน้อยเป็นไรเจ้าค่ะถ้าเราทําการแจกของเครื่องใช้ไม้สอยหรืออาหารการกิงนประจัย คนอดอยากขาดแคลนอะไรนี้ได้ช่วยครับเมื่อไปสอสแสลาดูให้ส่งให้ส่งนังสือไปดูว่าที่ไหนก็เดือดร้อนกันอไนได้ันขาะมีอะไรถ้าเราทําำเราเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการทําพำขงเรามันก็จะอิ่ใจสุขใจกั้นมอเจ้าค่ะแล้วเราก็ อ, อุทิศบุญที่อิ่ใจสุขใจให้กับผู้ที่รอคอยอยู่ในโลกทิพย์ได้อีกส่วนเจ้าค่ะเจ้าค่ะชัดเจนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เก่าขอพ่อคุณค่ะแต่อย่าทำเกินตัวนะอย่าไปกู้ที่ยืนสินอย่าไปชวนกันนั้นคนนี้ไปบังคับคนนั้นคนนี้มาร่วมอันนี้มันไม่ใช่เงินของเรานะี่เจ้าค่ะมันจะจํานวนอะ ย, ยอดมันจะเพิ่มมากเพียงแต่มันไม่ได้เพิ่มจากการเสียสลาของเราอ๋อเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะจะบอกจะบอกให้ท่านใช้ทรัพย์ของท่านจ้ะค่ะแต่ถ้าคนอื่นเขาขอร่วมได้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะแลบางทีก็อยากจะร่วมด้วยเพราะบางทีเขาทำคนเดียวไม่รู้สึกน้อย ไปร่วมกับคนที่ทำได้เยอะดีปะ่เะ ji, รเราก็ถ้าคนเนตเขารู้ว่าเราว่าเราจะทำอย่างไกไปปฏิเสธจกไปกั้นข ube, เขาเราขอร่วมด้วยก็ให้เขาร่วมด้วยแต่มันเป็นรูปของเขาไม่ใช่เป็นของเราตงให้เข้าใจไหยค่ะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะนีระร่คุณทั้งหมดได้ต่ า, างได้ราบสติสัมมาสักการเจ้าค่ะข่าวอขาจารย์ อ๋อหนูมีคําถามค่ะถ้าถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ไม่ได้ทําสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเกิดความทุกข์แล้วเขาใช้พุทโธทโทโจนจนเขาบอกว่าความคิดเนี้ยอันนั้นอะหายไปได้คือเขามีสติใช่ไหมคะใช่มีสติค่ะ<ถ><ต>ก้เนขาถ้าเ ข, าาเขามีสมาธิบางทีเขาก็จะไม่ทุกข์เลยอ่าเขายังไม่ทำ ก็ไเป็นไรก็ทําใช่อันนี้ก็ต้องฝึกสติไปก่อนเดี๋ยวกลัไปต่อไปเขาพอมีสติเขาเขจะนั่งได้ที่เขาไม่ทำเพราะมันนั่งแล้วมันอึดัดมันทํางแล้วมันนั่งไม่ได้เพราะสติยังมียังมีน้อยดิเลตมันความอยากที่จะทํานู่นทานี่มันมากกว่ามันเลยทําให้เวลาจะนั่งแต่ละครั้งรู้สึกว่ามันลาบากยากเย็นนึกเกอนเราให้ฝึกสติไปเยอะๆฝึกไปเรื่อยๆ อันนี้สติมันมีกำลังมากฝ่ายต่อต้านมันก็กำลังมันก็จะน้อยลงไปแล้วต่อไปก็จะนั่งแบบเราเร า, เรานั่งมีสบายเลยนะ ไ, ไม่รู้สึกมีใครต่อต้านมีก็ไม่อยู่มันไปเลยค่ะออที่นะนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมเป็นไรค่ะแต่ว่าเหมือนแฟนเขาเขาคิดว่าเขาติดโควิดแล้วเขาก็เลยเขากังวลดีแล้ว ต, ต้อง ม, ตองมีต้องมีทุกคนเข้<อ>ามาทำมากกัน หนูยู่สีนแปดอยู่ข้างบนแล้วเขาก็เลยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าหนูเคยบอกว่าบอกให้พูทโธพุทโทเขาพุทโธพุทโธไปเรื่อยแล้วเขาบอกเขามาเล่าอยู่วันเขามาเล่าว่าโทษความคิดเขาหายไปเลยเขาได้ทิกแล้วเขาบอกงี้เขาได้ทิกแล้วเขาจะคุณค่าของพุทโธแล้วเขาอาจะอยากจะซ้อมฝึกให้มากขึ้นก็ได้ต่อกไปเขาไม่จะนั่งได้ขอบพระอาจารย์ต้องบอกมีปัญญาบอกเกิน เราไปพับทุกคนถึงจะรู้ว่าโอวิธีแก้พับต้องนี้แก้ด้วยกา ร, รกบริกรรมพุทธโธนี่ค่ะ อ, อยู่คนเดียวเลยทุ้งร้าก็เลยกิด ด, ด, ดีอยู่คนเดียวจะได้รู้สึกตื่นตัวเอง อ, อยู่กับคนอื่นคนอื่นว่าไปหาเท้าไปน้องป่วยทุ่งไหนให้มาเป็นเพื่อน <c oughs> แก้เงาแก้ทุบไปไม่ใช่เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องต้องแก้ด้วยตัวเราเองเพราะคนอื่นไม่ไม่อยู่กับเราไปตลอดเสมอใช่ไหมค่ะอาจารย์ เวลาเขาไม่อยู่แล้วเราทุกข์าจะทำยังไงถ้าเราไม่รู้จักพึ่งตนเองเนี่ยพระจ้ า, จาให้พึ่งตนเองอัตตาอิอัตโนนาโตตนเป็นที่พึ่งของตอนเพราะตอนอยู่กับตอนอยู่กับตนตลอดเวลาไม่มีการพลาดจากอะไรตัวเราเนี่ไม่ได้พาดจากตัวเราไปค่ะแต่คนหนึ่งที่เราพึ่ง น, นี่เดี๋ยวเขาก็จากเราไปวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนาึ่งชั่วคราวหรือถาวรก็สุดแท้แต่ แต่ต้องมีการจัดไม่สามารถจะอยู่เป็นบาต้มโขลไปได้ตลอดค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะได้ไปบอกเขาเออพึ่งตัวเองนะจะได้จะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่ต้องการนีต้องการที่พึ่งว่าเราเพึ่งตัวเองได้ไม่ต้อพึ่งคนอื่นแต่คนอื่ก็เพึ่งด้วยพึ่งในลักษณะแบบเป็นผู้สอน พวกเราขึ้นพระพุทธธรรมพระพสงนี้ก็เป็นลักษณะแบบท่านเป็นอาจารย์สอนวิธีให้เรารู้จักให้เรารู้จักวิธีขึ้นตนเอ ง, งค่ะพระอาจารย์พระธรรมไม่ไดโคบาอาจารย์สอนเราก็จะไม่รู้นะขึ้นแบบให้เขาบอกเราแล้วพอเรารู้ว่าเราก็ทําอะไรเราก็ไปทําพอเราทําได้แล้วทีนี้เราก็จะมีที่ขึ้นของเราเองที่เราก็ไม่ต้องไปขึ้นกูบาอาจารย์ไม่ต้องไปถามนะ ต่อไปก็ต่อไปก็ไปเป็นครูบ า, าอาจารย์ของคนอื่นต่อไปได้อันนี้อันนี้ถ้าแนะนําเขาก็คือบอกว่าถ้าเขาเกิดมีความคิดอะไรก็ให้เขาพูดโทบแบบที่เขาทำไปก่อน ถ, ถ, ถ, ถ้ามีความ ม, วา ม, มีความรู้สึกห ง, งุดหงไม่สบายใจอะไรเขาพูดโทบไปเลยเป็นเหมือนยาหมอกเดี๋ยวถ้าปวดอันออนี้ก็ทายาหมอกไปก่อนเดี๋ยวก็มีกําลังขึ้นมาเองเผื่อเขาอยากจะอัปเกรดค่ับอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะโอเคครับทุก คุัทพัฒน์เจอยากกอดธ ร, รมาค่ะนวัสการจะขว่าอาจารย์วันนี้รูปไม่มีคําถามเจ้าค่ะกลับมากับอาจารย์เจ้าค่ะค่ะคุณอ้อมจากหมอวินชนเรีนวัสการต่ออาจารย์ไม่มีคําถามค่ะคุณคาชิตต์อ์คาชิต์อยู่ที่ไหนจำไม่ได้ได้วันครับไต้วัน น, ะน้อมกามนวัตสการ อันนี้ใจวันหนาวไหนาวไหมอย่างก๊าลังกําลังยังครับยังร้อน ร, ร้อนยอย่ครับยร้อนยังไม่หนาวครับมีคําถามอะไรไหมก็ก็มีครับก็มีแบบเรานั่งไปนั่งนั่งไปแล้วก็มืดมืดมืดไปหมดครับแล้วก็หายใจไม่ออกเหมือนเดิมครับแล้แล้วแล้วผมก็กลัวว่าจะตายก็ออกมาเหมือนเดิม แล่นั่งยังไงนั่งเฉยเฉยไม่ได้นะเวลานั่งต้องพุทโธต้อดูลงไปถ้านั่งเฉยเฉยไม่ก็อาจจะเกิดอาการอะไรต่างๆ่ขึ้นมาอย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งหลับตาเฉยนั่งเาต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธต้องดูลมหายใจเข้าออกถ้านั่งอย่างนี้เราปลอดภัยจะไม่มีอาการต่างต่างปรากฏขึ้นมาครับเพราะนั่งพุทโธพุทโธไปพวกนี้พุทโธหมดพุทโธหมดแล้วก็กลายเป็นนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไปแล้วก็มืด ถ้ามันไม่ถ้ามันก็พูดโทรก็พูดโทรใหม่เลยถ้ามันมีอาการขึ้นมาก็พูดโทรต่อเอาจารย์วันจิตมันยังไม่สงบจิตมันยังดิ้นไปถึงตรงนี้ผมก็ต้องออกมาเพราะว่าเพราะว่าก็ก็พูดโทรต่อไปนั่นเองมันเป็นอาการหลอกเราไม่มันมันก็ยังหายใจอยู่แล้วแหละถ้าเราพูดโทรต่อไปนะ เวลานั่งต้องยิ้มบีพุโทโธก็มีลมหายใจยกเว้นเวลาจิตมันนิ่งสงบแล้วไม่มีอาการอะไรต่างๆปรากฏข้็ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลงก็ได้แต่ถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมานี่แสดงว่ามันนั่งไม่นิ่นงเะาก็กลับมาดูลงต่อแล้วพุโทโธต่อครัเนื่องนั่งเฉยๆนั่งเฉ ย, เ ย, เยๆแล้วจิตมันจะหลอกเราอันนี้นมันฆ่าการในต่างมาหลอกเรา <Okay. S 2> ขอบคุณอาครับครจากนยอ ค, ยคนรสเก่านมัส ก, การระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคาถามเจ้าขาโอเคเดีย๋ยวไปที่คุณธนพรต่อธนพรกับแฟนไม่ทราบแฟนชื่ออะไรนียหมดแล้วน้ัง ก, การเจ้า่าชื่อปลาเจ้า่ะปลาเหรอเป็นปลาทองนี่นะเ <c oughs> ขาชื่อปวีณยครับก็ไรเลยเียรีนะ สนใจมาป่าครับค่ะก็จะไม่มีไม่มีคําถามแต่ว่าลาวันนี้หลาไปอะเข้ากรรมฐานเหรอจ้าคะอ่าไปอยู่บนเขาสิบวันเนาะอือครับค่ะสุดเจาะวันที่สี่ทาไม่ถึงนใช่ครับครับก็ไม่กรรมฐานทำได้เจ็ดสองวันค่ะ ไม่มีคําถามครับวอาจารย์คือคอย่างที่กาบเรียนอยู่เรื่อยๆครับคือมันมันก็คลี่คลายของมันได้ได้ไปเรื่อยๆบางทีมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็เหมือนมันก็ ม, นมืนไม่ไมปทําอะไรทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปเลยครับครับมันไม่เทียงครับก็จําอย่างที่พระอาจารย์ได้สอนไว้ครั้งก่อนก็คื อ, คอให้มองว่ามันเป็นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามันเป็นส่วนที่เป็นกุศลแล้วก็ แล้วก็โอเคครับแล้วก็เดินไปต่อไปอย่างเงี้ยครับคื่อนไหนถ้ามันถ้ามันเป็นปัญหาเราแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็หมดไปครับที่ว่าเป็นเรื่องกุศลหรือหรือหรือเรื่องก็คืออย่างอย่างตัวอย่างอย่างนี้เลยครับเมื่อสักครู่นี้พอเริ่มเข้าสูมมันก็แบบเราก็พยายามจะไปเค้นว่าเอจะถามคําถามอะไรป้าอาจารย์ดิแต่ครั้นี้พอมันก็ขึ้นมาว่าอะ ถ้าเราไม่มีคําถามแล้วเราจะไปหาคําถามมาถามเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเหมือนกับว่าจะให้เห็นว่าเราเราเป็นอะไรหรืออะไรมีความเจ้าหน้าหรืออะไรอย่างนี้หล่ามันก็เป็นอกุศลไปเราก็ลกเลยเขาโอเคถ้าอย่างนี้เราก็เราก็มันนความอยากมันเป็นความอยากใช่ครับเราไปทำตามความจริงไม่ยด้ไปทำตามความอยากครับรร ม, รมีมททมมคามาํ า, าถามก็ถามถ้าไม่มีคําถามก็ไม่ถามครับไปเลยเนี่ อจจาจารย์เจ้าขาปมีคําถามนึงอะเจ้าค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วมันมีความเครียดอะค่ะเหมือนรู้สึกว่าอายิ่งปฏิบัติแล้วมันอกุศลเยอะขึ้นนะค่ะมันเครียดมันเหนื่อยแล้วก็เลยก็เลยบอกเขาว่าเราจะเหมือนจะขอถอยหลังกลับไปเหมือนยังไม่ปฏิบัติเหมือนเป็นคนโง่ๆใสๆจะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็หยุดปฏิบัติไป ได้วันสองวันนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายขึ้นนะคะก็บางครั้งมันบางทีกําลังเราไม่พอชมกิเลนไม่ไหวกิเลนมันก็เลยหลอกแล้วว่าไปผ้าฝันไปเวลาผนาใบก็สบายแน่นอนมันนั่งงัวอ่ะเวลาต่ยกันก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ว่าเปไปทางงมสะพานหนึ่งก็สบาย แต่ระว่ามันสบายจนกระทัางเดี๋ยวมันไม่อยากใจกลับขึ้นสู้ต่อะอืก็ก็บอกเขาว่าครับบอกว่าเออถจะถอยเดี๋ยวถอยเองเดี๋ยวมันจะถอยไปเรื่อยๆครับครับครับแค่ต้องก็มีบ้างขอนสั้นขอนยาวได้เป็นปกติถ้าเราตึ่นเกินไปมันก็อาจจะขาดได้เพระเจ้าบอกสายพินนิสถ้าขึ้นมันตึงเกินไปมันก็ขาดเนี่ยถ้ามันหย่อนินไปก็ดีไม่เรื่องฟังไม่ได้เรื่อง ถ้ามันพอดีไม่เต็มเกินไปไม่หย่อนเกินไปงั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเต็มก็ผ่อนคลายขึ้นหน่อยกลับมาชีวะถ้ามันผ่อนอย่างกระทั่รู้สึกว่ามันมันจกจะยืดยานแล้วมันไม่ไม่มีธรรมะเหลืออยู่ในใจแล้วนี่ก็แสดงว่ามันอาจจะมากไปละแล้วกลับมากลับมาที่ทานศีลภาวนาเนี่ยนะกลับกลับมาทําต่อ จะไม่ได้เต็มน้ อ, นกอยก็ยังมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ับได้ไม่ใช่ศูนย์ไปเลยแล้วก็ไม่อยากกลับมาเลยอ่คือบางทาีบางครั้งความขุนเขาของเขาก็เกิดจากเพื่อนเพื่อนนี่แหละครับในสายธรรมด้วยกันอย่างนี้นะครับก็นนบมันเป็ น, ปนจิตของเรา ม, มากกว่าที่ไปขุนเขาเองเราเราขาดสติขาดปัญญากิเลสมันออกมามันก็คิดเรื่องอกุศลมันก็ทำให้จิตใจ ถามีปัญญาเราเองก็มองเป็นตายรับไปถ้าเขาว่าเป็นเขาเขาจะดีจะชื่อเขาจะชอบเราไม่ชอบเราเขาจะแกล้งเราไม่แกล้งเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ที่แคนใจเราก็ไม่ขุดแต่ถ้าเปที่ตามกินอะไรว่าทําไมเขาเป็นอย่างนี้เขาทำไม่ดีกับเราอะไรอันนี้มันก็จะทําให้ใจขุดขึ้นมาที่เราคิดเป็นหรือเบล่าคิดเป็นทางปัญญาเป็นหรือเปล่ครับ น่ารู้สิกใจขุนถ้าคิดทางปัญญาไม่ได้ก็หยุดมันก่อนพูดโทรไปสวดมนต์ไปกะะ็ได้อิติปิโสสักร้อยจบรับรองได้มันคล้ายขุนดีครับดีกว่าหยุดเลิกเนอมันมันอาจจะกลับมาทำต่อยากขึ้ น, นถ้าเราแก้ปัญหาได้เราก็จะก้าวต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องถอยหลครับจริงเจ้าค่ะพระอาจารย์พูดหนูน้อมรับเลยเจ้าค่ะ นะยพยายามใช้ธรรมสนะสู้ดีกว่าถอยนะนี่คือมันติถ้าไม่อยาจะทำเนี่ยสวดวนไปก่อนนะพุโทโธไปก่อนนะไม่ว่าจะแก้ยังไงก็สวดพุทธท่องพุโทโธพุโทโธไปสักครึ่อชั่วโมงดูเลยอาการมันจะดีขึ้นเองอปกติก็จะฟังธรรมะเอะ่ทุกวันเมื่อวานนี้เลยฟังเพลงแทนจะ้ะนั่นนะนี่ิ่งไปใหญ่เดี๋ยวเขา้นธรรมก็เบื่อขึ้นไปก็ต้องหาอร่า ง, งทำต้ะงค่ะค่ะ เดี๋ยวไปกันใหญ่เลยต้องต้องคอยเกี่ยวๆไว้คอยเกี่ยวๆไว้ใช้สวดมนต์เนี่ยถ้าไม่จะทำเลยเขาสวดมนต์พุทโธไปก่อนครับสวดเอทิปิโสไปอายุเท่าไหร่ก็สวดตามอายุนี่ค่ะอย่างนี้ก็หมดคําถามแล้วคือสติแล้วอ่อนกําลังพ่เรนมันก็เลยมันก็เลยมีกําลังมากมันก็เลยร้าง ความกล ม, มัวในตาให้กับใจของเราแน้สติเรามีกําลังมากกว่ากิเลสกิเลสมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างความขล ม, มัวให้กับเราได้ใจเราก็จะใสใจเราก็จะโปรง่งจะเบาจะสบายอง่ายๆนะเนี้ ย, ยแต่ไม่ยอมทำเลยไปแก้วิธีอย่างเงี้ยไปเที่ยวดีกว่าไปช้อปปิ้งดีก่า ว่าอาจาก็คิดนะก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวสบายเดี๋ยวเดี๋ยวพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมเลยก็เขามาบอกว่านี่เธอเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าเขาก็เคยช่วงที่เราปฏิบัติบางทีมันคุนแล้วก็อยากจะไปเที่ยวบางทีก็ยอมแพนไปไปแล้วพอกลับมาก็อีหลบเดิมกลับมาก็มันก็เริ่มคุนเหมือนเดิมสบายใจไปวันสองวันน่ะแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะครับ พอเขาสู้มันดีกว่ะพอเกิมาแล้วปุ๊บมันจะตามกันมาเป็นขบวนเลยครับก็จะเป็นได้ทุกเรื่องเลยทั้งทั้งลูกทั้งออะไรจะไหลไปน้ำปลาไปหมดนหมืนไฟใช่ครับเหมือนเกลื่อนแตกนะครับน้ําไหลว่าทะลักหมดจริงๆแตกแท้ๆจริงๆธรรมะพระอาจารย์ก็เข้ามาตลอดนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไม่เข้าใจมันเข้าหูแต่ไม่เข้าใจถูกใช่ เข้าหูไม่เข้าใจถูกเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเข้าใจมันจะหยุดได้นะไม่เข้าใจมัเข้าที่หูเข้าไม่ถึงใจเข้าหูซ้ายหูขวาไม่เอามาปฏิบัติที่ใจเียรต้องล่มก่อนถึงจะรู้ต้องพลาดก่อนสี่ายังรู้พลาดนักบ่าวยังรู้อพลาดเอาความผิดพลาของเรานี่มาเป็นบทเรียนสอนใจนะว่าอย่าทําซ้ำซากก็แล้วแต่ ต้องผิดก่อนถึงจะถูกได้เดี๋ยวคะงั้นอย่าไปอย่าไปเสียใจว่ามันนอกผิดแต่ว่าให้เรารู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดมันจะไม่กลับมาทำอย่างนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางที่เราควรจะไปครับโอเคนะครับจัดการสายทิปต่อมันแกนเรื่องสกาน การนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้อยู่ันแก่ค่ะแสดงว่าไม่ได้สอนเนี่ยถ้าเขาที่แก่ม่สอนออนไลน์ช่วงนี้ออนไลน์ทํางานออนไลน์ประชุมออนไลน์ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพรุ่งนี้จะไปออกหน่วยวัคซีนช่วยเขาที่สารคามอยู่ค่ะเขาขอกําลังไปช่วยค่ะดีไหนที่ไม่ไี้สอนฉีดวัคซีนให้เยอะๆมันจะได้ถูกปุ่มกันค่ะดูเหมือนตอนนี้จะได้มาเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ ได้ได้ฉีกกันเยอะขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> วันนี้ไม่มีคําถามค่ะยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็นั่งสมาธิแล้วก็สงบสงบดีค่ะโอเคไม่มีคำถามแสดงว่าดีแล้วเข้าใจหมดนะเหมือก็ปฏิบัติแล้วก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกค่ะไม่จําเป็นต้องไปลึกๆก็ได้ <c oughs> ก็ลงมานิดหน่อยแล้วก็งสงบอยู่นานๆก็อยู่ได้นานขึ้นค่ะ <Okay. S 2> แล้วพอตอนถอนออกรู้สึกว่ามีสติขึ้นค่ะดูมันมันรู้สึกถึงว่ามันกางจะถอนออกเบาๆค่ะปกติท่านเหนื่อยก็จะออกเลยอย่างเงี้ยค่ะพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะถอนเลยแต่คราวนี้มันเหมือนแบบก็ก็สมมุติขึ้นพยายามยืดมันขึ้นไปใ ห, ให้มันได้มากขึ้นทําให้มากขึ้นทําให้หนานขึ้นให้ยังทําต่อได้น ค, คุณเพค่อน เห <Okay, S 2> มืนอนออกมาแล้ว ก, วก็ก็นั่งต่ออยู่ค่ะพระอาจารย์เดิม ห, หนึ่งชั่วโมงคราวนี้ก็เอ้ยยังก็ก็ก็ยังมีความสุขดีก็ก็นั่งต่อไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเด็ดทําะไรสลับกันไปทั้งวันเลยได้ยังมีถ้าไม่มีงานหนึ่งต้องทำติดงานค่ะพระอาจารย์ค่ะพอดีทําไปเรื่อย <c oughs> ๆกันแล้วกันช่วงไหนว่างมาทำอยากไปดูดูทีวีดูละครอะไรคือดู u ูทูบค่ะพระอาจารย์ ทำเสียงเบาๆมีมีมีไม่เหลือแค่เรื่องเดียวค่ะพระอาจารย์ที่ยังตัดไม่ได้คือเวลาที่เหนื่อยมากๆจะไปดูดูยูทูบบ้างที่มันเป็นเหมือนแบบดูพวกอฟังดูดูเหมือนอะไรเงี้ยหน่อยใช่ค่ะพอคลายเหมือนแบบหลุดไปสักหน่อยเพื่อที่แบบเหมือนปรับสมองอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้อยู่นะว่าเออทำสมารถไม่ทำสมาธิบางครั้งก็ก็ทํำสมาธิค่ะพระอาจารย์แต่เมือนพอทําสมาธิเยอะ มันกิเลสมันจะดึงไปแบบไปทางนู้นบ้างอะไร่างเงี้ยค่ะยังสู้สู้กับมันอยู่เรื่องเนี้ค่ะพระอาจารย์ยังติดอยู่เรื่องน่าจะเป็นเรื่องเดียวที่ยังเป็นปัญหาของตัวเองอยู่ค่ะที่จะทําให้แบบพยายามฟืนไปได้แลยค่ะตอนนี้กําลังพยายามดึงตัวเองออกมาให้มันน้อยลงค่ะด้วยมันน้อยลงไปลดปริมาณสริรัมากขึ้นอาจารย์ดีกว่านะค่ะสาธุ ค, ค่ะบิวตี้เชียร์ อันนี้ไม่ได้อยู่ภูเก็ตแ้วอยู่แถวพัทยานี่แหละค่ะใช่ค่ะมาเพักอยู่เลยเนี่ยสองเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่มีคำถามนะไม่มีค่ะเในนัดสองต่อเจอคุณตามอะไรต้องเจอคุณตามอะไรเนี้ยจะเป็นทงานอยู่ที่เป็นอโรมซาพัทยาหรือที่บ้านเรือที่พัทยาที่อยู่ใกล้วัดอ่ะค่ะยาแนะนำค่ะยาแนะนํามาค่ะ ก็มีสมาชิกสูงนี่ก็ทางานอยู่เชนั้นคนนุัโอ oh. ที่เป่รราอะไรจเพื่อนี้เขามา mm hmm. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจรเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะโ okay. อเคงั้นไปที่คุณจพัฒนาต่ออยากบอกวนชนบุรีอ้าวรมารีพรอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้มาขอฟังถามเจ้าค่ะ ไม่มีคำถามนะเจ้าค่ะไปทุกคนนุ่งี่วาคุณนุ้วารุการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มีมุมีคำถามเพียเดียวกันนะโอเคคุณชุดารักนะคุณชุดาวรัก svpc อยู่ที่ไหนฮัลโหลกลับนามัสการค่ะ อยู่ที่ไหนบ้านที่ไหนอะไปติดภาพนะครับอะเปิดเปิดใหม่ก่อนเปิดใหม่อันนนะครับก่ปุ่งเป็นนะไปติดภาพกดอีกอันหนึ่งอะโอเคุดได้ละค่ะอยู่กรุงเทพค่ะกับนมาสักการะชาจาร์ค่ะมีคำถามอะไรไหมเอ่อถ้าหนูปฏิบัตินคะคะ ว่าถ้าเรายังไม่มีกําลังนี่คือเราเดินจงกรมก่อนแล้วก็มานั่งสมาธิเพื่อให้เรามีกําลังตูดไหมคะได้เดินจงกรมแต่เดินแบบมีสตินะนใช่ค่ะบริการอย่าเดินเฉยๆอย่าเดินแบบช้อปปิ้งเดินไปคิดไปเนดะี่ต้องควบคุมไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็มานั่งถ้านั่งแล้วยังดูลงไม่ได้ก็ลรส่วนลงไปก่อนก็ได้นั่งส่วนลงต่อก็ไะ้ ถ้าดูงอมหน้าก็ดูงมไปแล้วพูดโธได้ก็พูดโทไปก็คือทําทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจนเหมือนล่องนิ่งใช่ไหมคะใช่จนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิเป็นค่ะอันนั้นเราทรไม่ไว้อยากจะลุกต้องลุกขึ้นไปไหนก่อนสลับกันไปค่อนก็คือสลับเดินเหมือนว่าให้ให้เรามีกำลังคือเดินตรงกลมให้มีสติมากขึ้นค่ะแล้วก็กลับมานั่งใหม่ ทั น, นี้ไปสลับกันไปนั่งกับเดินเดี๋ยวมันก็จะสงบได้ต่อไป ม, มีท่านนี่หรอคะมีคำถามเข้าเนี่ยค่ะจะนำไปปฏิบะะัติได้ไมการเซ็มัน น, อ ง, น, นองพอเชิญมั น, น อ, อ, นนน อ, อนันอยู่ที่งเทพใช่ไหมได้ยินเสียงแล้วนะคะค่ะ ไ, ได้นแล้วคือเมื่อสองวันก่อนเนี่ย ปกติก็ไม่ค่อยมีความทุกข์แล้วแต่คราวนี้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาก็เลยรู้ว่าออทุกครั้งนี้อ่ะเพราะเราไปยึดติดเพราะว่าคนในบ้านบางคนก็ไม่สบายออหมาก็ไม่สบายนะก่อนหน้านี้แต่เราก็ไม่ทุกข์แต่พอมาถึงคนเนี่ยที่ทุกข์เพราะว่าเราไปยึดติดอันนี้เป็นหลังจากที่พิจารณาดูสาเหตุนะคะ mm hmm. ก็พยายามดูว่า คือจะพยายามใช้ปัญญาแก้ทุกข์มาคะคราวนี้ก็เลยไปรู้สึกว่าจะหลุดออกได้โดยใช้ว่าอยู่ในความที่ไม่มีอะไรอะแล้วมันก็จะว่างๆแล้วก็จะมีความสุขขึ้นมาก็เหมือนกับเราไม่ได้ไปสนใจในแบบที่เหมือนเดิมนะคะคือแต่แต่เดิมเนี่ยเราสนใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไร มันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดความอยากสรุป ก, ก็คือพอยึดแล้วก็อยากให้หายก็มีความอยากให้หายแล้วก็ดิ้นขักอยู่ตรงนั้นไม่ได้จนกระทั่งมาปฏิบัติขึ้นมาได้ว่าอ๋อเพราะเราไม่อยู่ในความที่ไม่มีอะไร มันก็เว่าเปห็นเป็นตัวเป็นตนไปไม่เห็นว่ามันเป็นน้ำลงไฟเป็นธรรมชาติใช่ค่ะใช่ค่ะคราวนี้ว่าธรรมะสองข้อนี้คืออยู่ในความที่ไม่มีอะไรก็คือไม่ได้ดูว่าเป็นอะไรนะไม่งั้นมันจะดูออกเป็นตัวเป็นตนเป็นเกี่ยวข้องกับเราถ้าไม่สบายแล้วเรา มันจะเป็นยังไงก็ต้องอยากให้หายใช่ไหมคะมันก็เลยไปกันอย่างแต่แต่พอเรามองในแง่นี้อ่ะแบบไม่มีอะไรอยู่ในความไม่มีคือมันมีแต่มันนันมันเป็นมันไม่ใช่เป็นตัวตนคอมันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟมารวงตัวกันฮะแล้วมันเดี๋ยวก็ต้องแยกจากกันไปต่อไปเป็นธรรมชาติ กลายเป็นดูตัวเราได้ง่ายกว่าดูตัวคนอนะื่นนะฮะเพราะหรือว่าเป็นเพราะเราฝึกซ้อมดูอยู่เรื่อยๆว่าตัวเราม<น>ันเป็นทั้งเราทั้งเขาเหมือนกันร่างกายของเรากับรา่งรางกายคนอื่นก็เหมือนกันฮะทนกชาติทุนนกศตวรรษเราพิจารณาทั้งเราทั้งเขาด้วยฮะแต่ก่อนก็คงไม่เคยพิจารณาเขาก็ดูแต่ตัวเราคราวนี้พอดูเคาะตรงนี้ออกได้มันก็เลยรู้สึก อยู่ในความว่างๆามันมันก็ไม่นึกแล้วว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็จะรับได้หมดอะ่ะคราวนี้ก็อยากจะเรียนถามแล้วว่านี่เป็นจะมีอะไรที่ทําให้อุเบกขาเราแข็ ง, ง, งแข็งแรงกับปัญญานี่งานดูตัวอย่างเป็นหน้าตาเนี่ยนัมันจะทําให้เราระงับความอยากขึ้นได้ วความอยากต่างลดน้อยลงไปค้าเ้าก็จะมีกําลังมากขึ้นไปอยู่ลดความอยากลงนะค ะ, ะแล้วก็ดูทุกอย่างให้มันเป็นอนัตตาคือะชเป็นอนัตตาความอยากที่จะไปไปยุ่งกับมันก็หมดไปเพราะนูเราไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ได้เหมือนจะไปฝืนความเป็นจริงอ่าสปนความจริงไปยุ่งกับลมไม่ได้ดินน้าลมไปเราจะไปใส์ให้เราทำตามที่เราต้องการไม่ได้เสมอไป แล้วแล้วก็ยังคงอยู่ในความไม่มีอะไรก็ไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีอะไนั่นเป็นเพสมมติเราแปะไว้กับร่างกายนี้ท่านเองแต่ร่างกายมันก็เป็นเพลงแค่ธรรมชาติคือดินน้ำล ม, มไฟแล้วมันก็เลยกลายเป็นอยู่ว่างๆไปเลยอ อยู่ในคามว่างไมหยุดความอยากอาจารย์ก็ว่าเปเลุงเบกขาขึ้นมาแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิมอเดี๋ยวเราก็ไปหองอีกเดียวก็ไปเห็นสินงนั้นสิ่นี้เป็นเราเป็นเขาขึ้นหมโอ้เป็นของเราเป็นของเขาขึ้นหมาเดือดแกที่เดินกันเดือดแยกทราบสนิทอ๋ออย่างนั้นก็มันก็ไม่มีอะไรเหือกันอ่า มันก็เป็นมีหน้าลงไฟมืนกันถ้าเราไปคิดใ้มันเป็นตัวตนเอเป็นตัวตนมันเขางมีคุณค่าขึ้นมาก็เลยเกิดความอยากเนี่ยทองมันก็เป็นแช่วัตถุเนี่ยเป็นท่าดินเนี่ยแเราไปมองว่าเป็นทองมองว่าเป็นเพชรมองว่เป็นทองเป็นเพชรทีนี้ก็แย่งกันมาอยากได้กันแล้วมันจะมีทุกข์อะไรมากขึ้นนอกจากมอง เรื่องปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยนี่ไหมคะก็ความตายความเจ็บป่วยแล้วก็คามทัดภาพจากจากันแล้วก็การอารมณ์ไปวางเพราะว่าเขาสวยงามน่ารักน่าทีา่น่ามาร่วมหลับนอนด้วยอันนี้ก็เราแก้ด้วยสุภาษณ์แล้เป็นศพเดินได้ร่างสมเดินได้ร่างสมที่ยังไม่ลงหายใจอันนี้<อ> ไ, ไม่ม เาเป็นสรส้างศพจริงๆก็ไม่อยากจะแตะนะใช่ไเราไม่มีลมหายใจไม่อยากจะไปแตนะจะให้สวยงามหน้าดูขนาดไหนก็ไม่เอาแลรู้สึกพอความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ทําให้เกิดทุกข์หนักขึ้นกว่าพวกที่จะไปดูไปอสุภาษณ์นะฮะแล้วไม่คนไม่คนละเรื่องกันคนละเรื่องกา ร, นน เ, รเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องหนึ่งการ ความายากความาไข้ในการอารมณเปเรื่องหนึคนเรื่องคนละปัญหาเลีเจ็บไขในป่วยก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นธรรมดาของร่างกายที่มันจะต้องชั่นุชุดทรงขึ้นมาห้ามมันไม่ได้ตอนแรกนึกว่าถ้าหลุดดูเรื่องหลุดความเจ็บเจ็บป่วยไปแล้วนะ ก็คงจะไม่มีอะไรหนักกว่านี้ล้วแสดว่ามีความตายแล้วก็แล้วก็ยังมีความรักความไข้ถ้ายัางเป็นคนที่ถูกออกถูกใจนะเพื่อนถ้าเราพิจารณาสุภาษมองเข้าไปข้างในดูได้ตายใต้ผิวหนังที่ไม่สวยใมน่น่าต่าง มัก็จะผ่อน ค, คลายความลัดความคาลงได้นี่คือปัญหาที่เกี่ยวกับร่างกายหมนร่างกายเวล้วมันก็ยังมีปัญหาอย่างอื่นเรือเรื่องจิตใจจิตใจเราก็ยังว่างวุว่วนโผล่ได้ยังผ่องใสได้ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนได้อยู่ก็ต้องพิจารณาเรื่องจิตใจว่ามันก็เป็นไม่มีอะไรเหมือนกันมั น, เ ป, นเป็นอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามของไม่เที่ยง เป็นหน้าตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันที่อยากง่ายมันสอกมันไม่สงบอย่างนี้ทีไม่อยากฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านก็นมาการทำใช้พิจารณาว่ามันไฟุ้งก็ไยฟุ้งไปมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็หยุดของมันเองถ้าเราไม่ไปยุ่งอันนี้ก็เคยเคยก็เคยดูเข้าไปในจิตใจนะเออเดี๋ยวมันก็หายของมันละทีตถึงขึ้นมารู้สึกอารมไม่ดี ไม่เป็นไรวันนี้อารมณ์ไม่ดีอย่างนั้นก็บมกไปเพราะวัเนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวตอนบ่ายอารมณ์มันจะดีขึ้นนะแต่อย่าประหยัดประหยะดแล้วมันไปเกิดความทุกข์กิดทําเหงื่อใจกับอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ทําให้เห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ในจิตใจก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแปรปวดหมดเลยเนื้อดีเนื้อเชื่อ เดี๋ยวเฉยๆอยู่ตงกลางแล้วขึ้นดีขึ้นมาสามวันดีสี่วันไขอะไรนย่งเงี้ยไม่รู้ทันแล้วก็ทำใจเฉยๆไปยอยู่ในความไม่มีอะไรไปเออเราไม่มีอะไรอยในความว่างไปอยู่ในความว่างคะนี่ถึงไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติมากกว่าสองสมข้อเนี้ยอ่ยาค้อนี้ก็เหลือกินนั่นแหละสงสาอ ที่อยู่ในความไม่มีอะไรก็อยู่ในควา ม, มว่างเนี่ยนะคือตอนนี้มันพูดง่ายแต่ว่าเราเจอเจอของจริงนี่มันบางทีนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงมันจะแก้ยังไงว่ามันเป็นเหมือนก่ตาแตกเลยเพราะใช้เวลาวิเคราะห์สักพักจริงรู้เอต้องทำอย่างนี้เ้องทำอย่างนี้แต่นี่เป็นปกติใช่ไหมฮะที่ว่าจะต้องใช้ตาไม่ยังไม่มีประสรบการณ์ยังไม่ถึงประสบการณ์แล้วต้องลองติดลองถูกแก้ไขน่าแก้ไขปัญหาปัญหาไป ก็ตอนแรกก็แก้ทางนู้นแก้ทางนี้ในที่สุดก็มันหลุดเอาจากสองปะเนี่ยคือความไม่มีอะไรกับความว่างแล้วความสุขก็คืนมาแต่เดี๋ยวมันก็เลยใหม่เดี๋ยวมันก็ไปเห็นเป็นยุ่นเป็นนี่ขึ้นใหม่เพราะในชีวิตสมุทรมันมันต้องมันเราต้องยุ่งเหยื่อสองมือเสมอใ่ไหเดี๋ยววันนี้เจอคนนี้คนนี้อ่ะวันั้นเป็นนายกวันนี้เป็นรัฐมนตรีอ่ะมก็มันไม่ได้เป็นความไม่มีอะไร แล้วเราก็เผาไปไปไปติดกับมันไปก็ต้องสอนตัวเองทุกคืนตอนนั้นสอนทุกท่านเวลาเจอใครเนี่ทุกคืนเวลาเจอใครว่าไม่มีอะไรนะแล้วเขาเป็นอะไรเป็นเพียแต่สมมติเท่านั้นเอาตอนเจอเลยอ่ะใช่เวลาขึ้นเวทีโชคกันเลยมันต้องโชคกับสิ่งไหวให้เขาโชคเราคนเดียวไหวให้เขาเก็บเราได้นะครับก็ต้องเราก็ต้องใช้ปัญญาแก้ ผนรู้ที่มันหลอกเราใช่ไมหลอกว่าเป็นนี่เป็นนี่กันแล้วก็ใช่ปัญญาไม่เป็นอะไรฮะเป็นดินงน้าลมไฟแล้วเมื่อไหร่จะก็ต้องก่อนมันจะเป็นนิสัยต่อไปมันมันจะรู้ทันเห็นใครเราก็จะรู้ว่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่เหมือนไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร เป็นแง่ดินน้ำลไปเป็นแง่การสามสิบสองที่ไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันเองเราไปให้ความหมายมันเองเนแม้ผมเนี่ยมันยังให้ความหมายมันเนองผมสวยผมไม่สวยนี่ต้องไปทําผมเนี่ยต่อไปโยมอาจจะโกนหัวแล้วก็ได้ถ้ามันไม่มีอะไรเก่งไว้ทำไมใช่ไห ม, มเป็นปัญหายุ่งยากกว่าใช่ไหมก็ยังยังยังไม่ได้เห็นว่ามันมเป็นอะไรมันยังเป็นเราอยู่ เราเป็น <laughs> พูดได้พิจารณาได้แต่เวลาทำมันเปนทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยังเป็นเราอยู่เป็นของเรานีเนี่ยตัวผมเนี่ยเป็นตัววัดปัญญาถ้ายังมีผมเยอะนี่ก็จะง ป, ปัญญาน้อยถ้าไม่มีผมเลยจะนาปัญญามากอืม <laughs> หรือว่าวัตจะรย์จะกระรกโกนหัวมาวิสุณี อยู่วยแทงกระโนเหรออาจารคือปัญหามอยู่ตรงว่าคิดได้ถึงโกนหรือว่าโกนก่อนตามประเพณีแล้วถึงมาปฏิบัติใช่ไหมคะไม่เน่ยเราพูดถึงอย่าไปพูดถึงประเด็นนะเนาพูดถึงประเด็นที่เราพยายามที่จะมองคือไม่มีอะไรอ๋อค่ะเมืมมออ่อไม่มีอะไรก็ต้องมาดูแลทํามให้มันยุ่งยากบ้างเมื่อไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรก็ วิธีดูแลมันง่ายๆก็คือโกนมันทิ้งไปทุกครั้งที่มันนะยาวก็กกนไปก็จะได้ดไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมันเป็นอันราก็มันไม่งั้นมันก็มีอะไรให้ดูแลเั่นก็ต้องไปทำผมอยู่เลยไปอะไรอยู่เลยตัดผมไปแต่งผมอะไรมาไปใช่ไหใช่ไหมตอนนั้นมันยังมีอะไรอยู่ยังเป็นอะไรอยู่ถ้ายังต้องไปทำมันอยู่ค่ะเดี๋ยวแต่พอมันโตขึ้นมาก็ไม่สบายใจขึ้นไา อ่าถ้ามันยอมเอนะอ่านี่มันยเป็นอะไรอยังเป็นรตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์มาร์เกอร์ได้อ่ะฮะได้ดูปัญญามากน้อยก็ดูที่ผมเนี่ยอะอืมวันนี้ก่อนผัวได้แสดงปัญญามากไม่ยึดติดกับผมและไม่ยึดติดกับรูปร่างหน้าตาตอนนี้ อืะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณท่านมากโอเคครับแล้วที่ท่านต่อไว้คุณภูมิท่านจะคุณภูิภูมิท่านจะกลบภูมิท่าอยู่ที่ไหนธรรมสถารัพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่นครปฐมครับอมีคําถามไหมมีครับเชิญถามได้เลย ผมอยากรู้ว่าขั้นตอนในการนั่งกรรมฐานนะครับวิปัสสนากรรมฐานมันมีขั้นตอนก่อนและหลังยังไงมั่งครับให้มีเราให้มีสติตัตวเดียวให้มีสติกวยควบคุมความคิดของเราเช่นให้พุโทโธพุโทโธไปเวลานั่งก็หลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธพุทโธไปอย่าอยานั่งเฉยเฉยแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วไม่ต้องไปค้าว่านั่งแล้วจะพุโทโธไปแล้วจะได้อะไรไม่ต้องไปรู้มันนันนให้อยู่มาพุโทโธไปอย่างเดีย ให้กำหนดจิตที่ลมหายใจใช่ไหมครับถ้าใช้พุโทโธไม่ต้องไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ถ้าไม่อยากจะดูลมหายใจเอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าอยากจะพุโทโธเรื่องดูลมด้วยก็ก็ดูลมที่ปลามมยจมูกแล้วเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธออครับนี่แค่นี้ครับโอเคนะมีมีสามวิธีในการพุโทโธอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธกับลมผสมกัน นะแต่เราจะชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นอ๋อครับของครับโอเคน ะ, ะที่คุณไอโฟนของซาตากะเลยอ่าหายไปแล้วยอยู่ว่าแบบอยู่<ป>อยู่ตรอยู่ด้านล่างใช่ไหมถ้าเปิดไมค์พูดได้ก็เชิญพูดเลยนะเปิดหันมือได้เลยคุณไอโฟนบนซาตากะ เดี๋ยวคุณมยวมีรอตาบไว้นะคุณมี็นคนสุดท้ายสำหรับหน้านี้เปิดไ่้ก <Okay. S 2> ับเรียนนมัส ก, การพระอาจารย์นะค ะ, ะวันนี้ได้ไปทำบุญถวายพระอาจารย์ที่วัดนะค ะ, ะค่ะแล้วก็อยากจะถามนะคะตอนนี้ค่ะคือเริ่มนั่งแล้วรู้สึกว่าแบบมันเหมือนฟุ้งซ่านนะคะคือจิตไม่นิ่งสติเรายัางน้อยไป นั่งแล้วถ้ามันฟุ้งซ่านก็สวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนไปก่นะสนสวดไปจนท่านรู้สึกว่ามันหายฟุ้งร้างแล้วก็ค่อยมาพูดโทรเพื่อดูลงหมายใจก่อมีแค่นี้ค่ะโอเคเมชาไม่มาเลยค่ะเรใส่บาทนะคะขับไปจักไชน่าอะค่ะโอมาไกลนะนันไม่กลับไปไชน่าแล้วเลยค่ะไช น, น, น่าแล้วค่ะพ อ, อถวายเสร็จแล้วกลับพอ้า สาขาะไรนะค่ะโอเคค่ะค่นั้นนะคบไปที่คุณเรียวมีน้อไม่ทราบยังอยู่หรือเปล่า่อกเรียวมีเมื่อกี้อยู่หน้าไหนเมื่อกี้หน้าสองคุณเรียวมีซีหนึ่งแปดสี่เนี่ยได้ยินไหมคุณเรียวมีซีหนึ่งแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์หกคุณยังไม่ได้ยิน ถ้ไม่ได้ยินไปที่คุณฟางว่าอะไรก่อนมเมคุณฟางว่าอะไรนักวิการจา้ะค่อวันนี้วันนี้ยมได้มีกันมากนะคะมีพนัก ง, งานมาปรึกษาเรื่องของพ่อแม่ที่ไม่สบายแล้วก็อยู่อยู่ที่โรงพยาบาลขั้นโคมา่าเวลาที่ลูกฟัง อ, อในส่วนของอาการนะคะมันก็เกิดการพิจารณาในเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาแล้วแล้วเรา ก็คิดว่าเนี่ยน่าน่าจะอาการหนักเราอาจจะจะเสียชีวิตได้แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นฝ่ายบริหารเราก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการการคิดว่าเกิดแก่เจ็บปางเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาถ้าให้กำลังใจเนี่ยเราสามารถให้กำลังใจเขาว่าความหวังมันมีเสมอไหมเจ้าคะ่ะก็คืออยู่ว่าเราให้กำลังใจแบบไหถ้าเราจะไปพูดในเชิงแบบไม่ถูกมันก็ไม่ได้ ถ้าเราพูดตามความจริงถ้าเขารับได้เขาควรจะมีกํำลังใจว่าคนเราทุกคนมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็นธรรมดาแล้วไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายอย่างไปเป็นธรรมดาให้สติเขาดีกว่าให้ปัญญาเขาดีกว่าดีกว่าจะพูดแล้วเดี๋ยวก็หายในคำนองนี้ก็ไม่แน่นะแล้วแต่ว่าเขาเชื่อเขาคิดว่าคําพูดเราขังเลยบางทีคําพูดของเราขังแล้วก็พูดเออ ี่ยก็มันก็มีโอกาสเพราะคนเรามันไม่ไม่รู้มันจหาก็ไม่หายกันนะเขาพูดได้ว่าถ้าใจเย็นๆราดูไปรักษาไปอย่าไปคิดอะไรมากอย่นี้เราพูดอย่ได้เขาบอกว่าเขาเขาสวดมนต์ก็ก็เลยก็เลยบอกว่็เฉลมนลอได้ก็สวดไปถึงแม้เขาคิดว่าสวดให้ให้คนไข้แต่ความจริงสวดให้ตัวเขามากกว่าเพื่อให้ใจเขาจะได้ไม่ทุกข์เศร้าก็ได้เป็นอุบาย เขามีสติมากขึ้นก็คือถ้าเขาเจอเหตุการณ์เละลายเขาก็จะสามารถทำจใจได้เชื่อ ใ, ใช่ไหมค่ะใช่คือเขาไปช่วยคนใครไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เขาต้องทำคือช่วยตัวเขาเองค่ะไม่ให้เสียสติไม่ให้เป็นบ้าไม่ให้ไปเสียออกเสียใจเป็นเกินค่ะค่ะนะขอบคุณเจ้าค่ะโอเคคุณประพันต์ตอบคุณประพันใช่อยู่ที่ไหน าการมือการอาจารย์ครับอยู่ที่กรุงเทพครับเอมีคำถามไหมครับรนี้่มีครับดีมีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์นะครับเรามีข้อสงสัยในบางประเด็นนะครับอย่างประเด็ น, น, นเรื่องลงทุนนะครับลงทุ น, ทนครับอย่างถ้ามีการครับถ้ามีการนําเงินออมเนี่ยบางส่วนเนี่ยไปลงทุน ในบริษัทที่เรามองว่าน่าจะมีการเติบโตนะครับแต่วันเวลาผ่านไปว่าเกิดมีความผันผวนแล้วก็ขายออกมาบ้างเนี่ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการเก็งกําไรไหมครับไม่หรอกก็เป็นการย่องย้ายการลงทุนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วเปลี่ยนซื้อสินค้าซื้อสินค้าตัว น, นี้มาขายแล้วขายไม่ดีแล้วก็เปลียไปซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งมาขายนั่นไม่ถือว่าเป็นการเล่นการันต์ ถ้าเป็นการเก็อกำไรซื้อเช้าขายเย็นนี่มันนี่เรียกว่าเป็นการเก็งกำไรอย่างที่ผู้เราเห็นว่าทองราคาลงแล้วเราก็ไปซื้อไวอ้อย่างเงี้ยก็ดีถ้าเป็นการลงทุนแต่มันก็มีโอกาสจะลงต่อนะั่นใช่ไมันลงแล้วมันจะมันจะความเสี่ยงครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับตัวอย่างมันมีขาดทุนที่เลาจะจะรับมันได้หรือเปล่าแต่พะราคาทองที่นสูงๆเนี่ยเราสึกว่ามันสูงเกินไปเราก็ไปขายอย่าเงี้ยถือเป็นการเก็งกำไรไหมครับ ก็ไม่เป็นไรเป็นการทำค้าธรรมะค้าขายคราายยับถ้าเราก็ขายแล้วได้กําไรเราก็ขายถ้ากายแล้วขาดทุนเราก็าจต่ที่เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นการเป็นการทําการค้าไม่ได้เป็นการพ น, นครับเป็นการพนันหรืการเก็งว่าหุ้นตัวนี้พรุ่งนี้จะต้องขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมันแต่พอมันขึ้นจะได้ขายได้แล้วถ้ามันไม่ขึ้นอ่มันก็จะลาบากครับ บางติดอยู่ขายก็ขายไม่ออกขายก็ขาดถุนเยอะปิดดอยอย่างเงี้ยครับออย่างเงี้ยเขาเรื่อเล่นแบบเล่นการพ น, นัน ก, ก, ก็คล้ายลักษณะนี้กรณีที่ถูกว่าเป็นการเล่นการพนันนี่ถือว่าผิดศินข้อไหนครับอาจารย์ครับ ม, มันไม่ผิดสินอ่ะมันเป็นการกระทําที่จะทําให้เกิดการเสียหายกับเรามากเพรการพ น, น, นันนี้เวลาได้มันก็อยากจะเล่นต่อใช่ไหมครับเวลาเสียก็อยากจะได้ไดคืนครับ คนเล่นการพนันส่วนใหญ่ถ้าเล่นแต่อาจริงารมาจ้างมักจะหลดเนื้อหมดตัว ค, คนเล่นหุ้นและเอาจริงจาจ้างก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้ประเด็นต่อมาครับอาจารย์ครับเอถ้าเราฝึกสติกั บ, กบงานที่เราทํำนะครับกับกิจวัตรประจําวันที่เราทําอยู่อ่เพราะว่าเคยได้ยินว่า เราตื่นนอนขึ้นมาเราควรจะให้จิตเราอยู่กับพุโทโธครับตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเ อ, อการเดินชมโคมอี่ครับควรมีสติการเดินหรือว่าเราควรจะมีสติกับพุโทโธครับได้ทั้งสองอย่างครับการเดินแล้วมันยังคิดอยู่น่าจะใช้พุโทโธมาช่วยอีกทางหนึ่งก็ได้ถ้าเราเดินไปแล้วเรามันไม่ยอมอยู่กับการเดินมันยังไปคิดถึงนานคิดถึงคนคนั้นคนนี้ยูเราไม่ต้องการให้มันคิดเราก็ต้องเอาพุโทโธก็ามาเสริมมาแล้ว ครับบางทีรู้สึกว่าพอเราเรากําหนดให้ใช้จิตเราอยู่พุทธโถครับมันเหมือนกับเป็นการสู้กันระหว่างความคิดกับพุทโธบางทีรู้สึกเหมือนกับหนักหนักเหมือนกับมีอาการเหมือนกดข่มอย่างนี้ยนะครับใช่มันมีอาการเครียดขึ้นมาได้มันเป็นเหมือนการชักกระเยาะอะไรใช่ครับใช่ครับเขาก็ดึงแล้วก็ดึงก็เลยเต็มเครียดขึ้นมาเราแต่พอฝันไปหนึ่งฝ่าย้ยอมปั๊บมันก็จะหารเครียดทันทีครับ ถ้าฝ่ายต่อต้านหยุดปับจิตแล้วก็สงบมันก็หายเครียดหายตึงได้แต่เวลาต่อสู้กันนี้มันต้องตึงก็ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจให้อยู่กับอุทโธอุทโธไปถึงยัมีความรู้สึกว่ามันถึงมันเครียดในใจของเราก็ไม่เป็นไรในั้งกิเลสมันยอมแพ้แล้วมันจะเบาจะเย็นจะโล่งสบายหรือถ้าเรายอมแพ้มันก็จะโล่งเหมือนกันแพ้มันโล่งแบบแพ้เนี่มันก็ไม่เก้านาครับ มันโลองแบบที่มีเหลกแพ้ฝ่ายต่อต้านแพ้นี่กว่าแล้วเราก็จะก้าวหนะ้าต่อไปฝ่ายต่อต้านมันก็จะไม่มีกําลังสน้กของเราได้ครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าถ้ามาสวดมนต์หรือว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกการสวดทิฏฐิโสเนี่ยครับถ้าว่ายุอย่างแบบเมื่อก่อนเนี้ยแล้วค่อยไป<ๆ> น, นั่งบริการช่วยเป็นการสร้างสติ ข, ขึ้นมาก่อนเพราะก่อนจะนั้งในบางทีจิตเรายังคิดเรื่องราวต่างๆอยู่มากมาย ใช้การสวดมนต์ในของของมันให้มันหยุดครับผมเคยได้ยินว่าการสวดมนต์เท่าอาีพ่าเท่าอายุอ่ะสวดมนต์อิติปิโสครับเท่าอายุบวกหนึ่งนึกป่าครับหรือว่าจริงๆคือเท่าอายุครับความจริงมากกว่านั้นนะเพียงแต่ก็ไม่รู้จะ ก, กําหนดเบอร์ไหนดีก็เอาเอาเอายุของคนครับควาวจริงถ้าถ้าสวดอายุมันยังมันยังไม่สงบก็สวดต่อไปได้ ตัวต่อไปอาจจะเป็นร้อยปดจบอย่างงี้ใช่ไม่มสวนไปจนวกว่ามันใจจะหายฟุ้งซ่านใช่มันจะสงบเหมือนกิญยาเนี่ยก็กินยาแนะก้ปวด ต, ตอนต้นกินเม้นมันยังไม่หายก็สองเม็ดสองเม็ดไม่หายก็สามเม็ดก<อ>ิงเข้าไปจนกว่ามันจะหายนะครับประเดนต่อมาคือถ้าถ้าเรายังติดในกามตันผารครับก็ต้องพิจารณาถ้าเป็นเรื่องของกาลหมายถึงเรื่องการเสกกาล การร่วมหลับนอน mm hmm. เพศสัมพันธ์นี้ก็ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายครับผมดูขขเข้าไปภายใต้คือ น, นัำอาการสามสิบสองน่นดูโครงกระ ด, ดูกดูกระโหลกศีรษะดูปอดดูตับดูไตดูหัวใจดูลำไส้อะไรต่างๆนั้นครพยายามจะทำแบบบ้านที่เป็นวัดนะครับแล้วก็พยายามที่จะคือไม่ดูทีวีละ หรือว่าจะไม่ดูอะไรเพื่อการบันเทิองอย่งี้ครับแต่ก็ครับแต่ก็มีการครับแต่ว่าเนื่องจากทางานบางีเราก็ยังต้องดูข้อมูลข่าวสารจากพวกแม่อะไรถ้าเป็นรเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ดูได้แต่ถ้าเป็นการบันเทิงแต่มันไม่มจำเป็นต้องเป็นต้องดูก็อย่ายไปดูมนั่งสมาธิดีกว่าบันเทินจมพมดีกว่า แต่ถ้าเราจะไม่มีโอกาสว่าไปปฏิบัตินั่งสมาธิหรือไปอยู่วัดเราก็เจริญสติหรือฝึกสติไปเรื่อยๆด้วยการทำมีสติอยู่กับงานที่เราทําอแล้วก็ทําที่บ้านเราอยู่คนเดียวหรือเาแล้วเราไม่ห้องที่เราอยู่คนเดียวของเราไม่มีใครมารบกวนเราได้เราก็ทําห้องเราไปเหมือนวัดไปก็ได้ครับคือคือ อ, อยู่อยู่กับคุณแม่ครับคอยคอยดูแลได้ผมปถะทากคุณแม่เนี่ยครับอายุเยอะถ้าไม่มีคนผู้พานเราก็สามารถที่จะอยู่คนเดียในบ้านได้ นั่งสมาธิมุมไหนก็ได้ถ้าเราต้องการไปบัตรล็อกมาเก็บตัวในห้องเราเอถ้าเราไม่ต้อ ง, งาการให้กรรมารบกวนเราเราก็เข้ามาในห้องเราได้เวลานัง่นนงสมาธิแตถ้าเวลาเดินมันห้องมันแคบออกมันินที่มันกว้างก็ได้ทีนี้คือที่เคยได้ฟังพระอาจารย์ครับเรื่องการวัตันหาเรื่องของเภาวะวตันหาและพิวัฏวิภวัตันหานะครับ เหมือนกับว่าถ้าเรายังเหมือนกับพยายามลดละเรื่องของการมสุขทั้งห้าอย่างครับทีนี้ถ้าถ้าเรายังอาจจะได้บางข้อไม่ได้บางข้ อ, อยังติดอาจจะยังคือเลิกดูทีวีแล้วแต่ว่ า, า จ, จะยังฟังเพลงบ้างเ อ, อแล้วเราก็ทําทานสือศีลห้าไปอย่างนี้ครับโอกาสที่เราจะกลับมาเกิดอีกก็คือในภพภูมิทั้งสามนี้ใช่ไหมครับ มันก็อยู่ที่ว่าเราทําบุญ้ากน้อยเท่าไหร่ทำบาบ้างน้อยเท่าไหร่ด้วยอมันจะถ้าทําบาสมากกว่าบุญมันจะไปเกิดในอบายสิทถ้าทําบาสน้อยกว่าทำบุญมันก็จะไปเกิดเป็นเทสชั้นต่างๆถ้าบุญกับบาสเท่ากันมันก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์พรางทีเราเผลอสติไปบ้างก็ อาจจะปิดสินไปบ้างบางๆข้อหรืออะไรเงี้ครับมันจะสะสมไปเหมือนบัญชีมันจะเป็นบัญชีบุญหรือบัญชีบาสเวลาตายบัญชีบุญกับบัญชีบาสมันก็จะมาคิดบัญชีกันว่าใครมีกําลังมากกว่ากับมันก็จะเป็นตัวส่งผลให้กับจิตใจก่อนแล้วกรณีที่บอกว่าเ อ, อติดมันก็เราลดลดกามาคุณทั้งท่าแล้วเราก็ไปหาความ สงบจากสมาธิครับการติดสมาธิไม่มีเพลิไม่ไม่มีภยัยเพราะมันไม่มีความทุกข์เวลาไม่ได้เข้าสมาธิมันจะไม่ทุเหมือนกับเวลาไม่ได้เสพกาศเวลาเราเข้าสมาธิได้เราก็สามารถเข้าได้ตลอดเวลาแลมันจะเหมือนกับการเราที่เราจะไปติดเรื่องอความสุขจากความสงบจากสมาธิ ที่ทำให้พวกคุมต่อไปก็คือไปเ ป, เป็นรูปปั้มหรือว่าอะไรอย่างนี้ป่ะครับเพราะว่าเรามีควา ม, มถ้าเร า, เราทำแต่สมาธิอย่างเดียวก็ถือว่าเราติดสมาธิรเราทําสมาธิเพื่อเป็นเครื่องมือที่เราจะไปสนับสนุนการปฏิบัติขั้นปัญญาต่อไปครับพอเราได้สมาธิเราชนานาญเข้าออกสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ไปศึกษาทําปัญญาครับเพื่อสอนใจให้ตัดความอยากถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นไต่ละเป็นทุกข์ ไม่เทียงไม่ใช่ของเราครับ<ะ>เราก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจได้เมื่อไม่มีความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะเหลือจากความสุขโดยธรรมชาติของมันตอนนั้นก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วหมดหน้าที่แนละ้ว<ะ>มีความสุขที่ถาวรมนความสุขที่ไม่มีวันเสซนไม่มีวัน เรื่องต้นต้องทำสมาธิก่อนเพื่อให้มีความสุขจะได้เปลี่ยนกันวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากการหาความสุขจากความสงบพอเรตาตัดการได้แล้วทีนี้นเราก็มาเจริญปัญญาและเพื่อให้ตัดอย่างถาวรในการพิจารณาว่าการมันเป็นเป็นของไม่เทีย่ยมเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถารักษาให้อยู่กับเราได้ตลอดเวลา มันได้วันหน okay. like. uh ึ huh. time, ่งมันกล้าจะหนีเราไปเวลามันไม่อยู่มันก็จะทําให้เราทุกใจแต่ถ้าเราไม่เปติดมันแล้วเราก็ไม่ทุกเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดเนี่ยถ้าเราไม่เปื้อยาเสพติดแล้วเวลาไม่มียาเสพติดเราจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายังเสพยาเสพติดอยู่เวลาไม่มีเสพเราจะเดือดร้อนไหมการก็เหมือนยาเสพติดลูกเสพติดแล้วก็เหมือนยาเสพติดดเราต้องอย่าไปเสพมัน พอเราเลิเสพมันได้แล้ที่นี้มันจะมีหรือไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนอนี่คือเป้าหมายคือเราตัดให้หมดอย่าไปเสพยาเสพติดชนิดต่างๆโรคเสียงกิีนก็เป็นยาเสพติดความความเป็นรุ่นเป็นนี่ก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึง่งอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นอะไรนี่อยากร่ำอยากรวยเรื่องอะไรนี่ก็ถือว่าก็เป็นยาเสติดนชนิดหนึง่ง เราความอยากไม่ไม่จนคำอยากไม่ไมไมเขาด่าเราอันนี้ก็เป็นญาเสพติดชนิดหนึ่งที่เราต้องตัดให้หมดไม่อยากไปเสพมันอยากทีอยากให้คนเขาไม่ด่าเราก็าอยากถ้ด่าเราก็าปล่อยเขาด่าไปนั่นเป็นเดือนร้อนแล้วมนก็เป็นเสียงเข้าหูได้ใช่ไหมถ้ามีปัญญาก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเหมือนลมพัด ถ้าเรามาคิดอยู่เรื่อยๆเนาะเอาความหมายมันมันก็เลยกลารเป็นความทุกข์ขึ้นมาเฮ้ยมรนดาแล้วมันดูถูกเรามาบูมตันไปใหญ่เลยอืมครับถ้าไม่บูมตันนั่งนั่นวมันแค่เสียงเกิดแล้วก็ดับไปแค่นั้นนั่นเสียงเหมือนเสียงคพารองเสียงพารองดังขนาดนั้นมันไม่มาขยับใจเลยใช่ไหมแต่เสียงบินทามาเบาๆนิดหนึ่งเนี่ยมันขยัาใจเราได้ยังได้ใจใช่ไหมอ่าอ่า ก็แปลว่าเราไปให้ความหมายกับเศียรลงนี่คือวิธีการปฏิบัติ<ะ>เราทำสมาธิก่อนแล้วเราจะละเศษสิ่งเศษติดต่างๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ว่าเรามีความสุขทดแทนแต่ถ้ายังไม่มีความสุขทดแทนเราก็ยังละไม่ได้อย่างต้องอาศัยมันให้ความสุขตัอดราถึงแม้บางเวลามันจะให้ความทุกข์กับเาก็ยังก็ยัง ก็ต้องทนไปครลามันทุกข์ก็ยอมทนไปแต่อย่างน้อยดีกว่าไม่มีเศษซึ่งมันทุกข์มากกว่าอืมครับแต่ว่าจริงเราก็ฝึกสติจระสติไปเรื่อยๆค่อยๆลดละกรรมกุณทั้งห้าไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเอพราะสตินี้กําลังพอจะเอาความคิดกําลังความคิดอยู่ก็จจะเข้าสู่เหมือนกับความสงบจากสมาธิได้บ้าง ให้ได้มีความสูกบ้างใช่ไหมใช่พอมีความสุขบ้างความอยากการยอมรันั้นความอยากความอยากคบความสุขทางการก็ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นครับเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับให้นี่ก่อนนะจะได้ไปที่ท่านหนึ่งตามไปขอบคุณครับมากคอาจารย์คุณทำเชิญคุณทำนั่งชม <ส>อยู่ที่ไหนแล้อ <Jasmine. S 2> uh ัน huh. ม um ีวไมโครโฟนอันมิวเดี๋ยวเนี่ยครับนามสการพะชายาครับผมต้อมนะครับนทงอยู่เพชรบูรณ์ครับผมเป็นข้าราชการตำรวจครับคือเดิมทีผมชอบฝึกวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่อายุสิบเจดแล้วพอครเนี้ยผมมีมีแฟนแล้วก็ครเนี้ยเพิ่งเลิกกันไปแล้วครเนี้ยผมรู้สึกว่าจริตผมชอบเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากครับครเนี้ย ผมรู้สึกว่าผมชอบทั้งสมถกรมรมฐานแล้วก็วิปัสนากรมารมฐานเนวสติปัฏฐานสี่ด้วยครับผมเลยอยากถามว่าถ้าเราจะฝึกทั้งสมถกรมรมฐานแล้วก็สติปัฏฐานสี่ควบคู่กันไปด้วยจะดีไหมครับก็มปนเรื่องเดียวกันเแต่ว่ามันมีขั้นตอนครับที่เราจะต้องปฏิบัติขั้นตอนแรกเราก็ต้องปฏิบัติสติก่อนสร้างสติขึ้นมาแล้วเมื่อมีสติแล้วก็นั่งสมาธิดูลมหายใจก็ แล้วเมื่อเราเข้าเข้าสมาธิได้เวลาเสร็จจากสมาธิออกมาเราก็มาฝึกปัญญาต่อพิจารณาใจละต่อไปคิดมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นใจลัะไปให้หมดแต่มันต้องมีขั้นมีตอนไม่ใช่ทํากันแบบเล้เทมันจะไม่เกิดผลเหมือนกับเวลาที่เขาทากับข่ามันก็จะต้องมีวิธีการใช่ไจะใส่อะไรลงไปก่อนใส่อะไรไปหลงัง ไม่ใช่โยนและ เ, เทะเข้าไปหมดเลยอาหารออกมามันก็ไม่น่ากินนะแล้วต้องมีขั้นตอนจะผัดอะไรก็ต้องใส่น้ํามันเข้าไปก่อนนะแล้วใส่เนื้อใส่อะไรเข้าไปแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรตามไปในหลังมัเราก็มีขั้นตอนอันดการปฏิบัติทําก็มีขั้นตอนคขั้นตอนแรกก็ฝึกสติก่อนเพื่อจะได้ควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ ครับผมควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิการจิตการจะสงบได้พอจิตสงบมีอุเบกขาแล้วทีนี้เราก็ไปทางปัญญาได้สอนใจให้ปล่อยวางทุกอย่างว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นมีแต่ต้อทุกข์เลยใชมีทั้งทุกข์ทั้งสุขปวดกันไปครับแต่ผมคิดว่ามันหลังๆผมก็มาฝึกอสุภะกรรมฐานด้วยทําให้ผมรู้สึกว่าปล่อยวางเรื่องของการมีคู่มังองไปด้วยครับมันมีสุขแต่มันมันก็มีทุกข์ด้วยนะ เวลา<ช>ทุกม์นกใน<ช>บางทถานจะทนไม่ไหวใช่ไหมผมก็เฉยๆครับเฉยๆมากกว่าตอนตอนก็ทุกได้เลยแือยังไม่ทุกมากพอยังยังน่าจะยังยังยังทุกไม่พ อ, อ <laughs> ก็ได้ครับอาจจะแปลว่าเขาถ้าถ้าถ้าถ้ารักเขามากเวลาจากกันก็จะทุกข์มากอืมถ้าไม่รักมากเวลาจากกันก็ม่ั่อยทุกข์เลย ผมไม่ไม่ทุกเลยครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเป็นอิสระแล้วผมรู้สึกว่าผมมีเวลาได้มาปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ดูแลบุพการีมากยิ่งขึ้นเลยครับนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาครับก็แสดงว่าเราไม่ต้องาการเขาแล้วหมดก็เลยก็ไม่ทุกนะครับแล้วก็คือผมมีความปราราว่าในในชาติเนี้ยคือผมตั้งเป้าว่าผมอยากในพานแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าสู่อริยบุคคลด้ระดับไหนแต่ว่าจะพยายามละทานศีลภาวนาจะทําให้สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ แสดงว่าจิตเราดีจิตเรามีธรรมมากเหมือนกันไม่ค่อยทุกข์ต่ อ, อ ก, การสูญเสียอะไรไปเท่าไหร่เพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าเราเราอยู่คือธรรมใช่ครับเพราะว่าผมตั้งใจไปว่าถ้าผมกเกษียณอยู่ราชาการคือผมรับราชาการครบยี่สิบห้าปีผมขอแม่ว่าอายุห้าสิบปีผมขอจะออกบวชตลอดชีวิตได้ไหมแม่กัแม่ก็อนุญาตครับแล้วก็แม่ก็กขอให้ครบห้าสิบปีก็เราเค่อยออกออกบวชได้ครับที่ผมขอเป็แม่ว่าอย่างนี้ครับเอแล้วเรามาดูไป มันจะอยู่ถึงห้าสิบหรือเปล่ามไม่ไม่รู้ครับใช่ครับผมก็ไม่ได้ยึดติดครัคือแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทําได้ครับเอออย่าประมาทอันนี้ยังปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปอย่าไปรอห้าสิบแล้วค่อยไปเริ่มออกปฏิบัติไปเรื่อยๆุกแต่วินาทีนี้เลยครับเออดีว่า อ, อาจจะอยู่ไม่ถึงห้าสิบไปได้นะครจริงครับจริงครับมีแล้วนี้เหรอครับมีเพียงเท่านี้ครับการอภิมศการครับขอบคุณพรอาจารย์ครับไปที่คุณมินต่อคุณมิน มีีสวัสดีค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์อ่าเข้ามาครัง้งแรกเลยเข้ามาครั้งแรกค่ะมีคำถามอะไรไหมมีค่ะพระอาจารย์ก็อยากรู้ว่าเหมือนแบบเอ่อถ้าเป็นเราเป็นคาวาดเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเวลาเราฟังเรื่องของนิพพานเราจะรู้สึกว่ามันดูไกล้ดูยากเหมือนดูไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่เป็นแบบปกติทีนี้แบบอยากถามพระอาจารย์ว่ามันเป็นไปได้ไหมคะสําหรับแบบคราวาสที่เราจะแบบ นพาเห็นเป็นได้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นชาวล้นหรือเป็นพระเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจว่านิพพานเป็นอะไรหรือไม่แล้วก็วิธีทําให้มันเป็นนิพพานทําอย่างไรเท่านั้นเองเราเห็นเคยได้ยินว่าเหมือนถ้าแบบเราเหมือนเป็นพระรหัสแล้วเราต้องบวชภายในเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไหมคะไม่จริงหรอกเรือเรืนไปด้านรหัสจากการที่จะบวชไม่บวชนี่ไม่จริงะ ในส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระอาหารก็มักจะบวชขอเจ็ดวันถ้าที่ในดูในประวัติในในในพระตไตรปิฎกในพอใครบรรลุเป็นทระอาหารก็อขอบวชครับพระพุทธเจ้าเลยเพราะบรรลุจะอยู่ไปเป็นค า, า, ารนะ ว, าาาวาทําไม่ะเพราะคารวานี่มันเป็นเหมนก็จะเป็นที่อยู่ของพราอาหารแล้วม mm ีแ hmm. ต่ไรื่องวุ่วายพรอาหารที่ไม่ต้องการจะวุว่นวายใครแล้วเหมือนก็ท่าน mm hmm. จะไปอยู่คนเดียวอ mm hmm. แล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเหมือนการปฏิบัติมันต้องมีขั้นมีตอนอย่างแบบตอนเรื่องปัญญานี่คือเราปกติเราต้องปฏิบัติยังไงคะปัญญาหนขั้นสุดสุดขั้นสุดท้ายเือต้องสนใจให้ฉลาดส น, นใจเราไม่ฉลาดเราจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เที่ยงแท้แน่นอนใช่มท้าวบอล <c oughs> จะไป อ, อยู่กับเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นความเห็นผิดไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือไม่มีอะไรแน่ น, นอนความสุขที่เรามีอยู่วันนี้วันนี้มันอาจจะหมดไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ของที่คิดว่าเป็นของเรามันอาจจะไม่ได้ของเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เรามาสอนใจใหม่ใจใมองอีกมุมอมองว่าสิ่งตา่างนี้ที่เรามีอยู่นีน มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะช้าบ้างเร็วบ้างมันที่มันเปลี่ยนแปลงแบบเราปรับรัวไม่ทันแเรวก็ทุกข์เราก็เสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงหรืว่มันต้องดับพอมันดับนี่เราก็จะไม่ไม่ไม่เสียใจไม่เดือดร้อนเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้นุ่งหน้าก่อน นี่เรียกว่าปัญญาสอนใจให้เราไม่ยึดไม่ติดกับอะไรได้ไั mm ้ย hmm. สิ่งที่เรามีอยู่วันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีก็ได้นะ mm hmm. เวลาไม่มีแล้วเราอยู่ได้ไหม mm hmm. เกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาวันนี้จะทำไงพรุ่งนี้จะทำไง mm hmm. จะทุกข์ไหมหรือ mm hmm. ว่านอนที่ไหนก็ได้ไม่มีบ้านนอนก็นอนไปนอนที่วัดก็ได้ นอนก็ไ ด, ด้กินก็ได้ทรายก็ได้อืมก็คือเหมือนเราพิจารณาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์มันจะได้สุกใจให้เราเตรียนตัวรับของสภาพเวลาที่มันไม่มีอะไรเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันแต่มันก็ต้องไปเก็ต้องไปสุก ด, ด้วยการอยู่แบบไม่มีอะไรด้วยไปอยู่วัดบ้างไปอยู่วัดไม่มีตู้เย็นไม่มีทวรทัศน์ไม่มีเครื่องเล่นอะไรต่าง มีแต่ห้องให้เราหลับนอนอย่างเดียวกับโ้องน้ําล้วให้เราไปสวมดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเมื่ อ, อต่อไปถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ต้องมาอาศัยการไหว้าระสวมดมนต์เป็นเครื่องมือให้ความสะดวกใหองแทนที่จะต้องใช้ทีวีใช้นู่นใช้ตู้เย็นใช้อะไรต่างๆแล้วก็สวมดมนต์ไปนั่งสมาธิไป เรวก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรควรจะเข้าใจยังเข้าใจค่ะว่าสิ่งที่เราอยู่ในวันนี้มันไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมจะหมดเนื้อหมดตัวเมื่อไหร่จะสิ้นเนื้อประดาตัวหรือไม่ทำไมรู้ไหมอืมค่ะถ้าใช่ค่ะขอถามอีกคำถามหนึ่งค่ะว่าอย่างความที่เราอยากประสบความสมําเร็จอันนี้ก็เป็นความอยาก ก็เป็นความอยากในความสําเร็จนี่มันก็มันก็ดีกว่าไม่สําเร็จทําอะไรมันก็ต้องทําให้มันสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกมันก็มันก็ยังมีประโยชน์กับชีวิตเราถ้าเราสําเร็จเราก็จะได้คำตอบแทนอะไรบางอย่างมาช่วยจินเจือชีวิตของเราแต่เราก็ต้องต้องอยากในขอบเขตคืออยากในตามความสามารถของเราแล้วก็ต้องพร้อมที่จะรับต่อความ คามผิดหวังอยากแล้วแต่บางทีมันไม่สําเร็จก็ต้องอยอมรับ ว, ว่าอ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเปนปกติเราจะสําเร็จทุกขั้นไปมันก็ไม่แน่บางทีก็สําเร็จบางทีก็ไม่สําเร็จก็ต้องแห่งใจไว้รับรับกับการไม่สําเร็จ ด, ด้วยเราก็จะได้ไม่ทุกแต่ถ้าเราคิดว่าต้องสําเร็จอย่างเดียวต้องสําเร็จอย่างเดียวถ้าเกิดไม่สําเร็จมันก็จะเสียใจมากมเด็กบางคนก็ต้องเอ็นให้ได้เอ็นให้ติดเอาไม่ได้ก็เสียใจ บางทีที่ฆ่าตัวตายกันก็มีก็อย่าปล่อให้มันทุกข์ถึงขนาดนั้นต้องบอกใจเรามุ่งไม่ไว้มุ่งหน้าต่างสิ่งที่เราต้องการ น, นี้มันอาจจะได้มันอาจจะไม่ได้แต่เราก็ทําให้ดีที่สุดตามกําลังของเราเพราะว่าถ้าได้ก็ดีถ้าได้ไม่ถ้าไม่ได้ก็รอหน่อยทำหามา่อยหายใจหาใจนะหมดหือยังหมดแลค่ะครับคุณ เป็นคุณกาแฟต่อเป็นกาแฟจากโซล่าครับมรมสการครับอาจารย์แต่ว่ายัางไงมีคำถามไหมวันนี้มีสองประเด็นครับถามเลยเมืม่อเมื่อคืนนะครับฝันฝันถึง <c oughs> ฝันถึงพระพุทธรูปสีทองครับแล้วก็ฝันถึงพระที่ที่เราไม่ค่อยได้นนะครับเหมือนฝันถึงพระอาจารย์อินทวายครับแล้วก็ตอนเช้าก็รู้สึก รู้สึกดีอันนี้แบบว่าคือเราไม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยเราอยู่เราไปฟันถึงนี่มันแปลกไหครับไม่จําเป็นคนระถ้าเราเคยได้ยินด้วยฝั่งท่านไม่ได้เจอตัวแต่ได้ยินข่าวข่าวมันก็ฟังอยู่ในใจเราในร้านนอนหลับมั น, น, นก็ผลิตมาได้แต่แต่เป็นเรื่องที่ดีผมก็รู้สึกยินดีครับก็ฟันยังได้มันดีกับาฟันยังโจร น, นะถ้าเป็นพระแบบว่าท่านแบบ ระดับแบบนี้เราเราจะไม่ค่อยฝันถึงท่านนะครับครับแต่มันก็ไม่มีนยัยยะอะไรมันต้องเป็นแต่ความคิดของเรานึก ค, คิดก่อน้ครับรแล้วก็ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผู้จารย์แบอบกว่าลูกค้าน้อยใช่ไหมแบอบกว่าโควิดอะครับผมก็รู้สึกทุกข์นะสี่ห้าวันอนะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดนั่งพิจารณาแล้วก็แบบว่าคิดว่าเออคิดว่าเราถ้าเราแบบ ความคิดเราอะเราแบบไม่มีสมาธิเราก็เลยเป็นทุกข์ถ้าเรามีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเหมือนแ บ, บว่ามันเรามีสติตลอดเวลาอะไรที่เข้ามามันก็จะไม่มีความทุกข์ก็เลยลองนั่งสมาธิดูครับเพราะว่าปกติขามันก็นั่งไม่ได้แต่ว่าคืนนั้นก็นั่งได้นิดหน่อยครับพอนั่งแล้วคืนแรกก็รู้สึกสบายก็นอนหลับได้พอคืนที่สองก็เลยฝันถึงเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นแล้วก็มันโยงไปหมดลแล้วก็เรื่องมีแฟ น, น, นแล้วเนี้ยเราก็คิดว่าเออเรา อยู่คนเดียวสบายกว่าแล้วก็อยู่กับสติอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบว่าเหมือนคิดเหมือนเป็นปัญญาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปเสริมสมาธิแล้วก็ลากยาวเป็นความคิดที่แบบดีขึ้นนะครับผมก็ดีนะอที่สมองการทำทำจะทาให้เรามีธรรมะม า, มาสอันหลัาใช่ใช่ครับเหมือนว่าเหมือนเราฟังมาเยอะแล้วแบบว่าพอเรามีปัญหาแล้วเนี้ยเราก็สามารถแก้ตัวเองได้ครับไม่ไม่ไมต้อง ไม่ต้องไปคุนรบกวนแต่ว่ามาเล่าให้ฟังมันก็มันก็ดีมากๆครับมันแบบแบบสุดยอดรู้สึกรู้สึกดีครับก็ดีเราพยายามทําต่อไปคทำต่อไปแล้วก็ปฏิแล้วก็ปฏิบัติต่อไปนะครับรักษาให้ดีสมาธิสติแบบบ่อยๆสมาธินั่งบ่อยๆปัญญาก็คิดฐานตายรับไปครับแล้วเดี๋ยวเวลามีความจําเป็นจะใช้มันก็จะมามารับใช้เราทันที ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากครับครับโอเคครับหมดนรืยังหมดแล้วครับผมโอเคนเดี๋ยวไปที่คุณเซินทอต์เินทอนทำงานอยู่เลยนักวัชการพระอาจารย์ตุกค่ะ USA Maryland ค่พระอาจารย์ยมสบัยดีพระอาจารย์สบัยยังไม่ได้เข้ามาเลยสงสัยทำงานม้างครับพอาจารย์ทากนแต้องแอบอบออกมาทากินแล้วต้องแอบออกมา ของโยมก็ไม่ค่อยมีอะไรค่ะปฏิบัติเรื่อยๆค่ะก็ต้องเจริญสติให้มั่นคงแล้วพอเจริญสติมั่นคงแล้วสมาธิก็ ก, ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์พระอาจาราย์คะโยมมีคําถามหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่อนะค่ะการที่เรานั่งสมาธิหรือปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้จิตเราละเอียดขึ้นใช่ไหมคะหมายถึงว่าสารมากขึ้นแล้วก็มีมีความรูษษษ้ทันอะไรเรื่องราวต่างๆได้เร็วขึ้น ค่ะแล้วกลายกายกายละเอียดเราก็จะละเอียดขึ้นไหมคะพระอาจารย์ก็จิตล้วเนี่ยก็คือกลายละเอียดแล้วแล้วมันมันมันมีความคือการปฏิบัติมากๆนี่ทําให้เราคือทําให้เราถูกผีหลอกง่ายขึ้นไหมคะพระอาจาไม่หรอกไม่หรอกเยอะอะแล้วถ้ว่าเราจะแผลบ้นจะมีอาการใกล้คลีเหลอาเยอะเวลาจิตสงบเนี่ยมันจะเป็นอาการเหมือนถูกผีออม ค่ะพระอาจารย์อันนี้คือโยมคิดไปเองใช่ไหมอมีปัญญาแล้วเขาบอกมันเป็นการเล่นกลของจิตใช่ไหมการจิตเวลาสงบแต่ละครั้งมันจะเล่นมันจะมีบทบาทมีเวลาพวกอะไรอย่างนั้นเลยค่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกตกมาจากที่สูงแล้วรู้สึกว่ามีใครมาอุ้มมายกเราทุ่มลงไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะโยมก็เลยไม่แน่ใจโยมไม่มีสติรูเฉยๆไม่ต้องไปตื่เต้นตกใจค่ะ แต่พอยยมเจิตมันไได้เป็นม<ต>ปฏิบัติต่อเขาก็มันมันก็อาการทั้งหมดก็หายไปทั้งหมดเลยเวลาสงบแล้วมัหายไปหมดแต่กอนจะสง บ, บนี่แมจะต้องฟาดฟานหางฟานม่วงกอดอาการ อ, อมัน่ออ๋อค่ะพระอาจารย์นั่นคือจิตปรุงตงของโยมนั่นเองโยมสบายใจแล้วค่ะอาจ<ม>ารย์ไม่มีอะไรแล้วไม่มีทีที่ไหนแล้วโยมก็กลัวว่าโมเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ งั้นก็ยงก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะจริงเขามันมาเสกเราแล้วว่าไอ้ตัวที่เราแล้วคือผีปลอมผีที่อยู่ในใจเราเนี่ยผีที่คิดไปเองค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ับสาธําจารงานต่อไปเลยจ้าค่ะพระอาจารย์กาเยี่เที่ยวก่อนสิบอดโมงนะหอหนชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งค่ะพระอาจารย์ยงก็ฟังพระอาจารย์ไปเรื่อยๆค่ะ ได้ย้อนไปที่คุณสภัสตาต่อเพื่อนเพื่อนอยู่ Dallas, เดลัสเท็กซัสเขาเคยติดต่อกันไหมเคยทักทายกันไหมคุณสภัสตากลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไ ม, ไม่ไม่เคยแล้วค่ะยังไม่ได้ติดต่อะะกันค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ขออนญุญาตถ่ายหน้าจอแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อสนใจอยากจะเข้าร่วมนะคะได้ถ่าเจอแล ใชแล้วค่ะลูกก็เลยต้องคอยถ่ายเป็นเมื่อบอกวิธีการเข้านะเจ้าค่ะพูดง่ายไม่ยากหรอกค่ะคุณพ่ออายุ80แล้วเจ้าค่ะ80ะ ห, นหน่อยๆแล้วก็เลยบอกว่ากลัวเดี๋ยวทําผิดทําถูกก็เลยเดี๋ยวถ่ายรูปไปแล้วคอยบอกเขาขั้นตอนการเข้าเจ้าค่ะคนะคะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ทุกอย่างดีหมดนะการปฏิบัติ ฝึกฝึกเรื่อยเจ้าค่ะฝึกเรื่อยเจ้าค่ะควบคุมจิตให้สงบอย่าให้มันอย่าให้มันออย่าให้มันไม่สงบอย่าให้มันนะอย่าให้มันนอกนอกรูนอกทานนะเจ้าค่ะลูกลูกจะจําคําที่พระอาจารย์สอนไหมเจ้าค่ะคือการต้องรักษาใจสําคัญที่สุดเจ้าค่ะถ้าจะให้ดีแล้วทุกอย่างดีหมดถ้าใจไม่ดีเราทุกอย่างไม่ดีหมด ้ะค่ะกับขอบคุณจะสังเกตในวันนี้อารมณ์ไม่ดีทุกอย่างไม่ดีหมดเลยค่ะเห็นเห็นความเดี๋ยวนี้เห็นความต่างชัดเจนเจ้าค่ะเห็นความต่างมากเลยเแตะถ้าสงบแล้วก็พอมีอะไรเข้ามาไม่สงบนี่เห็นชัดเจนมากก็เลยดิ่งไปสงบดีกว่าจ้าปล่อยดีกว่าเลยเลยนะรู้รู้รู้เลาว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนปัญหาเรื่จิตใจเราเนี่แลย อะไรอะไรเข้าใจคําที่พระอาจารย์พูดเสมอว่ารักษาใจรักษาใจอะไรบอกอ๋อรักษาใจเป็นอย่างนี้นี่เองแบบอย่าไปเอามาเลยเหมือนวุ่นวแล้วค่ะเออแล้วค่ะป่อางทุกอย่างอะไรจะเกิดก็เกิดในระดับไม่ดับไม่ใช่ขอเรานะคะอาจจะช้าหน่อยนะเจ้าค่ะบางทีปล่อยวางก็ก็นานหน่อยแต่ก็ยังคิดว่าเออดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราไม่รู้จักปล่อยเลยแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็รู้จักแล้วค่ะ เมก่อแบดหมดไม่ไดเข้ามาแบดเหมืบบบนนอนกันขนาดออกใจไม่ไม่รู้ความต่างเลยเจ้าค่ะทุกก็ทุกไปกับมันทุกเป็นซ้ำจนโอ้โหไม่ไม่ไม่เห็นความต่างตอนนี้เห็นแล้วเจ้าค่ะก็เลยเข้าใจเข้าใจทุกอย่างที่ครูอาจารย์สอนเจ้าค่ะก็คือเหลือแต่ปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเจ้าคะใช่ค่ะกลาบขอบคุณเจ้าค่ะกลาบขอบคุณคนที่เพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิ่งเข้ามาเดีวเราคิวกันนะ เดี๋ยวไปที่คนเชล้มชัยก่อนคนเชล้มชัยอยู่ที่ไหนอยู่ใต้กำแพงครับที่ไหนนะใต้กำแพงครับใต้กำงกรุงเทพกรุงเทพโอเคมีอะไรไหมมีสข้อนะครับคือก่อแรกผมได้ยินก็ได้ยินมาว่าระสญญบกเนี่ยพระละแก็เป็นได้แลว รู้ได้ยังไงว่าใครเป็นตัวแทนเนี่อเออเรารู้ตัวเองก่อนถ้าตัวเองยังไม่เป็นไปดูคนอื่นไม่ได้ตัวเองนะผมจะดูตัวเองได้ยังไงว่าเออคือปล่อยวางร่างกายได้ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายพรา ว, ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไร เวลาร่างกายตายไ ป, ไปเป็นอะไรไปเราไม่ได้ไปไปกับมันพอร่างกายตายไปแล้วนะนะอะไรนะโจิตถ้าร่างกายตายเราเมื่อไหตายนะจิตเราคนไี้เสียงคุณชอบไมีเสียงเสียงเสียงแซาเข้ามาทุกครา้ที่พูดมันเลยฟังมันค่อยได้ยินเสียงแต่มันถูกไอ้แก๊กแก๊กแกคนใช้คนใช้อะไรอยู่ตอนนี้มันรู้สึกอติพลมแลาก็ เสีงยงทัดมฮะเมียงพัลงอ่าน่าจะเป็นที่เสียงไมโครโฟนนะเอ๋อเหรอครับตอนนี้ ไ, ไม่ยินใจแบอ่าเอ่อปลดปลดไมโครโฟนออกจากเครื่องเลยดีไะครับใช้ใช้ใช้ของโน้ตบุ๊กเลยนะยีนไหมฮะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่ า, าพูดใหม่พูดใหม่เลยใช่ เออพูดได้อัลโหฮัลโหลเอ่อพูดได้เลยเชิญขอโทผมขึ้นงเข้าครั้งแรกเออไม่เป็นไรพูดได้เลยเมื่อกี้เสียงมันมันมีแกล้งแกล้งอยู่ตลอดเว ล, ละคือเอ่อทีนี้เนี่ยฮะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วก็ถ้าเราแตกดับร่างกายเราแตกดับไปเนี่ยนะอืมจิตของเราไม่ได้ดับไปกับร่างกายไม่ได้แก่ไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย ทีนี้เนี่ยเ อ, อการที่จะไปทางดีหรือทางไม่ดีเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทําตลอดมาหรือเปล่าหรือว่าเคยคได้ยินอยู่ที่<ฤ>สมุนกามาที่เราทำอย่างถ้าทําบาปมันก็จะไปทางที่ไม่ดีทำบุญมันก็จะไปทางที่ดีทีนี้ถ้าเราทำทั้งสองอย่างมันก็จะมาแยกกันใครไหนมีกําลังมากกว่าไม่ควรเดินไปทางนั้นก่อน อใจไหคือคือถ้าโสดาบันนี่นะฮะถ้าเพียงแต่ว่าไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายอันนี้ก็ได้เป็นได้แล้วเหรอคก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนนึ่งก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากต่างๆมาเกิดจากการกระทําบาปก็จะไม่ไม่ทําบาปอีกต่อไปเพราะไม่มีใครอยากจะต้องการความทุกข์ใจว่าโซดาบันก็จะรักษาสี่ห้า อย่างยิ่งกว่าชีวิตได้แล้วก็จะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อแก้ความทุกข์ใจเพราะรื่ความทุกข์ใจเกิดที่ที่ความอยากของเราเองพอตายความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหาย ไ, ไปไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปบนบานขอสิ่งจักสิ่งจักสิ่งขอให้มาช่วยบรรเทาความทุกข์ยากอะไรต่างๆขอา ว่าเราสามารถดับความจากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาในการมยงตาเห็นธรรมแล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริง น, นี่คือพระโสดาบันจะเป็นอย่างนี้อทีนี้อ น, นิสงส์ของการที่เป็นโสดาบันนี่จะนําไปสู่นิพพานได้ไหมได้ก็ เ, เหมือนกับจบปริญญาขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็ยังมีอีกสามขั้นที่ทต้องทาต่อ ตีโทเอกอะไรไปเนี้เป็นขั้นไหนบ้างคะตบทั้งโสดาบันแล้นก็จะมีสกิทาคามีนกาการาคามีแล้วก็อรหันหมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันสแสดงว่าถ้าคนที่จะไปนิพพานได้นี่ก็ต้องอยู่ในถึงพระอหรหันต์ใช่ก็ต้องทํำให้สําเร็จเป็นญาปริญญาเอกของศาสนาพรูโสดาบันนี่เรียกว่าปริญญาตีสกิทาคานาการญญาคานี่เป็นขั้นปริญญาโท แล้วอันนี้ผมก็เข้าใจว่าเอการที่จะสําเร็จอันนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่ในเป็นสมาธเพศไม่จำเป็นไม่จําเป็นเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เดี๋วที่ว่าเราตัดกิเ ล, ะละสเลาสัญญาณกิเลสสิชนิดได้หรือเปล่ด้วยปัญญาด้วยสีนสมาธิปัญญาได้หรือเปล่าเออ ทีนี้คือผมในเรื่องของการทําภาวนาเนี่ยผมว่าผมผมว่านั่งผมนั่งได้ไม่นานนะนะก็มีมีถือศีลนะครับศีลห้า ก, ก็พยายามต้องฝึกต้องฝึกสติไปก่อนต้องฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าเกยดี้เกียจตื่นขึ้นมาก็มือตาขึ้นมาก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดในเวลามานั่งสมาธิก็จะนั่งได้นะ ใส่บกได้เลย เ, เคยได้ยินว่าคําว่าการเ อ, อการปฏิบัติธรรมเอ้ยการทํางานก็คือการปฏิบัติธรรมอันนี้หมายความว่าอย่งไงไม่จริงรอกการทํางานก็เป็นการทํางา น, งานการปฏิบัติธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมนี่แต่เขาเล่นสํานวนหรือถ้าเราทํางานด้วยสติก็ ถ, ถือว่าเราปฏิบัติธรรมขั้นสติแต่มันจะเป็นสติที่ยังไม่มีประโยชน์ ในการที่จะไปทําจิตให้สำเรเพราะมันเป็นสติที่ยังไม่หยุดความคิดทํางานเราก็ยังคิดอยู่าการที่เราทําแต่ถ้าเป็นสติจริงๆต้องไม่คิดเวลาที่เราทําอะไรเช่นล้างหน้าแปลงฟันนี่เราก็ล้างหน้าแปลงฟันไปมีสติดูมันทำมันไปแต่ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนละนเรื่องนั้นถือว่าเป็นสติที่ปฏิบัติธรรมจริง ก็คือหมายความว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถ้าเราทําอะไรแล้วอยู่กับตรงนั้นแล้วเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นอ่ามันจะไม่เข้าในการปฏิบัติ ท, ทําได้ฉะนั้นก็คือการฝึกสติใช่ไหมใช่การฝึกสติคือเราต้องการควบคุมความคิดไม่ให้คิดให้รู้เฉยเฉยรู้ว่าเรากำลังทําอะไรแต่ไม่ต้องคิดอืแล้วคิดให้น้อยก็าจำเป็นต้องคิดจะคิดให้น้อยที่สุดถ้าถองจำเป็นจะต้องคิด ไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดเพ้อเจอเพ้อฝันเลยคร่บอันนี้ก็จะจะมีบางครั้ง น, นะฮะที่ผมทําอะไรแล้วทําอันนี้อยู่แล้วไปคิดกังวลเรื่องอื่นอมันจะนเข้ามาก็ไม่มีสติแล้วสติไม่มีนะถ้ามีสติจะไม่ไปเรื่องอื่นจะอยู่กับเรื่องนดียวที่เราทํ<ะ>าำพอใจไหมบ๊วยที่ยังเอ่อครับท่านี้แหละครับโอเคคุณมากครับ ภาษาที่บุญจิราภาเชิญบุญจิราภาอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ขอไปด้วยคุณถามอยู่ด้วยคนอันวิวันได้ไหมอันนได้ค่ะได้ยินนะคะได้ยินนะชัดเจนโอเคค่ะคือดิฉันเป็นคารวาสเนี่ยนะคะแต่ว่าตามขั้นตอนเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาทีนี้ ชีวิตของคาราวาสเนี่ยบางทีมันต้องทําปาณาติบาตอย่างเช่นปลวกขึ้นบ้านเนี่ยค่ะการที่ศีลกระพร่องกระแพ่งเนี่ยมันจะมีไปมีผลกระทบต่อสมาธิและปัญญาอย่างไรบ้างคะก็มีเพราะเวลาเราทําผิดศีล้วใจเราจะไม่สบายใจเราไม่เป็นปกติเวลาทําสมาธิมันก็จะเป็นใจใช่ไหมใจมันก็จะเป็นประส่อการทําใจให้สงบเพราะใจมันจะกระเพื่อมอยู่เรื่อย ความผิดที่เราทำไว้ถ้าเราไม่่ะก็อย่าไปทําผิดสิอย่าไปทําผิดศีลไว้ก็เลยก็ทําก็ชีวิตในคารวัตก็ต้องก็ต้องอยู่วนเวียนอยู่กับดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้น้อยที่สุดนะไหนเรียกได้ก็เรียกเรียักไม่ได้ก็ก็ทําไป ค่ะขอบพระคุณค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะตอนสวดมนต์เนี่ยนะคะนึกถึงคุณของพระสงฆ์เนี่ยค่ ะ, คะเขาแยกออกเป็นสี่ข้อก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรทั้งสี่ข้อเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันยังไงคะปฏิบัติชอบก็แปลว่าปฏิบัติปฏิบัติดีก่อนคือปฏิบัติโนปฏิบัติ ด, ดีฮนะดีก็เหมือนนักเรียนเรียนดีทำทุกอย่างถูกต้องหมดใช่ไหมทำครบทุกอย่างสอบก็ได้สี่จุดเนี่ย คือทําเต็มที่ทำเต็มร้อยนะไม่ไม่บกพร่องในการปฏิบัติเข้าใดข้อไหนนี้เลยทําดีทําเต็มร้อยทําตลอดเวลาคือปฏิบัติเพื่อตรงตรงต่อพระนิพพานก็ได้ปฏิบัติเพื่อเพื่อไปพระนิพพานไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรต่างๆตอบก็คือหลุดพ้นนะคะเออเพื่อหลุดพ้นก็ได้เพื่อปฏิบัติตองต่อหลากคําสอนของพระเจ้าก็ได้ พเจ้าถอนให้รักษาศีลรักษาศีลถอนให้นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิถอนให้เจริญปัญญาก็เจริญปัญญาตรงต่อคําสอนของพระเ จ, าจา้าไม่แหวกแนวไม่ไม่ไม่<อ> ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่อ้างโน้นอ้างนี้ว่าเอยนั่งสมาธิไม่ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้อย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ตรงนะไม่ตรงต้นั่งสมาต้นั่งสเนียปฏิบัติชอบอะค่ะปฏิบัติชอบ โยมก็ไม่รักษาศีลว่าออโยมก็้ามวาเป็นคาราวานนี้ก็ไม่ตรงต่อคําสอนนะอันนี้เหรอคะไม่ตรงเหรอคะอา้างแบบนี้ไม่ตรงเหรอคะไม่ตรงนะอโอเคงั้นต้องรักษาให้หถ้าค่ะถ้าถ้ารักษาให้ได้เออมันถึงจะตรงเนะี่ยถ้าไม่งั้มันก็จะหมกพร่องมันก็อาจจะทําให้เราไปไม่ถึงจุดหมายที่เราต้องการไปได้นะ <ผ>แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ได้ยายะนี่การปฏิบัติเพื่อเพื่อดูพ้นจากความทุกข์อย่างเดียวเป้าหมายของการปฏิบัตินี้คือให้มันดับความทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาบสักการะอย่างบางคนมาปฏิบัติแล้วก็มีชื่อมีเสียงก็เลยมาหาลาบสักการะแทนหาชื่อหาเสียงหายอดหาตําแหน่งอะไรตัดแทนถ้าผู้ปฏิบัติจริงๆแล้ว<ข> อ, อัอันนี้ปิิบต ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการลาบเลือดสรรเสริญจากใครทั้งนั้นต้องการดับความทุกข์ที่มีในใจให้มันหมดสิ้นไปเท่านั้นเองกระจยไหมอย่าอย่าชอบใช่ไหมไม่มันปฏิบัติปฏิบัติชอบใช่มการนี้ปฏบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ข้อสามปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ข้อสี่นี่เรียกวปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเช่าว่าปฏิบัติให้มันถูกต้องนะอย่าไปทํำบาปผิดๆถูกถ้าให้มันถูกถุกกอ๋อค่ะค่ะแล้วปฏิบัติควรนะคะไม่มีแล้วมีแค่สี่ข้อนี้แหละไม่รู้ควรอยู่ตรงไหนก็ไปรู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพม่ยังข้อสาปฏิบัติควรควรต่อการหลุดพ้นจากสวุกข์สามีจิตปฏติปันโน ร้านดีเป็นปฏิบัติชอบเข้าใจแล้วนะออคือสองสัยมานานนะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะนรัาเถอะิไปที่ภูผาแล้วภูผากับลูกไม้หลับไปบ้ากเสร็จหร้ยังเจดแล้วค่ะหับแลับหน้าหลับท่าแล้วกินข้าวเย็นแล้วเ <shutter. S 1> ดี๋ยวพร้อมที่เข้านอนแล้วใช่ไหม ไปยังไงมีคำถามอะไรไหมที่วัดมีไปสังเวยได้หรือยังเจคะยังไม่ได้สแสดงธรรมที่วัดสแสดงออนไลน์นี่ไม่ก่อน <c oughs> ออกมาปลอดภัอยอราะ ไ, ไปอยู่ใกล้ากันแล้วเดี๋ยวใครมีเชื้อมันก็มาติดเชื้อกันอีกเนืเ้ยอยุ่งอีก เม่อไม่มมนามานี้ผู้คนอยจะหมุนมาถามเรื่องฉีดวัคซีนไหมครับถามแล้วค่ะมามัเาฉีดแล้วสองเข็มฉีดไปเซ็นเข็มที่สนี่ตัง้งแต่ือนที่ล้วเออเนี้เออือนที่แล้วฉีดมีขาหมีนิดหน่อยมันเหมือ น, นเมหมือนเข็มน้าเข็มแรกก็มีไข้เข็มที่สองก็มีไขต่ อ, อไปก็แข็งได้ก็ใช่ นี่มีภูมิแล้เวลามีชือติดเชื้อก็จะไม่ป่วยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ตายครับแต่ยังติดเชื้อได้อยู่ฉีดวัคซีนนี่ไม่ได้ป้องกันการไม่ติดเชื้อนะการป่วยนะเชื้อได้อยู่น้องตาเจ้าขาเราโยงมีคําถามหนึ่งคำถาม ค, ถาค่ะพอดีเมื่อเดือนเดนี้เป็นเดือนครบรอบที่คุณพ่อเสียแล้วโยงนั่งเดียวก็รักษาเศษแปะ เดือดขังยังไม่ได้ยินแล้ว อ, ะอ่ะอืมไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเสียงแล้วครับได้ยินได้ยังได้ยินแล้วค่ะไม่ไยินอยู่ในดีมันก็หายไปทั้งจอเลยพ <laughs> อกลับมากลับมาแต่ภาพเสียงยังไม่ยังไม่เกิดเลยต้องไปกดปุ่มให้มันเปิดขึ้นมาครับได้อตอนนี้ได้ยินแล้วเจ้าค่ะโอเค เข้าใจหมเมื่อ ก, กี้ไม่ได้ยินคำตอบค่ะหลวงตาคำตอบว่าอะไรว่าคำถาม ค, ค, ค, คถามของโยมโยมถามว่าพอดีเดือนนี้เป็นวันครบรอบที่คุณพ่อโยมเสียชีวิตไปได้ยี่สิบหกปีโยมก็ทำรักษาศีลแสาง <8, 3 S 1> วันถวายให้กับคุณพ่อเนี้ยค่ะให้ไม่ให้พ่อกับแม่เนี่ยโยมอยากทราบว่าเราทำแบบเนี้ยพ่อกับแม่จะได้รับไหมคะ ไม่รู้หรอกพอว่ามันต้อง26ปีแล้วไม่รู้พ่อไปเกิดใหม่นีอยังก็ไม่รือ <c oughs> แต่ก็ทําไปทําเพื่อเราอย่างน้อยเราได้นะส่วนพ้อจะได้ไม่ได้นั้นมันเรื่องของพ่อครับแต่เราก็ทําไปแล้วก็ส่งไปก็แล้วกัน <c oughs> ท่นนี้เหละมีท่นี้นะจะได้ไปที่ท่านต่อไปว่ามันจะกละ้าขอบคุณค่ะขอบคุณน่ารักช่วย ขอให้หลวงตามีอายุยืนยาวเกิน120ปีนะคะเออสาธุจ้านัานอยู่ได้ก็จะอยู่มาถามลูโอเคตั้งใจเรียนหนังสือนะเป็นเด็กดีเชี่ยวตามผู้หลักผู้ใหญ่นะหนุ <c oughs> okay. ่เะคณจีบถึงเวลากูนะคุณจีบไม่ได้ทำงานเลยอันนี้ วันวันม้ก่อไปกลับมรราจัดการค่ะทำค่ะวันนี้ทำค่ะยมเข้ามาพอดีที่สลินทรเพิ่งพูดอยู่กับพระอาจารย์นะคะค่ ะ, ะยมก็ไม่มีอะไรคะ่ะยมก็พยายามช่วงหลังๆอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาหลังคุยกับพระอาจารย์จิตก็ส่งออกนอกบ่อยๆคะ่ะบางทีมันก็จิตตกๆมันก็เกิดประกอบกับฮอร์โมนพุ่งพ่านไม่เกิดอาการแบบว่า เกิดแบบอยู่ดีๆเห็นอากาศพระเจ้าอาจจะเห็นอากาศมันแบบทําให้<น>เราก็เลยรู้สึกแบบมันเห็นไหมเจ้าค้ามันแบบมันเหมือนฝนตกเป็นมเมฆเมฆใช่ใช่ค่ะฝนตกทั้งวันแล้วเมฆมันก็จะมันก็เลยดูคลาวดี้คลาวดี้อารมณ์เราก็จะแบบข <sadness> ม, มวัวไปด้วยมันก็เลยแบบเออสงสารเราคงฝึกติดไม่พอยังมีสติไม่มากพอใช่เราไม่อินกับอินกับลูกเสียงกินน้อยมากเกินไป ใช่ค่ะพอบางอย่างเกิดขึ้นสมมติวันนั้นตอนนั้นที่โยอมเคยบอกพระอาจารย์ว่ายมจะไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาแบบเขาเลือกอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็บอกเออเราก็สูสีกันมากแต่ว่าเขาต้องเลือกคนหนึ่งยมก็เลยรู้สึกแบบเออก็ผิดหวังเล็กน้อยมันก็ก็เลยรู้สึกเออเนี่ยพอเราไม่ได้อย่างที่เราอยากมันก็เกิดอาการแบบอืมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วยมก็เลย เ, ออเราก็ต้องเจริญปัญญาให้มากเนาะ ก็เลยไม่ก็ต้องฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ยมก็จะมีของดีกว่านี้รอเราอยู่ก็ได้โอ้โหศาสตร์ถูกครับอาจารย์ยมเชื่อฟังพระอาจารย์ <c oughs> ทุกอย่างที่เป็นทางด <c oughs> ่วปลอบใจตัวเองเข้าใจไหต้องจับปลอบใจตัวเอง <c oughs> พระอาจารย์ต้องเป็นฟอร์จูนเทเลอร์ให้โยมอ่ะไม่เราอันนี้เป็นการคิดก็ปลอบใจตัวเอง <c oughs> ค่ะค่ะยมยมเชื่อยมรับยมน้อมรับค่ะพระอาจารย์ยมก็คิดให้มันด่ว เออที่<ช>บวกบ้างอยากไปที่ี่น่าใจทุกข์ทำไมที่น่าใจสุขไม่ดีป่าค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มันก็ถือว่าเราไม่ได้อยากมากจนเกินไปใช่ไหมคะถ้าในเรามีภาวะทางโลกที่เรายัางต้องรับผิด ช, ชอบอ ะ, อะไรอย่างนี้อ่ก็อยากได้แต่อย่าให้มันทุกประกันเวลาถึกหมดนะไม่ได้ไม่ได้ก็ยอมนะว่าครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้ามันจะมีของดีปะ่ะเราอยู่ก็ได้ แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดบางคนที่คิดว่าเออชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรมเราคงทํำคำ ม, มาชัดก่อนถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆมันดีไหมคะพระอาจารย์ก็ได้ถ้าเราไม่ทุกข์แล้วเรายังดําเนินชีวิตตามปกติได้ก็แล้วถ้ า, ถ, าถ้าคิดแบบนี้แล้วมันไม่ได้ตัดเลยนะคะสมมุติบางคนคิดคิดเออแต่มันไม่ตัดมันก็ยังเศร้าอยู่เงี้ยค่ะก็แสดงว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ถับตาที่เราคิดคิดอย่างมันจะใจไปอีกอย่างหนึ่งคือพิดอ่า ค่ะค่ะงั้นโยมก็โยมทุกอย่างเราก็ต้องพยายามก่อนลงตรงไหนไม่ได้สุดท้ายคอยมาบอกว่าเออยอมอย่างนี้ใช่ไหมค่ะยอมหยุดอย่ะงนีใช่เจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้วันนี้วันพระหระคะพระอยเดี๋ยวกลับายศมเมื่อวนี้เมวานวานนี้วันพรวันนี้ไม่ใช่อ๋อใช่ใช่เมวันนี้ใช่ใช่โยมเลยเม่อวันนี้เออใช่ของเล้าช้ากว่าของมรดไพร มองว่าค่ะเดี๋ยวกลับไปทางานต่อค่ะยนนี้โยมแวบออกมาข้างนอกกลัวว่าเดี๋ยวนายได้ยินภาษาไทยนายคงพูดภาษาอะไรเจ้าค่ะขอบพระคุณสภาพด้วยเจาค่ะสุขภาพยนะคะมมีมือเดียวมน่ไม่เป็นไรนะเธ้อะไรคปุ้ยตาปุ้ยปุ้ยันี่อยางลูกสัเบิร์นปุ้ยได้ยินไหม ได้ไหมคะรักสัมเบอร์ใช่ไหมได้ยินไหคได้ยินไหะได้ยินดีเลยทำงานไปด้ยสวัสดีค่ะธรมการกลับธรรมกลับธรรมการค่ะโอเคอยู่ที่รักสัมเบอร์ใช่ไหมได้อยู่ที่รักสัมเบอร์ค่ะอาจารย์รักสัมเบอร์ ลัชสมบัตนี่มีเมืองเดียวหรือมีหลายเมืองเใมคประเทศรักสมานี้มีเป็นเมืองรักสมเมืองเดียวมืองเดียวค่ะเล็กเลยเท่าจงหบุรีเลยเมืองหนึ่งเท่ากับท่าของประเทศเลยยังไม่เล็กเนเมืองจังหวัดบุรีอะค่ะมีประชาชนประมาณห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าเป็นเมืองหนึ่งใช่เมืองหนึ่ง เป็นยันี้น่าอยู่ไหมตอนนี้พัญญานสายการหาใายไปคุณป่วยตอนนี้หน้าหน้าจอฟรีแล้วเดี๋ยวขอไปที่จ้านต่อไปก่อนนะครับกลับมาแล้วพัญญาณคุณปุยเรียนได้ดีเลยแัญยาณปุวยไม่ดีเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ๋ยวไปตรงนู้นหาามุมหน่อยองหามุมหม่หามุมหน่อยเออโอเคเรา Oh. ได้ยินหรือยังคะ uh, ได้ยินได้ยินโ uh. อเคออค่ะออโยมจะถามพระอาจารย์พอดีว่าโยมทำงานไปด้วยประทานโชษกับบิงทีเน็ตมันเดินเดินเดินแล้วเน็ตมันไม่ค่อยสว่างทีนี้โยมปฏิบัติธรรมจะถามพระอาจารย์ว่า คือมันนิ่งและทีนี้เรารู้สึกอยากจะนั่งมีความรู้สึกอยากจะนั่งสมาธิอยากจะนั่งสมาธิคือไม่อยากจะทําอะไรเลยแล้ะรู้สึกดีรู้สึกใจมันนิ่งขนาดอยู่กับคนที่แบบทําให้เราโกรธเนี้ยเออเราจะแบบเออพุโทโธได้เลยแบบไม่โกรธอะค่ะก็ดีทำอย่าง <ทำ S 1> นีน้ได้ค่ะไม่ทลายค่ะแล้วเวลาที่ยงนั่งเนี่ยคือมันจะมีแสงสว่างเข้ามาไม่ต้องไปสนใจ เป็นจุดๆแล้วมันมันเป็นโพล์โพล์เดินไปนอนเดีมันไปดูมันกลับมาที่พุทโธพทโธเหมือนหลายปีที่แล้วที่โยมฝึกทางธรรมกายมันจะเป็นโพล์มันจะเป็นยูนมันเป็นของหลอกของวอมไม่มีประโยชน์เลยเราต้องการความสงบใช่โยมก็บอกเออโยมก็บอกตัวเองว่าไม่ต้องการนรกไม่ต้องการสวรรค์ไม่ต้องการเห็นนรกไม่ต้องการเห็นสวรรค์สีโยมฝึกก็คือว่า ใช่ต้องการสร้างบุญบารมีแล้วถ้าต้องการความสงบแล้วก็ <Okay. S 2> เพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวมันเบาๆใจมันเบาๆฮะเอ อ, อย่างงั้นก็ดีใช่เ อ, อแล้วมันไม่มันไม่เครียดอ่ะแม้แต่ เ, เราอยู่ใกล้ๆคนเครียดเราเราก็ไม่เครียดแต่ว่าใช่เออมันมีอะไรอย่างนี้น้มีโอเบคาใจเราวางเฉยใช่ค่ะแล้วพอดีโยมเห็นน่ะโยมเห็นเออเหมือนกับตัวเหมือนฝันน่ะ เห็นเห็นคนใส่ชุดสีชองเดินกับราจินีเลยเดินออกมาเดินออไม่ด้วยตัวเดินไม่สนใจมันเป็นภาพหลอกไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวมันเป็นภาพประยนตร์มันภาพยนตร์มันทำอะไรเราไม่ได้ใช่ค่ะโยมก็เชื่ออย่างนั้นแหละค่ะโยมไม่มีอะไรแล้วจังประเทศโยมเล็เล็กๆเหมือนจังหวัดสิงห์บุรีเลยค่ะเออ เชิญหนุ่มที่เชิญพระอาจารย์มาเที่ยวได้เลยอ่ะพระอาจารย์ชนอยู่ประมาณห้าแสนกว่าแล้วไม่มีโควิดแล้วตอนนี้แล้วมีอะไรที่น่าน่าดูน่าชม้่ะคงจะเป็้องราสาราชวังเนี่ยใช่ค่ะประสาทราชวังแคทชนเขาจะเรียกว่าแคทชนมีสมุดเจ็ดแคทชนอยู่ทางเหนืออยู่ทางภาคกลางแล้วบ้านยมอยู่ภากางแต่ว่ายมขับรถมาทํางานทางภาคใต้ค่ะ แล้วภประเทศนา่มัน<า>เป็นที่ราบ <oppose. S 2> มันมีภูเขาเป็นแบบมันก็มีคิวคิวเขาแต่มันมันมันมันไม่เป็นที่ราบมันก็มีทิวเขาแต่มั น, ม, ม, นมีใหญ่ใหญค่ะมันไม่ใหญ่เหมือนสวิตแลนด์แต่เป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยจะมีการท راف ฟิกแต่ว่าเออที่สะดวกที่สุดก็คือคือว่าเงินเดือนมันสูงที่สุดในในโยุโรปและก็อยู่อย่างสบายที่สุด นะฮะแล้วเป็นประเทศที่น้ํามันถูกที่สุด ท, ทั้งที่ตัวเองไม่มีบ่อน้ํามันเป็นของตัวเองนะฮะรัฐบาลเสนอมั่งค่ะเออรัฐบาลดีมากค่ะเพราะว่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับผิดชอบหมดทุกอย่างเลยแม้แต่จียงจิยาเขาจะเร็วมากและเราเป็นประเทศแรกที่ว่ากล้าที่จะเปิดตัวออกมาโดยที่ว่าจะไม่มีการแบบว่าไม่มีการเป้องกันการอะไรเลยแล้ว ใช่ค่ะเอะทุกคนได้ฉีดวัคซีนน่าส่วนใหญ่ใช่ค่ะทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีคนไม่มีคนตายมาตั้งนานแล้วค่ะเออก็ดีเลยมันปลอดภัยมากๆาก อ, อแืและแล้วก็ถามว่าเรื่องของโมยขโจยมันมันไม่ค่อยมีนะคะเออเมือ่อวานโชคดีมากเลยโยมอ่าเออไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โยมก็ล็อกรถนะแล้วเออโยมเอาลลหลวงรูปหลวงปู่สดอะ่ะ ใส่นว้ในรถและโยงมีลูกลูปหลงเอ่อหลองปูดทวดหลงปูดดูแล้วก็หลงปูดทวดอยู่ในรถด้วยแล้วก็หลงลูกหลงแม่จันาานันในนี้มีใครก็ไม่รู้มันเปิดเข้าไปในรถโยม<ล>มันก็รื้ออะไรของออกมาหมดเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ขโมยรถคือมันเข้าไปแล้วอ่ะเฮีอยโยมตกใจเลยเมื่อเช้านี้โยมโอ้โหโชคดีมากเลยไปเห็นหลวงปู่เข้ามึงอะไรถอยเลยมัง อ๋อไม่ดูว่ารถใหม่อ่ะว่าอาจารย์รถใหม่อ่ะรถสวยอ่ะเห็นรถสวยอ่ะตอนแรกคิดว่ามันแบบมันดูเข้าไปจะไปเอาตุ๊กตาเนี่ยนดูเฮ้ยมีเนี่ยเมนมีเอาตุ๊กตานี่าโอเคอาจารย์สบายดีหคะสดี่นเป็นยังไงบ้างก็ยังเป็นอางี้ก็ยังสูงอยู่ติดวันละหมื่นกว่านึงวันละหมื่น โยมก็ติดตามรู้สึกว่าเมืองไทยนอกจากจะมีโควิดแล้วจะมีปัญหาอะไรมากกเลยก็เป็นเรื่องของคขา่้อนแรกโยมก็จะไปช่องพรรษาแต่ว่าคงไม่ทันแล้วล่ะก็ไม่เวลามันเรื่องโยมโยณจะต้องไปปีหน้าลหละค่ะ้นปีหน้าโอเคให้บอกให้มันปอดไปก่อนตอนนี้โยมจะไปกาบลงใช่ วมื่าสอวักเกรินระอาจารย์เนี่ยเป็นระอาจรสมาชิกก็เข้ามากราบมกัาที่วัดคุณเกรินอยู่ที่แคลรนะะยมรู้วัดนี้ยมเคยไปมายมเคยไปมานานมากแล้วค่ะนะฮะชมชอบมากด้วยพระอาจารย์ของฮอยมหน่อยสิอ้าวไปสุกาเจริญให้ร่ำให้รวยทุกขอยทุกมวยสวยไม่สางบาไมรู้เลยสวย อ๋อยังรีวิวล้วเลยค่ะจ่าดูจาดูนะว่าจ่าขอบคุณมากค่ะที่เป็นกําลังใจให้ค่ะได้สวัสดีค่ะสู่ต่อไปนะจาสาจูค่ะคุณเพนทบูเหรอคุณเพนทบูเมื่อไงเนี่ยต้องขอผ่านไปก่อนนะคุณเพนเพราะไม่สามารถสื่อสารกันได้ตดยังไงได้มาแล้วได้แล้วอยู่ที่ไหน อยู่ใกล้ๆจา์นี่ครับผมอยู่สันตนี่ครับอ่าสันติหนี่ครับแต่ว่าลูกสาวผมไปอยู่เยอมันว่าเนื้อกลูกสาวครับตอนนี้นั่นสิเพราะมันมีชื่อผ่ารอยเเป็นเออเป็นอีเมลของลูกสาวครับอ่ามีการใช้นะก็ก็ปฏิบัติทำมาก็พอสมควรแม้แต่วิ่งแม้ก็เดินผมยังอสุภะได้อยู่ ได้ดีให้มีสติอ ย, ไไยู่ตลอดไปเรื่อยๆตอนเย็นผมลองไปวิ่งที่สนามกีโดห้าครับผมใช้สุภาพวิ่งครับพิจนะารณาสบาดดูร่างกายเป็นกระดูกไปวิ่งกระดูกวิ่งนะภายนอกกับภายในอ่ะอืาดีแล้วมันจะไปไงต่อต <c oughs> ก็ต้องต้องดูของคนอื่นด้วยไม่ใช่ดูของเราอย่างเดียวอ๋อผมดูของตัวเองอที่น่อดูของคนอื่นด้วยทุกครั้งที่หลาเห็นคนอ่นก็ต้องดูมันที่เราเห็นตัวเราเองด้วย เพราะสภาพนี้มันอยู่เพื่อตัดความความอยากความรักความไข้ในร่างกายของคนอื่นร่างกายร่างกายของเราแต่ว่ามันก็อยู่อยู่ที่ตัวคือมันก็นิ่งองแต่มันไม่ได้ไปไปคิดไปอย่างอื่นเลยเอา<ๆ>แต่แต่เวลามันเกิดมีการมาลงขึ้นมาถ้าเาเราไม่อยากจะทําเราก็จะใช้ดูภาพนี้เพื่อหยุดการมาลงได้คือจา่ายครับผมก็มีปัญหานิดนึงคือหมายความว่าผมก็ สุภาษามานานแล้วแต่ว่ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อไปไม่ถูกครับคืออสุภาษานี่มันมีว่าใช้แค่แก้การมาลงเท่านั้นเองถ้ า, าไม่ถ้าเราไม่เอามาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับแล้มันก็ต้องไปทางอื่นต่อพิจารณาทางอื่นต่อพิจารณาว่าแก่เจ็บตายร้างร่างกายนี่เดี๋ยวต้องแก่เนี่ยต้องเจ็บเดี๋ยวมันต้องตายเนี่ยพิจารณาว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเรา เราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เราเป็นจิตผู้ใช้กระแสจิตสมงมาเกาะติดกับร่างกายเพื่อใช้ร่างกายทาอะไรต่างๆให้กับเราเวลาร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันเวลาร่างกายแก่เราไม่ได้แก่เวลาร่างกายเจ็บเราไม่ได้เจ็บเวลาร่างกายตายเราไม่ได้ตายต้องสอนใจให้ลูกเรื่องราวแบบนี้เพื่อเวลาที่ร่างกายเป็นอยไไปเราจะได้ไม่ตึ่เต้นเดือดร้อนจะได้ไม่ทุกกับมัน ก็ตอนชครับบ่ายสองโมงผมก็ฟังอาจารย์รุวันกับทุกคนนี่แล้วก็ฝึกนั่งสมาธิด้วยนะนั่งก็ด้วยอ่านั่งหลับตาเวลาไม่ทำธรรมก็ต้องนั่งด้วยนั่งดูลมหายใจเรือนั่งแล้วพุโทโธพุทโธไปเรื่องดูโครงกระดูกไปก็ได้หลับตาแล้วนึกถึงโครงกระดูกตอนที่ยังไม่มีโควิดผมก็ขึน้นไปหาอาจารย์บนเขาเนะี จำ ไ, ไ, ไม่ได้ดูดในจอที่ช่ง น, นอกครับผมไม่ค่อยแสดงตัวบนวงอังนอกนอกครับอยู่รอบๆนอกไม่ได้ขึ้นไปแต่ว่าไปกราบอะไรวายของแต่ช่วงนี้น ไ, มไม่ได้ไป<ม>แต่ว่าเขาบอกว่าอาจารย์ อ, อยู่ข้างล่างเทข้างล่าทงาที่ที่หน้ากุฏิข้างล่างยังไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ยังปิดอยู่ยังทุกวันพระมีนะยังไม่มีช่วงนี้ยังไม่มีมีแต่ในสูงเนี้ยมีแต่ในสูงครับใบส ใบสองใบสองเทมส์ครับค้องฟังทุกวันครับกับทุกวันนี่ไม่มีคำถามเลยนะมีไหมนอกจากที่ถามไปแล้วนี้ครับก็ก็มันก็่อนวัน yup> พ้าผมจะสวดมนต์ถึงประมาณเที hmm. ่ยงซึ่งแบบทุกครั้งนะครับจะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนั่งสมาธิต่อถ้าสวดมนต์ทุกคนจะนั่งด้วยครับนั่งด้วครับอาจารย์ นั่งโดยได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เปกติห้าสี่เดทำใจิมันนิ่งมันสงบอย่ให้มันคิดอะไรจะมีอยู่บางวันนะครับบางวันวันอย่างโดนโผลนววนผเนี่ยหรือวันพระเนี่ยคืนผมไปนอนคืนมีเพื่อนที่ก็ตายไปแล้วครับที่ก็ตายไปแล้วก็บอกว่าเข้ามาหาผมใ น, ในฝันนะครับเขาบอกว่า บอกว่าไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งผมถามว่าในฝันผถามว่าไปหาทําไมผมนึกว่าจะไปเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยผมเป็นทหารครับนี่ก็จะไปเลี้ยงรุ่นบอกเพื่อนคนที่ตายนี่มาบอกผมว่าให้ไปเลี้ยงรุน่นแต่คนที่ตายเขบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าเพื่ออีกคนนะ่ะที่ให้ไปหานะ่ะบอกเขาจะไปป่าตัดตลาแฟนเขาให้บอกให้บอกไปลาแฟนเขาผมก็ไม่คือคนตายเนี่ยก็ไม่ค่อยจะหนีกันมากแต่ว่าตอนที่สอนตายผมไม่เชื่อ ม, มา เป็นไอ้มะเร็งตายครับวันนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่ามันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงมันฝันแล้วเป็นจริงหรือเปล่าคือผมไม่ไม่เป็นนะพอเสร็จแล้วนะเองอาทิตย์หนึงผมโทรไปหาคนที่บอกว่าจะไปผ่าตัดบอกว่าไฮ้ร่างกายนายเป็นอะไรไหมร่างกายอะไรบอกไม่ได้เป็นไรก็แสดงว่าความฝันกับความจริงมันไม่ตรงกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับบางฝันมันไม่แน่บางคนก็ฝันแล้วมันแน่ นั่อะไรก็เป็นอย่างนั้นก็มีแต่ว่าเพื่อนคนที่ได้ไปหานีแต่ก็ทานเล่าตอนเป็นน้องหนุ่มเขตอนเล้าทานเล่าเยอะ<ม>แต่ผมก็ไม่รู้อนาคตเขาจะเป็นอะไรแต่เขาเหมือนลางบอกเหตุว่าเขาจะต้องไปผ่าตัดอะไรหรือเปล่าผ ม, มรููเลยผมเล็กรไปถามเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็เป็นเรื่องความคิดของเราคิดปรุงแต่งไปเองก็ได้คท่านนี้อะไรนะครับโอเคอ่าจะไปดิบคุณชนะดาค่ะคุณชนะดา อยู่ที่ไหนเปิดใหม่เลยอยู่ที่ไหนสูตระการค่ะพระอาจารย์อ่อที่ไม่ได้มาส <c oughs> อนที่วันทุษแค่ที่กับข้าววันพระลาใช่ไหมพรุ่งนี้มาแล้วพรุ่งนี้กับข้าวอะพรุ่งนี้แซกด์วิชทูน่ากับกล้วยหอมค่ ะ, อะโอเคแต่แต่ว่าติดตามทุกสัปดาห์นะค ะ, ะเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้ามาข้างในนี้เองค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่ได้มาศรีราชาเลยตอนนี้ คือไปทำงานแต่ว่าไม่ได้พักเลยค่ะพระอาจารยาา์แต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีโอกาสไปไปอยู่วัดนะคะไปถือศีลอยู่ที่วัดไปสุพรรณนะคะพระอาจารย์ก็ ก, ก็ดีนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ดีอยู่ค่ะก็ก็คือตั้งใจอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกวัวผีน้อยลงมากเลยค่ะจากาแต่ก่อนกลาคืนนี่คือคนเดียวไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ แต่รู้สึกว่ากลัวผีน้อยลงว่าคิดน้อยลงคิดถึงผีน้อยลงก็เลยกลัวน้อยลงค่ะแลาวก็คิดถึงว่าพุทธเจ้าแทนเวลากลัวก็พูดธโถพุทโถไปค่ะบางทีก็ทําได้นะคะพระอาจารย์บางทีกลัวมากๆก็็ออพุทธทางสระนังขฉามิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่องไปเสร็จแล้วก็หายเป็นจะเป็นเป็นั้งคราวเป็นบางคราวก็ไม่นัใจเราคิดไปเอง ผีจริงไม่มีหรอกมีแตีที่เราคิดเนั้นเองค่ะก็ในโอกาสข้างหน้าก็อยากถ้าเป็นไปได้อยากจะเอ่อเขาเรียกว่าไปไปปฏิบัติธรรมแล้วนอนคนเดียวให้ได้ในป่าในวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทําแบบนั้นให้ได้ได้เราทำเดิมต้องก้าไปข้างหน้าเพิ่มเพิ่มการปฏิบัติมากขึ้นไปยากมากขึ้นค่ะก็ค่ะ คดตีต้องมีเป้าหมายต้อง ม, ม, ม, ม, มีเป้าหมายมันมันมันไม่มีเป้าหมายมันก็จะทําอยู่กับที่ไปค่ะโยมก็ว่ามันอยู่กับที่จริงๆค่ะ อ, อ่า้อ ง, ต, องต้องวาดแผนไหมว่าเราจะต้องเข้าไปตรงจุดนั้นถ้าจากจุดนั้นเราก็จะไปจุดนั้นต่อค่ะอ่าแล้วก็ตอนนี้นะค่ะส่วนเรื่องในภายในจิตใจก็ค่อนข้า ง, างมีความสุขดีค่ะพระอาจารย์ มันเหมือนแบบมันไม่มีอะไรเกาะติดในใจอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะสบายสบายช่วงนี้เป็นไงว่าจิตเราสงบจิตเราปล่อยวางมีสติค่ะแล้วก็ทําไปไเรื่อยรักษาใจให้มันอย่างนี้ไปเรื่อยค่ะพอมันมีเรื่องขึ้นมาปั๊บต้องรีบหยุดมันใช้พุทโธก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ เราพอดีว่าพอดีมีมีสองท่านฝากคําถามมานะคะพระอาจารย์อขออนุญาตค่ะคนเอ่อท่าแรกคือคุณเอ๋ค่ะที่ทําอาหารถวายพระอาจารย์นะคะแล้พอดีว่าพี่เขาไม่ไม่สามารถเข้าซูมได้ะะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยฝากคําถามมาเหมือนคําถามอะคะ่ะว่าเอ่อปกติเป็นคนที่โกรธง่ายมากเดิมนะคะแล้วก็จะโต้ตอบเลยทันทีในตอนหลังเนี่ยก็พยายามจะไม่โต้ตอบ ก็ก็หยุดการโต่อต่อไปได้แต่ว่าใจยังทําไม่ได้ใจเขายังมีอารมณ์ขุนมัวบางทีอยู่ทั้งวันเลยอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เขาไม่ใช่พุโทโธ เ, เขาต้องใช้พุโทโธไปเรื่อยๆไว้บอกเขเวลาใจขุนมัวลคล้ายๆเทําพุโทธโธพุทโธตกในภายในใจค่ะแล้วท่านท่านพระอาจารย์เจอคุณเอ๋แล้วเมตตาบอกคุณเอ๋ด้วยตัวเองได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ได้คำตอบสั้น <laughs> ๆแค่ เขาจะได้ชื่นใจอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งนะคะพระอาจารย์มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะก็เล่าให้ฟังว่ามีได้เห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำบุญเสร็จแล้วก็ได้ทำบุญบ่อยแล้วก็ชอบไปโพสในเฟซว่า เออได้สร้างห้องสัมเวลาสร้างห้องกรรมฐานเนี้ยเขาก็จะไปพตดว่ามีบ้านของเราหลังที่หลังที่สองพอไปสร้างตรงไหนอีกเขาก็จะบอกว่าเป็นบ้านของเขาหลังที่สามหลังที่สี่แล้วก็เอ่ออะไรเอ่อเอ า, เอ า, เ, อ า, เ, อาเอากระดูกของคนที่บ้านไปบรรจุไว้อะไรเงี้ยความสงสัยของท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นก็คือท่านสงสัยว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยการทําบุญแล้วแบบแล้วมา โปรโมตแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะใช่หรือเปล่าอะค่ะพระอาจารย์เออเขคิดว่าเป็นการให้คนอื่นอนุโมทนามั่าเขาได้ทำบุญแล้วก็บอกประกาศให้คนอื่นทราบเพื่อคนอื่นจะได้แสดงความยินดีไปกับการทำบุญของเขึ่งตามของหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ควรไม่ต้องทำหรอกเราทําคนของเราเราก็ทําไปนอกจากถ้าเกิด ม, มีความจําเป็นที่คนอื่นจะต้องรู้ก็ให้เขารู้ไป ถ้าก็จะนึกโมทนาด้วยเนื้อโมทนามันก็เรื่องของเขาไปอันนี้คืออาจจะได้ยินได้ฟังจากพระนึกถ่ายสอนว่ า, าเวลาทำบุญเสร็จต้องบอกให้คนเขารู้นะเขาจะได้รวมเขาจะได้รวมนึกโมทนาด้วยถ้าคนรู้นึกโมทนาเหมือนก็ไม่ได้บุมากเหมือกับคนทำค่ะค่ะมันก็จะทําทก็ไม่เสียหายเลยก็เป็นเรื่องของเขาไปใช่ค่ะ เราไม่ทําก็ได้เราจะทําำดูแบบเป็ดเทาหนังผ้าก็ได้ไม่ต้องให้ใครมาเม่อมันอนุมโมทนาก็ได้สบายใจกว่าทําไมหวังให้เขาร่วมอนุมโมทนาแล้วถ้าเกิดเขาหมาั่นไส้เราไม่อนุมโมทนาด้วยเราก็จะเสียใจใช่ไหมไม่เราไปหวังอนุมโมทนาจากใครแม้แต่ถ้าเขาไปร่วมมาแล้วเขอนุมโมทนาก็ เ, าเป็นเรื่องของเขา แตไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปประกาศบอกชาวบ้านครัว่าเราได้ทําบุญแล้วค่ะทำบุญไม่เอาหน้าทำบุญอย่าไปเอาหน้าทำบุญเพื่อเอาบุญนะทําบุญเพอเอหน้าเลยบางทีมันไม่ได้หน้ามันจะเสียใจทีนนี้เหรอได้ค่ ะ, ดคะเดี๋ยวหนูจะเอาคลิปไปเปิดให้ให้ท่าน ฟังกันนะคะแล้วก็เอ่ อ, อเดี๋ยวนะหนูจะพูดอะไรหนูลืมเลยนึกไม่ออกแล้วคะ่ะอาจารย์คิด <c oughs> ได้แล้วไม่ถามใหม่ก็แล้วกันนะต้องมีปไปแต่จะห้าทุ่มนะ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะอาจารย์กลัขอบพระคุณค่ะขออนุโมทนาในกลับข้าวกับปล า, าด้วยนะ หนูจะเรียนท่านอาจารย์อยีกานิดนึงอะคะะอ่ะพอดีช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มมีเพื่อนๆนะคะเขาก็แบบร่วมด้วยคนละห้าสิบบาทหรืออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หรือร้อยสองร้อยอะไรเ ง, ง, งี้ยค่ะเขารวมไปใช้เขารวมไปใช่ใค่ะหนูหนูยินดีมากเลยค่ะก็เลยยังมองว่าถ้านาคตเป็นอาจจะแบบว่าสามารถทําได้มากวันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก ก็เป็นไปตามนั้นนะคะพระอาจารย์ร็ขอให้ทำตามศรัทธาทําตามกำลังประกัรนะอย่าไปอย่าไปกดดันตัวเองถ้าถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะค่ะค่ะพระอาจารย์หนูมีคําถามนึงนะคะนึงออกแล้วค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเอในช่วงระยะจริงจริงระยะหลังมานี้ก็คือนานแล้วอะค่ะเวลาเหนูจะทําบุญหรือจะสร้างหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเรียลายเงินใคร คือจะจะถามแค่ว่าใครอยากทำบุญด้วยถ้าเกิดเขาไม่อยากทําอะไรเงี้ยก็ฉันคือจะไม่อะไรเลยส่วนส่วนแล้วหลังๆก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นทางตัวเองหยบร้อยเอร์เ็ตอะไรเงี้ยค่ะหลังๆนะคะแล้วมีควา ม, ม, ม ด, ดีคือคือมันไม่ได้เสียตรงที่ว่าเออเราไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ก, การทําบุญแล้วก็ไปชวนคนมาทําเยอะๆอะไรเงนะี้ยเป็นการสร้างบริวารอะไรอย่างเงี้นยนะยมไม่ได้หนูไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนั้นเลยอะไรเงนะี้ยจริงๆแล้ว มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรือเปล่าพักคาภาจารย์ไม่เกี่ยวหรอกบริบาลนี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราไปชวนเข้ามาทําบุญกับเราบริวาลเกิดจากการเราเงินไปแจกให้เขานั่นโอากแล้วเดี๋ยวเขาเขาตามไาเองถ้าเขารเราแจกเขาจะดื่อๆเขาก็ชอบเราเองจริงๆเกิดจากความเสียสละของเราใช่ใช่ไม่ใช่ไปรีดเนื้อไปรีดเงินไม่ได้รีดเงินทอนเข้ามาเพื่อมาให้กำบังเขามันก็มาทำบุญกับเรา ก็ <g ather> หนูมีความรู้สึกว่าบางทีเกรงใจแล้วก็เอย่าไปเปลี่ยนเปลีย น, น, นเข้าด้วยการไปบอกดอ <c oughs> ด้วยการไปบังคับแต่ <c oughs> แต่บอกได้ถ้าเล่าให้เขาฟังว่าเดือนนี้จะไปทอดกระถิ่นที่นั่นที่นี่นะพูดแค่นี้คร <c oughs> <c oughs> ับจบถ้าเขาอยากจะร่วมด้วยก็เป็นเป็นความจัดทธาของเราก็ดีนะเขาจะได้แต่เขาไม่ร่วมเขาก็จะได้ไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้จักไม่รู้สึกอึดอาดใจที่เขาไม่ได้ร่วมเพราะเราไม่ได้ไปบังคับครับค่ะได้ค่ะ กว่าขอบพระคุณอย่างสูงาาาค่ะพระอาจารย์สาธุจ่าใครบ้างที่ยังไม่ได้คุดคุณนิกรใช่ไหมคุนิกรคุณนิกรได้พูดรือยังครับครับครับครครณบรักครครับครับคระบครับครับครับับับครับครับรัรับคร่บรับครับครับคับครับครัครับครับครับค่ับครไบครับครับครรับครคค เป็นไปที่คนคนนิยาวัฒนต่อคุณปิยาวาัฒนเชิญต้องเปิดไมค์ก่อนอพูดได้เลยไม่ดีครับผมไล่ไงอยู่เที่ยงใช่ไหมอยู่ภูกเก็ตครับผมภูกเก็ตมี ก, กระเป๋าอะไรไหมไม่ดีครับผมฟังจเฉยนะฟังเฉยๆครับโอเคยันขอไปที่คุณนายพลิตต่อเลยคุณนายพลิตเชิญ ต้องเรวหน่อยคนะรับเพราะมเด็กแนละ้วตาวหรือาสการ์ครับเข้ามาครั้งที่สองครับปกปกติบ้านอยู่ตอนนี้มาเยี่ยมภรรยาและลูกๆที่ซอสแลนด์ครับออริกอนออริกอนครับนะครับแล้วไม่ต้องเย็นๆครับพาะจารทร์ครับแล้ ว, วระหว่างทางมาก็จะเห็นความไม่เที่ยงครับเพราะว่าบ้านเราญี่ปุ่นที่ไปต่อเครื่องก็ สนามบนเงียบมากเลยครับอาจารย์พ อ, อมาที่เมกานี่ก็คึกคืนเขาใช้ทีวีชันปกตินี่มีคำถามพราอาจารย์นิดนึงครับคือตอนตอนนั่งสมาธินะครับปกติผมก็จะจะตั้งเวลานะครับแต่วันครั้งในวัครั้งเนี่ยมันก็จะแบบไปกังวลก่วกับเรื่อ ง, งจะครบเวลาหรือ ย, อยังอะไรอย่างนี้ครับ เราเราปกติแล้วควรควรจะตั้งไหมครับอาจารย์ครับถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําอะไรต่อก็ไม่ต้องตั้งตั้งสติดีปะให้มีสติแล้วบัญญัได้ช้าช้าได้นานหรือ ไ, ไม่นานอยู่ที่สติของเราถ้าสติเราดีจะนั่งได้นานถ้าสติไม่ดีเนือนั่งไม่นานก็จะวิดาัดทนไม่ไหวไม่ต้องนั่งอยู่ดีแต่ถ้า แต่ถ้าเราอยากจะบังคับว่าเราต้องนั่งให้มันครบเวลาชั่วโมงนี้การตั้งเวลามันก็อาจจะเป็นการบังคับออกไปในตัวก็ได้ถึงแม้ว่าอยากจะลุกก็ยังไม่ลุกจะรอให้ให้ในาฬิกามันเลือกก่อนแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าแทนที่จะมีสติอยู่กับพุทโธก็าอาจจะเป็นมีสติอยู่ของนาฬิกาพออยากจะลุกเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะดังทัทีหรือว่าเรากดตั้งผิดหรือตั้งถูกหรือเปล่า แทนที่จาจิตจะสงบก็บมาวุ่นวายกับเรื่องนาฬิกานี่ยก็ต้องช่างน้าหนัก ด, ดูว่ามันจําเป็นไหมถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าไปยุ่งกับนาฬิกาเลยมาครับเพราะเพราะว่าอย่างาคนโบราณบางคนก็เตือนว่าเ อ, อระวังนะนั่งแล้วเดี๋ยวไม่กลับมาครบอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ไม่มีหรอกไม่มีหรอกมันเป็นความเชื่อแบบไม่มีไม่มีหลักแบบฐานไม่มีเหตุผลเลย ไม่ไปไหนหรอกจิตังบมันก็ยังอยู่มันก็อยู่ติดกับร่างกายอยู่เพียงแต่มันไม่นับรู้เรื่องราวของร่างกายชัวย่วคราวนะครับตอนนี้เข้าบรรษาผมก็พยายามถือศีลแปดนะครับแล้วก็พยายามจะจะจะเอ่อ จ, จ, จะปฏิบัติให้มากขึ้นจากสอบถามอาจารย์นี้นี่คือคือปกติถ้าถ้าเราอยู่เนาะพอพอก็ใช้สู่ของพระอาจารย์ก็คือมากำหนดพุดโทโธพิธโธก็จะ ก็จะหายจะหายผิวนะครับแล้วก็ตอนไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้นั่งเครื่องบินมาต่างประเทศนานก็เอพอพอเราพอเรานั่งสมาธินา น, านแบบตอนเครื่องบินขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นลงอะไรเงี้ยครับพอาจารย์มันมันรู้สึกตัวมันสั่นตัวมันอะไรแต่ว่าจิตมันเออจิตมันนิ่งดีอะไรเงี้ยครับพอาจาร ย, ย์ก็เลยก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่า ตอนที่เราทํำสมาธิไปเรื่อยๆจนถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยมันกายกับจิตมันจะแยกกันประมาณไหนพระอาจารย์ครับก็มันจะไม่รับรู้เรื่องราวของร่างกายเสียงเข้ามามันถึงแม้จะรู้มันก็ไม่ไม่วุ่นวายไปกับเสียงที่เข้ามาเห็นไหมถ้าจะรับรู้ว่าร่างกายสัตว์หรือร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่ไม่มีตกกังวลอะไรไปประมาณนี้เฉยๆ อ๋อเราก็ยังรู้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีมันมีสองระดัแบระดับยังรู้อยู่ระดัแบบไม่มีอะไรให้รับรู้เลยก็ได้ถ้าเราเข้าไปเรื่องเต็มที่ก็จะไม่มีอะไรให้รับรู้เลยทางร่างกายอครับเนื่องแต่จิตตัวรู้ตัวเดียวครับได้ทั้งสองรับแบบทั้งสองแบบก็มีอุเบกขาอยู่งที่เราต้องการคืออุเบกขาครับพอได้อุเบกขาก็ค่อยมาเอ วิปัสนาใช่เพราะมีโอเบิดขาใจเราจะเย็นใจ่เราจะสู้กับความอยากไใช่วีปัสนาเห็นว่าการทาตามความอยากจะเป็นทุกข์เราก็จะหยุดได้ครับผมสังเกตตัวเองเหมือนกันครับว่าแต่ก่อนแต่ก่อนทํางานเนี่ยก็จะเครียดนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ตลอดแต่ก็ได้แต่ว่าพอเรา พอเรามาทําสมาธิเนี่ยมันก็ได้คล้ายๆเดิมอครับแต่ว่ามันไม่เครียดครับก็ก็มันมันรู้สึกได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ใช่ใอาจารย์มีมีมีคำถามนึงครับอาจารย์ครับหลวงหลวงปู่บ้านเคยฟังเออเคยฟังคําสอนของหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็ไม่เคยเข้าใจอยากจะถามความเพีิยนนึงคือคือท่านบอกว่าท่านสอนลูกติษคือลูกติษเหมือนมาเล่าให้ฟังว่า ดูปู่ม่านท่านสอนว่าให้ปฏิบัติให้เร่งปฏิบัติเหมือนเหมือนบ้านกําลังไฟไหม้อยู่อะไรนั่นนะครับ mm hmm. คือผมก็นึกบ้านเราไฟไหม้คือคือรู้ถึงความเร่งแต่ว่ามันคงจะแบบลุกนี้ลุกวนมันคงจะมันคงจะสติแตกแล้วนะถ้าเผื่อเราเราเราไปเร่งเงนเกินไปหรือไม่นี้ยครับอาจารย์เออไม่ได้เร่งไม่ได้ให้เร่งแบบสติแตกรับให้เร่งแบบไม่เฉยเมยไม่เฉยชา ให้รีบทำเสียงานที่เราต้องทํารีบทํามมันเสร็จเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านที่กำลังไหม้อยู่ังกำลองจะตายถ้ามันตายขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ปฏิบัติที่นี่ไงนั้นอย่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นหมายควาว่าอะ่รนี่หมความว่าอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งให้รีบทําเสียครับแต่ก็ไม่ต้องไปแบบ ไ ม, ม, ม, ม่ให้เล่งแบบไม่เล่งแบบวุ่นวายใจไปกับการปฏิบัติเทำอย่าอย่าทัดวันเอ้ยวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้เหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถึงเวลาต้องทำเราต้องกำหนดเวลาทำแล้วถึงเวลาก็ทำับเพราะเวลาเราเหนื่อยน้อยลงรา่างกายเราจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่งร่างกายนก็เหมือนบ้านที่กำลังจะไฟจะไม้ แล้วเริ่มไหม่แล้วมันจะไหม่มอดบ้านเมื่อไรก็ถ้าเรานั่งอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวก็ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ครับ <Okay. S 1> ข้าใจแล้วนะครับผมกลับกลับของคุณครับไปที่คุณจอยตอบคุณจอยอยู่ที่ปรฐุมใช่ไหมจอยเสียงไม่เข้าจอยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอยู่ห่างไกลไปหรือเปล่า เสียงไม่เข้าเหมือนกันน้ำตาดสายออกดูวยเนียได้ยินไหมคะได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้เขมาสุดท้ายค่ะได้ยินแล้วอันนี้เข้ามาอยู่ปลายแถวเลยโทรศัพท์มันไม่ดีค่ะมันมันมันมันช้าไม่เข้ามันดับไปอ่าเข้าออกหลายรอบเลยมีอะไรไหมพน้าไทยกันเนาะ ค่ะมามาแสดงตัวว่ายังยังอยู่โอเคดียังสบายดีอยู่นะสบายดีค่ะยังทําบุญใส่าตได้ไหมยังทำพี่อยู่ใส่บาทหน้าบ้านค่ะพรมาบิ่นบาตหน้าบ้านเอทําไปนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนทํำไปพาะที่ไหนก็ได้นะได้บุญเหมือนกันนะถ้าเลือกได้ก็เลือกถ้าเรื่องไม่ได้ก็ทำตามตามตามมีตามเกิดไปดีกว่าไม่ทํำนะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะมีอะไรไหมก็มันมันมีแต่ก็พยายามแก้เองด้วยปัญญาเออลองเสิร์มาเรื่อตัง ม, งมอว่าเป็นายรั่งไปช่วยไม่ได้ห้าม ไ, มไม่ได้มันมันทุกคนมันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นแค่ของสมมุติก็พยายามแบบเคียร์ไปเรื่อยเื่อโอเคได้เอาแันนี้ก่อนนะเพราะว่าห้าทุ่แล้วจะได้ปิดประชุม ด้านนี้ก็คิดว่าไปที่คำถามทางเพซดูมีไหมคุณชุกถ้ามีก็เชิญถามได้เลยค่ะวันนี้มีทั้งหมดสิบคำถามนะคะค่ะคาถามที่หนึ่งค่ะขนี้ค่ะคาถามที่หนึ่งค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าคำว่าอัตตาตัวตนหมายถึงรูปธรรมสิทธจักต้องได้หรือคืออะไรเจ้าคะตัวตนไงร่างกายนี้เราก็เป็นเรื่องขอเป็นตัวเราของเราตาจริงมันไม่ใช่ตัวเราของเรา ตัวเราไม่ไมีอยู่ในร่างกายนีย่แล้วมันก็นไม่ได้เป็นของเราวันหนึ่งมันก็ล่องจากเราไปแล้ววันตัวตวนก็คือเราไปถือมันเองเราไปคิดขึ้นมาเองว่าเรานี่เป็นตัวตน ว, ว, er, ว่ามีเราความจริงเราก็เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองเราคิดว่าเราแล้วเราก็ะชื่อว่ามันเป็นจริงหรือไม่ความจริงตัวตวนนก็เป็นการสมมติขึ้นมา เราสมมติชื่อว่าเราชื่อแดงชื่อดำอะไรอย่างนี้เป็นต้นควาจริงร่างกายมันไม่ได้มีชื่อแดงชื่อดำร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนเราเพียงแต่ไปสมมติขึ้นมาใจเราผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นตัวไปสมมุติแล้วก็เชื่อว่ามีตัวตนเชื่อว่าเราเป็นร่างกายขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณทิติการนะคะมีทั้งหมด3าคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งค่ะขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เกี่ยวกับการรักษาสีห่าที่มีสองแบบเป็นสีนภายนอกและสีภายในธรรมชาติของจิตจะน้อมนำให้เรารู้จักสีห5าภายในจิตใช่ไหมคะหลังจากการที่เราหลังจากการที่เราปฏิบัติธรรมไปค่ะคือสีเนี่ยมันเป็นการกระทาทางกายและทางวาจา แล้วผู้ที่สั่งให้มีการกระทำเหล่านี้ก็คือใจคือความคิดมันก็เกี่ยวมันก็เกี่ยวล้องกันถ้าเราห้ามทางกายทางวาจาได้ก็เท่ากับเราปิดกัน้นทางใจถึงแม้จะคิดจะทำบาป ก, ก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทำตามเราไม่ทำที่ร่างกายทำแต่เพียงแต่ความคิดอันนี้ก็เป็นการห้าม เมื่อตอนก็ห้ามไม่ให้ความคิดทํำบาปให้มันออกมาทางกายทางมารดาห้ามนะขั้นต่อไปก็หยุดด้วยสติจิตจะหยุดคิดได้ก็ต้ใช้สติเป็นตัวหยุดเช่นคาบริกรรมพุทธโถมุตโธมคำถามต่อไปค่ะคําถามที่สองนะคะวิธีที่จะทําให้จิตหลุดจากอุเบกขาเนื่องจากนั่งปฏิบัติจนเวทนาไม่ปรากฏจิตนิ่งเป็นอุเบกขาโยมคิดว่า การหลุดจากอุเบกขาให้กลับไปภาวนากําหนดรู้หนอแล้วกลับไปที่พุโทโธพุธโทโธอย่างนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกหรอกถ้าจิตสงบนิ่งเป็นอุเบกขาเราต้องใช้สติรักษาให้มันเป็นอุเบกขาให้มันสงบไปนานๆม่ต้องกลับไปหาพุโทโธว่าไม่เกิดประโยู่อะไรคำถานที่สามนะคะการเจริญมรรนานุสติถ้าเข้าใจการเกิดดับของเซลล์ในร่างกาย จะนับว่าเป็นการเจริญมรณานุสติได้หรือเปล่าคะหรือการระลึกรู้ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของกายคะ่ะตอนมรณานุสตินี้หมายถึงร่างกายมากกว่าการดับของร่างกายในเวลาร่างกายพอไม่หายใจเพราะมันก็ตายคํำถามต่อไปจะคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจนะคะอนาปนาสติกําหนดรู้ลมหายใจขณะธรรมต้องหลับตาไหมครับ เวลานั่งสมาธิคนจะหลับตาก็จิตจะได้เข้าข้างในได้ถ้าเรืมตาอยู่จิตมันยังติดอยู่ที่รูปที่เห็นด้วยตาอยู่เวลานั่งสมาธิต้องการให้เกิดผลก็ต้องหลับตาหลหูหลับตาไม่ง่ายหูก็ไม่ไม่ต้องปิดมันเพแต่ไม่ต้องไปสนใจกับเสียงที่ที่หูเรารับให้อยู่กับดูการดูลมเพียงอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณอาจารย์พรินซ์ค่ะ ตอนนี้คุณยายของผมเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนอนติดเตียงหมดทางรักษาเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ยังมีสติพยักหน้ารู้ตัวบ้างซึ่งในตอนนี้ผมได้ให้ท่านเจริญสมาธิโดยการกำหนดพุทโธพุทโธและเปิดบทสดมน์พดชงให้ฟังแต่บางครั้งท่านจะหลุดลอยมีความชุนเฉียวไม่ได้ดันใจและเพ้อละเมอถึงสิ่งแปลกแลกถามคำถามแปลกปลกผมกลัวท่านไปไม่สงบไม่สบาย จุดนี้ในฐานะลูกหลานต้องปฏิบัติอย่างไรครับขอบคุณครับก็ต้องวางใจไปนหนุนบกขาเพราะมันยิ่อยู่เหนือวิสัยที่เราจะไปทํำให้ท่านได้มันเป็นเรื่องของผลของการดําเนินชีวิตของท่านมามันก็จะสนลงจะแสดงผลในช่วงที่ใกล้จะตายถ้ามีสติใจมันก็จะสงบถ้าเกิดสติมันดีใจมันก็จะสงบถ้าเกสิสติมาไม่ดีมันก็จะเพิ่เจอะเพิ่ คงจะหลงหลงได้ฉะนั้นพวกเราที่ยังอยู่นี่ควรจะเอาเอาเอ า, เอาตัวอย่างของคนที่จะตายนี่มาสอนเราว่าอย่าประมาดีฝึกจิตสึกใจให้มีสติให้จิตมันสงบให้เราควบคุมจิตได้เพรอเวลาใกล้าตายนี่มันจิตมันจะไม่มีถ้าไม่มีสตินี่มันจะควบคุมจิตไม่ได้คำถามต่อไปจะคุณ น, น้อยค่ะ นั่งสวดมนต์แต่จิตใจไม่สงบเลยค่ะสวดไปแต่จิตใจจิตคิดจิตใจคิดไปด้วยทําอย่างไรดีคะก็ช่วยสวดให้ชาห้าลงอยู่แล้วกให้ให้อยู่กับสวดมนต์อย่าอย่า่าไปอยู่กับความคิดให้มันรู้จักให้ให้สวดทุกคําพูดให้รู้ทุกคําคําสวดเช่สนสวดอิติปิโสอักขาวาทานังสัมมาให้มันชา้าลงแล้วก็จบจอนออกมาคำสวด ถึงแม้จะคิดก็ไม่ต้องไปสนใจกับความคิดแม้มันอยู่กับคำคำสวดอย่างต่อเนื่องให้ได้นะต่อไปคำีิก็จะหายไปได้คำถามต่อไปจากคุณดวงค่ะกลับน้ำส ก, การหลวงพ่อค่ะคุณพ่อหนูนั่งสมาธิที่ไรนิ่งสงบสบายใจอยู่แค่นี้ค่ะบางครั้งพ่อบอกเห็นลมหายใจไหลเป็นสายน้ำค่ะเป็นแบบนี้จะยี่สิบปีแล้วค่ะต้องแก้ไขอย่างไรไหมคะ หลวงพ่อคะแบบนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิไหมคะความจริงถ้ามันสงบแล้วมันต้องว่ามันไม่อะไรเลยนะก็แสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่เราดสติอาจจะมีกาลังไม่มากพอที่จะดึงจิตให้เข้าถึงความสงบได้อย่างเต็มที่นี่ก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่งนั่นจะเอาแต่เฉพาะเวลานั่นแล้วก็ค่อมาฝึกสติอย่างเดียวมันไม่จได้ท่านี ถ้าอยากได้มันเข้าลึกกว่านี้ก็ต้องฝึกสตินั้งแต่เรื่อตาขึ้นมาเลยลตากขึ้นมาว่าพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดไว้เวลานั่งมันก็จะสามารถเข้าไปสู่ความสงบได้อยา่างเต็มที่เข้าสู่ความว่างได้คํำถามต่อไปจะคุณพรานพันธ์ค่ะกลับนมัธการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อคืนนั่งสมาธิแล้วมีคนตะคอกในขณะนั่งสมาธิรู้สึกเจ็บที่กลางหน้าอก จนนั่งต่อไปไม่ได้เลยถอนออกจากสมาธิพยายามลงไปดูที่ใจก็ไม่หายรู้สึกอยากจะร้องไห้เลยร้องไห้ออกมาปล่อยให้ร้องสักพักไปก็ไปเดินจงกรมต่อก็ยังร้องอยู่พอน้ำตาหยดลงถึงพื้นก็รู้สึกขึ้นมาว่าน้ำตาที่เราเกิดมามากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่แล้วยังอยากเกิดอีกหรือก็หยุดร้องไห้แล้วไปนั่งสมาธิต่อแต่ก็ยังเจ็บที่กลางหน้าอกอยู่วันนี้ก็มีอาการสะอึกสะอื้นทั้งวัน ต้องแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะก็ใช้สตินะท่องพุทโธพุทโธไปทั้งวันนะแล้วมันอาการต่างๆมันก็มันก็จะจาะหายไปได้ถ้ามันเกิดจากจิตของเราที่ไม่สงบแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความไม่ปกติของร่างกายาก็ต้องไปหาหมอไปหมอตรวจดูว่าร่างกายเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าปล่อยมันเฉยไปแล้วเดี๋ยวพิจารณาว่ามันไม่เที่ยง ดดาจะหกไไปไ็้คำถามสุดท้ายจากคุณไอแซคค่ะกราบเรียนถามครับหลักของการเจริญสติด้วยการรักษาศีลสมาธิปัญญาพอรักษาศีลเข้าไปถึงกายถึงใจมันทำให้เกิดความสุขมากสุขน้อยเป็นลำดับปัญหาคือผมชอบไปจนอยู่กับสุขตรงนั้นเพราะมันเพลินดีแต่มันจะอยู่ไม่ได้นานสุขก็จะสลายตัว แต่ก็ไม่ได้เสียดายเพราะมันก็ไปอยู่ตรงสงบต่อพอเลยสงบก็จะไปอยู่กับปัจจุบันที่ปรากฏต่อวนไปวนมาแบบนี้การปฏิบัติทำมาได้ถูกต้องหรื อ, อยังครับมันต้องเข้าไปสู่ความสงบฟัามว่างให้ได้ในการจะเข้าไปได้ต้องมีสติหนึ่งเข้าไปเช่นพุโทโธพุโทโธไม่ต้องไปสนใจกัรราการต่างๆที่ปรากฏให้เห็นในขณะที่เราพุโทโธแล้วดูเราหายใจไป แล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่ความสงบอย่างเต็มที่ได้ไม่งั้นมันก็จะวนอยู่ในอ่า น, นี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีไม่มีการดึงลมหายใจนแล้วเหรอแล้วค่ะมีท่านใหม่เข้ามาอีกท่านหนึ่งคุณนิบานณะา น, นิบารนณะมันยังมีคําถามอะไรไหมคุณนิบานณะาเปิดไม้ได้ไหมเดี๋ยวเปิดนะารับเปิดไม้ได้ครับพระอาจารย์มีคําถามอะไรไหมป่า เวลาเอ่อนั่งฟังเอ่อพระอาจารย์เทศไปอย่างเงี้ยแล้วเราปฏิบัติไปด้วยอย่างเงี้ยคือเราจะได้กําลังของจิตเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับคือนั่งฟัง <ไป S 1> อะไรนะที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติอะไรนะอ๋อก็บางทีก็พุทโธพุทโธบางทีก็รู้สึกเห็นร่างกายถึงถึงว่าร่างกายมันนั่งอยู่ครับอ๋อความที่เวลาฟัง น, นี่ควรจะอยู่ที่การฟังจะดีกว่า จะได้ปัญญาได้ความรู้จากการฟังแล้วก็จะได้ความสงบถ้าเราไปไปปฏิบัติมันก็เหมือนกับว่ามันไปแข่งกันเสียงทำก็อยางหนึ่งแล้วการปฏิบัติของเราก็อากอย่างหนึ่มันก็อาจจะเละเทะได้ไม่เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะปฏิบัติแล้วก็ปิดเสียงที่เราฟังทำเสียงมันจะได้อะไรมาก็ควรมันจะได้ม า, ม ไ, มาไม่ได้มาชนกันเข้าใจไหม เข้าใจครับอถ้าเราคิดว่าเรายัางปฏิบัติเองไม่ได้ต้องฟังธรรมแล้วก็ฟังไปแล้วก็การฟังธรรนี่ก็จะทาจิตหมือนกับทำสมาธิถ้าเราไม่คิดตามก็ได้ฟังแต่เสียงไปเรื่อยๆเสียงก็จะกล่อมใจเราให้เข้าสู่สมาธิได้ถ้าเราคิดตามพิจารณาตามเราก็จะได้ปัญญาความเข้าใจความรู้ในธรรมต่างๆนี่เกีเรื่องของการฟังธรรมจะได้ประโยชน์ ความสงบเรื่องได้ความรู้คือปัญญาแต่ถ้าเราต้องการปฏิบัติเองแล้วก็ปิดปิดเสียงไม่ต้องฟังธรรมปฏิบัติของเราไปเองเลยจะดีกว่าข อ, ขอบคุณครับเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคตัวนี้ที่ว่าเวลาก็ผ่านไปเยอะนะห้าท่มสิบห้านาทีแล้วก็คิดว่าพอสมควรอย่างเวลาเริ่มหาว่า เ, เรื่องเรื่องในกำลังที่จะพูดนะ ก็เลยต้องขอยุติการสแสดงการสรนธรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ